ในลานพานดานสายทุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านเมืวันนี้อาจจะไม่ได้เปิดไมโครโฟนอาจจะไม่ได้ยินเสียงก็เลยพูดไปวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามท่านผู้ใดสนใจอยากจะเข้ามาร่วมสนทนาก็เชิญเข้ามาร่วมได้หรือจะชมทางถ่ายทอสดสดทาง Facebook youtube ก็ได้เหมือนกัน อันนี้ก็ไปที่เด็กชายนักคุณก่อนนะนักคุณสวัสดีครับบันไมการค่ะอาจาเป็นไงดูไหมซอนไหมอือกกลางๆนะคะอาจารย์เออเป็นไงกลางๆ ผจญ ไ, ไม่สนโซนกลางๆนะคะมีผจญโซนกลางๆดื้อกาลางๆเหรอใช่ไมใช่ค่ะอะ๋อยังยังดียังกลางๆอยู่น ะ, ะเป็นไงชาบโรงเรียนที่เมืองไทยไหมไม่ค่อยเลยไม่ค่อยชอบเลยนทำไมนะเพราะว่ามันเ้นตัตตวใครอะนั่นดีดีดูไม่เจ็บแล้วเองั้นบอกอาจารย์อม ไม่มีคนญี่ปุ่นนะมีไหมมีคนญี่ปุ่นเรียนด้วยไหมมีค่ะเนีย่ยเยอะเหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นไหมมอมือมอนกันนะอ่าเป็นยไงไหวพสดมนต์ก่อนนอนหรือเปล่าทาค่ะอ่าต้องทา<ฮ>ทุกวันน ะ, ะนะครับอนะ ทุกเกินนะก่อนนอนต้องไหว้พระสวดมนต์ก่อนนะอารโอเคมีอะไรไหมไม่นีคระอาจารย์โอเคอยากจะนอนแล้วใช่ไหมง่วงลค่ะอาจารย์โอเคงั้นเอาท่านี้ก่อนนะนักกกรรมธมติการค่ะอาจารย์หนูติดโควิดค่ะกับจากเวียดนาม กินกี่รอบเลยค่ะกินกี่รอบล้ออโอ้โควิดเฟรนลี่มากเลยค่ะพระอาจารย์เม่อสี่ห้ารอบแล้วมั้งคะอ้สี้ารอบค่ะเคลียร์หาย น, นเร็วๆก็แล้วกันนะสาธุค่ะพระอาจารย์โอเคไปที่จำแมกมการแจที่สองกันบ้านใช่ไหมวันนี้เรล่านมัสการพระอา <พอ S 2> จารย์ <พอ S 2> รครับเม<อ>ครับวันนี้ว่าสู่กันบ้านแล้วก็รายงานการนัสมาธิครับ อ่าอะไรงานก่อนครับตอนนี้ก็นั่งทุกคืนครับนั่งคือละยี่สิบห้านาทีครับนั่งแล้วได้ผลอะไรไหมเอ่จิตสงบมีการนอนหรือเจ็บฟุ้งซ่านก็มีทางผู่ครับเออ่ใช่มีความมีความสุขจากการนั่นไงไหมมีครับมีเลยใช่ครับ รู้สึกยังไงมากสุแบบไหน ส, สุไม่มีต้องไม่ต้องยุ่งอะไรเลยครับเนอโอเคแล้วแจตีลนะ่ะเออคือพอทำสมาีิแล้ครับมันจะแบบมันจะแบบเอมันจะคอนกเลสไม่ได้ครับยันคอนทุมไม่ได้เลย อ, อืม <S <S ต้องฝึกสติพุโทโธให้มากๆอย่านัาง<อ>่งเฉยๆพอนอแล้วก็ต้องท่องพุโทโธพุทโธพุทโธไปนั่นไงอ๋อรบอืมอ่ามีการบ้านใช่ไหมใช่คับอ๋อมาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่องค้นความแก่เป็นไม่ได้เ ร, เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่องค้นความเจ็บไข้เป็นไม่ได้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 เราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสูญไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอเชื่อไหมเชื่อครับอืมพิจารณาก็คือให้คิดบ่อยๆเพื่อจะได้ไม่ลืมนะค่ะอืมเวลาแย่เวลาเจ็บจะได้ไม่ทุกข์อ่ถ้าใจยอมนับแล้วก็จะไม่ทุกข์ ถ้าไม่ยอมรับมันก็จะทุกข์นะครับโอเคแล้วร่างกายเรามีอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกย่อในกระดูกม้ามหัวใจตับสังพืชไตปอดไส่ใหญ่ไส่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเย่อในสมองศีรษะ น้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมนเหลวน้ำลายน้ำมูดน้าไข้ข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไข้ข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมะเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเหงือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลน้ำดีเขื้ยนในสมองสีสั อาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตทางผืชตับหัวใจม้ามี่ในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันและคนผมมีส่วนไหนหน่าดูน่าชมไหมไม่มีครับไม่มีนะสะบร่างกายที่ไม่น่าดูน่าชมเลยใช่ไหมใช่ครับ ถ้ามองไม่เห็นอาการฐานที่สองก็จะคิดว่าหน้าดูหน้าชมใช่ไหมใช่ครับอืมอต้องพยายามเวลามองใครก็อาจจะว่าคนที่เราคิดว่าน่าดูหน้าชมก็ต้องมองลึกๆเข้าไปข้างในนะครับครับอืมถ้ามีส่วนไหนที่เป็นตัวเราไหมไม่มีครับไม่มีไรนะเรของตัวเราไม่ได้อยู่ในร่างกายใช่ไหมใช่ครับ อืมตัวเราอยู่ในใจนะตัวที่คิดอยู่นี่อยู่ที่ใจอืมก็ไม่ต้องไปกังวลเวลาร่างกายเป็นไรใจไม่ได้เป็นไปด้วยอร่า <Okay. S 1> งกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายใจก็ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกาย <Okay. S 1> อ่าทำใจเฉยๆไม่ต้องกลัวถ้ากลัวก็พุโทโธพุโทโธไว จำไว้นะนะครับไม่มีอะไรไมมหมไม่มีหรือเไม่มีครับไม่มีกา ร, รยังปฏิบัติอยู่ค่ะอ่อตรงทิ้งไม่ได้นะเป็นคิดถ้าเป็นเหมือนลมหายใจของใจนะถ้าใจมีการภาวนามีการปฏิบัติใจก็จะมีลมหายใจใจก็จะมีพลังเนะี่ะ โ okay. อเคใอ่านทันี้ก่อนน ะ, ะอขอบคุณครัคุณพระอาจารย์ไปที่ตะวันประเทศทอรแลนด์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับอันนี้มีคำถามหรือเปล่าครับ1ป็นไม่มีหร้วครับ1ป็นงองครับอันนึงคำหรอหรืว่ามาถ้ามันมีคนทะเลาะกันเราต้องทำอะไร ถ้าเราไม่เกี่ยวเขาเขาไม่ต้องไปทําอะไรก็ดูไปปล่อยเขาทะเลาะ ก, กันไปแล้วถ้าเราเป็นเพื่อนครับก็อยู่ที่ว่าเราไปห้ามเขาได้หรือเปล่าห้ามได้ก็ห้ามห้ามไม่ได้ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาทะเลาะ ก, กันไปเดี๋ยวเราไปเจ็บตัวนะไปห้ามเขาเดียวแต่นี่ก็ยังทะเลาะ ก, กันก็เลยกลับมานุ่ม มันทำร้ายเรามายุ่งมายุ่งกับเขาทำไมเขาก็ก็ต้องดูดูก่อนอย่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีดๆก็อยากเข้าไปถ้าเขาเชิญบอกช่วยมาห้ามหน่อยสิก็เข้าไปได้แก็ไม่ฟังเราเราไปเข้าไปเดี๋ยวแล้วก็ไปทะเลาะกับเขาต่ออย ทางนี้ดีกก็เดินเดินหนีไปดีกว่าไว้ก็จะรักกันไปไม่ใช่เรื่องของเราเาจะได้ไม่เจ็บตัวไม่เปื่มตัวเข้าใจไหมเข้าใจค่ะทำได้ไหมทำได้ค่ะอืมถูกไหมดีไหมดีค่ะอืมแล้วเป็นแม่เหรอมีอะไรไหม พระอาจารย์มีเจ้าค่ก็คือยมีข้อสงสัยว่าเรื่องความเมตตานะคะพระอาจารย์ว่าเราจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณายังไงนะคะว่าถ้าเราให้ความเมตตาเข้าไปแล้วเนี่ยจะเป็นการส่งเสริมกิเลส ข, ของคนนั้นหรือเปล่านะคะพระอาจารย์อันนี้คือในเมตตาแก่คนทั่วไปนะคะที่ไม่ใช่คนในปกครองนะคะะอาจารย์ก็ดูว่าความเมตตานะจะไปทําให้เขา ไปทำร้ายผู้อื่นหรือเปล่าเลือไปทําร้ายตัวเขาเองหรือเปล่าเมตตาเขาเราให้เงนินเขาล้วเขาไปซื้อซุรามาเดิมนี้ก็ไม่ควรที่จะให้เขาอืมนั่ก็ต้องดูว่าเขาจะเอาประโยชน์จากเรานี่ไปทําอะไรถ้าไปทําโทษกับตนเองแล้วกับผูื่นไม่ควรที่จะเมตตาขเขาไป แต่เราก็ต้องไม่เกลียดเขาไม่ไม่ชังเขาถึงแม้ว่าเขาจะพูดหรือก็ทําอะไรที่ไม่ดีเสียหายหกับเราเราก็ต้องให้อภัย น, นี่คือควาเมตตาถึงแม้จะคิดว่าเอามันเป็นการส่งเสริมกิเลสเขาให้เขามาทําร้ายเราเพิ่มมากขึ้นมันก็เป็นความคิดเห็นนั่นเองความจริงก็คือถ้าเราไป ทำร้ายเขาเราไมา้อาภัยเขามันก็น่นจะาจจะเป็นเรื่องใหญ่โต ข, ขึ้นมาบาง ก, กว่าถ้าเราเฉยๆให้อาภัยเขาแต่เขายังมาทําร้ายเราอีกเราก็ต้องไฟลบไฟอะไรไปเพราะการทําร้ายกันมันไม่เล่นทาให้ดีขึ้นได้อย่างไรเวเนียวยังง้าด้วยการจองเวร เวียย่ำระงับด้วยการไม่จองเวรนึ่นก็ต้องศึกษาดูกรณีแต่ละกรณีว่าความเมตตาของเรานั้นจะทำให้เกิดโทษขึ้นมาหรือเปล่าถ้าเกิดโทษทั้งกับเขาหรือท่านกับเราก็ไม่ควรที่จะให้ความเมตตานั้นจัดดีต้องคิดแล้วคิดอีกใช่ั้มครับอาจารย์ ก่อนอที่จะตัดสินใจเอ่องั้นโยมขออนุญาตยกตัวอย่างหน่อยนะคะพระอาจารย์อย่างสมมุติว่าถ้ามีเราเห็นคนคนนี้ยเขามามองสร้อยข้อมูลของเราแบบเนี้ค่ะก็คือก็คงเข้าใจว่าเขาอยากจะได้แบบเนี้ยแล้วถ้าเกิดเราถอดส้อยข้อมูลของเราให้เขาไปแบบเนี้ค่ะพระอาจารย์อันนี้จะเป็นการส่งเสริมกิเด็ดความโลภของเขาไหมคะแล้ ว, วส่งเสริมไม่ได้เพราะเขาโลภเขาอยากได้ ก็ต้องถามวาม่าใช่ไหมก็เขต้องการไปทําอะไรมีเหตุผลอะไรหรือเปล่า oh. ใชไหถ้าบอกอยากได้ oh. เห็นคุญสัอยากจะได้อันนี้ก็ให้เข้าไปก็เป็นการกส่งเสริมกิเลสความอยากของเขาเดี๋ยวก็เห็นนาฬิกาก็ขออย่างเงี่ย oh. มันจะไม่อยู่ที่ซรอเอยเ่าเดียวเดี๋ยวพอได้ได้มากก็ยิ่งจะได้คือพุทยาขอเป็นสองเลย ได้คือได้วาได้สองก็จะได้เอาวานี่คือธรรมชาติของความโลูกองทีเราก็ต้องปฏิเสธไปจะได้ตัดจะได้ยุติถ้าเขามาขออะไรเราบอกไม่มีไม่ให้ปั๊บเขาก็จะไม่กลับมาขอเราอีกมันก็จบอย่างปกติก็ไม่คนที่สนับสนุนให้คนขอ แต่ก็สามารถพูดแบบที่ไม่ขอได้โอ้ยสอยสวยเลือเกินนะถ้าเราได้ใส่บ้างรู้จะจะเป็นยังไงอย่างนี้เไม่ขอเ <c oughs> ขาไม่เขาไม่มาขอเราเขาไม่มาโทษกนเราเขาไม่มาบังบังคับเราเราต้องให้เขาแต่ เ, เรคิดว่ า, เ, าเราก็มีหลายเส้นถยย้าอยากได้ก็แบ่งก็สักเส้น น, ะนี้ก็แต่ว่าเป็นกิเลสมันก็ มันก็เป็นทิเล ข, ของเขาแต่มันก็เป็นธรรมของกับเราเราก็แบ่งปันกันไปให้เขามีความสุขบ้างาพระอาจารย์เรื่องแบบนี้ถ้าถ้ามาแนวนี้โยมไม่ค่อยเท่าไหร่าพระอาจารย์ก็คือว่าอาจจะให้ไปไม่คิดอะไรมากอาจจะไม่มีความพอใจเกิดขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าเข า, เ อ, าอย่างการใช้ทางสาธารณะแบบนี้นะคนะาพระอาจารย์ ถ้าเขาเ อ, าอาย่างขี่จักรยานอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์มันเป็นเล็งของใครของมันใช่ไหมคะแล้วถ้าขี่แบบขี่เกินขี่สวนมาแล้วขี่ล้ำเข้ามาในในทางของเราแบบนี้ค่ะพระอาจารย์อันนี้โยมจะโกรธจะไม่พอใจว่าเอ๊ะทาไมเห็นกระตัวจังเลยแบบนี้ค่ะพระอาจารย์อันนี้โยมควรจะเลี่ยงให้เขาไหมคะพระอาจารย์คือทางเราก็แคบอยู่แล้วอะแต่เขาขี่มาคือถ้าถ้าโยมไม่เลี่ยงไม่หลบแบบคือชนแน่นอนนะคะพระอาจารย์ ก็เลี่ยงไว้ดีกว่าแล้วไปช่วยเัินทาไมไปจัดตัวทำไมโยพระาจารย์เคยโยมาเคยเลี่ยงแล้วคือเลี่ยงแล้วคือมันมีกรณีที่เลี่ยงแต่ไมเลี้โยมเคยทํำมาสองอย่างแล้วนะคะพระอาจารย์เดี๋ยวโยมจะเล่าไปฟังคือว่าโยมเคยเลี่ยงแล้วคือตัวโยมอะพอเลี่ยงผ่านไปนปุ๊บอะผ่านไปสามวิหืมกูไม่น่าไม่น่ายอมมันเลยพระอาจารย์โยมคิดเลยคือว่ากิริยาของโยมมันมันยอ ม, ยอมใจใจอะ่ะมันยังมันไม่ยอมเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนนั้นนะคะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือว่า อ้าช น, ชนก็ชนเจ้าข่าพระอาจารย์ก็เลยแบบเอาว่าอ่ะถ้าชนมาจะชนปะสุดท้ายเขาก็เขาก็เลี่ยงหลบไปอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์อันนี้มันก็มีมีหลายครั้งที่เกิดขึ้นค่ะพระอาจารย์แต่โยมก็มาคิดอีอกทีนึงว่ามันคงจะเป็นเป็นโทษะของโยมด้วยเป็นมารนาของโยมด้วยค่ะพระอาจารย์เพราะถ้าเกิดว่าเป็นรถสี่ล้อมันพุ่งเข้ามาทางที่โยมกําลังขี่จักรยานอยู่โยมก็คงว่าเชิญเลยจ้าเชิญเลี่ยงให้เธอเองเพราะก็คงกลัวตายนะค่ะพระอาจารย์ ก็ไม่ดีหรอกการที่จะไปมีเรื่องมีราวกับใครว่าจะพูดโดยวาจาหรือด้วยการกระทำก็มันถือว่าเป็นการจังเวนเจ้ากรกันค่ะก็ต้องให้อภัยดีกว่าทำไมถ้ามาโลกยอนว่าเราอยู่ในเราอยู่ในโลกมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นเพอร์เฟคหรอกมันมีหนักร้าย ันที่เขาลบ ก, กดก็มีคนไม่เขาลบ ก, กดก็มีใช่ค่ะอถ้ามาแบบแนวขอของไม่ค่อยเท่าไหร่โยมก็โอเคให้ไปไม่มีปัญหาแต่ถ้ามาเป็นแนวแบบเนี้ยเป็นแนวแบบของใช้สาธารณะแบบเนี้ยต้องแบบต้องเห็นใจกันแบบนี้มันไม่รู้เป็นอะไระคะ่ะอาจารย์โยมจะไม่ค่อยยอมเท่าไหร่อะคะ่ะใช่ก็ต้องมองความจริงวนะ่าต้องมีคนอย่างเนี้จะทํายังไงเหมือนฝนดินฟ้าอากาศฝนมันก็ลงทีก็ตกลงทีมันก็ไม่ตก เจะไม่ให้มันทุอย่างเป็นไปตามกฎกติกาไม่ได้หรอกเพราะคนในโลกนี้มันไม่มันไม่เหมือนกันทุกคนก็แปลกที่ว่าถ้าเป็นรถใหญ่บิ่งเข้ามาแบบนี้โยมผีจากยานโยมก็คงหลบไปเขาอ๋อเนะี่ยมันก็มันรู้เยอะไม่ดอกก็เจ็บตัวแล้วตายเยอะเลยบอกว่าถ้าเป็นจกักรยานยังสูสีค่ะ<ม>อาจารเราเองกู่ต่อส<ถ>ู้ของเราไมนสูสีก็พอแบบเอาวะเอาแต่ถ้าเป็นรถใหญ่โยงก็คง เชิเลยค่ะโก็เจ็บไปแต่เป็นเราอยากยมยังไม่อยากอันนี้ค่ะพระสารทุกคุลภาพก่อนไว้อันควรก็ไม่ดีไปทาร้ายเขาก็ไม่ดีไม่เมตตาแต่ไม่เขาจะผิดยังไงถ้าหลีกเลี่ยงการทำร้ายกันนั่นจะดีกว่ามันต้องหลบใช่ไหมคะพระสารแต่ใจมันไม่ยมจะค่ะพระสารคือมันหลบคือกิริยาเคยหลบไปแล้วบ้าง แต่ใจมันไม่ยอมไม่น่าทำเลยเดี๋ยวเขาจะเสียงนิสัยไปทำคนอื่นอีกแบบนี้ค่ะพระอาจารย์เป็นเกของเราเป็นอาจารย์ตัวตัวหนึ่องเราอืเจ้าค่ะแต่ถ้าทำบ่อยๆต่อไปมันจะยอมของมันเองใช่ไหมคะพระอาจารย์ตอนแรกใจมันไม่ยอมก่อนต่อไปมันอาจจะยอมเองต่อไปเลยแม่ต้องฝึกทำบ่อย แต่เป็นเฉพาะใบรุ่นนะคะพระอาจารย์ถ้าเป็นคนคนชลาคนอายุมากๆแบบเนี้ยขี่แบบขี่เกินเลยเรามาปุ๊บโยมไม่ค่อยมีปัญหาค่ะพระอาจารย์หรือถ้าเป็นเด็กโยมก็ไม่ถือสาถ้าเป็นพวกใบลุกนี่ไม่รู้เป็นอะไรจะแบบค่ะพระอาจารย์จะจ้จะเกิดโธสัมโธสะมันก็ความเกียจชังของเรามันก็ไม่ดีหรอกมันก็ทําให้ใจเราไม่สบาย ทำให้ใจเราทุ่งปเปล่าๆถ้าหลบได้หลบไปหลงได้หลงไปถ้าใจามันเสื่ยุ่สัยมันหลบไม่ได้เลงไม่ได้ก็ก็เป็นเรื่องของเสื่อยุ่งสัยแต่ไม่มีเจตนาที่จะไปทําร้ายกันก็ที่ไม่หลบเพราะว่าดูซิใครจะแน่กว่ากันนะคะ่ะถ้าแน่เดี๋ยก็ไปโรงพยาบาลด้วยกันทั้งคู่มันน่ะมันคุ้มค่าเ่า พราจารย์ <Okay. S 1> แตถ้าเป็นคนแก่ถ้าเป็นคนแก่กับเด็กยมหลบไม่หมดเลยนะคะพระอาจารย์ถ้เป็นวัยรุ่นนี่เห็าทำไมต้องไปอาเอาวัยรุ่ น, ขนเขาน่าหละเพราะว่ามันต้องเพราะว่าอาจจะว่าเขาแบบเด็กๆคือเขาไม่รู้ภาษีภาษาอย่างเงี้ยพระอาจารย์หรือว่าคนแก่แล้วก็ เ, ออเขาสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วละอะไรแบบเนี้พระอาจารย์ก็เ็แบบอาจจะมีความสงสารเข้ามานะคะพระอาจารย์เ <c oughs> ห็นอกเห็นใจก็เลย <c oughs> ยอมให้นะคะถ้าเป็นวัยรุ่นนี่คือแบบยังยังสุขภาพยข็งแรงอย่างอะไรก็ อย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันมันคือใจโยมมัสร้างเงื่อนไขขึ้นามาเองอะค่ะพระอาจารย์ที่จะไม่ยอมนะคะใช่ต้องได้เสียงผลผลนิยตามมาถ้าไม่ยอมแลนะมันก็จะเป็นยังไงเหมือนกันต้องมีเรื่องมี ร, งมราวเจ็บเนื้อเจ็บตัวกั น, นแล้วก็อาจจะมาจองเวลรอาจจะตามมาแกแล้งเราในวันหนังก็ได้ เราไม่รู้หอรอกว่าถ้าทำให้เราโกรธนะก็จะจองเวรจองกรรมเราต่อไปก็ได้อาจจะมาดูว่าเราอยู่ที่ไหนบ้านที่ไหนอือนี้เราจะมาเวลาที่เราเพ่งอาจจะเข้ามาทำลายเราก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีไม่มีปัญหาเขาหลนยคนก็ต่างแยกกันไปเขาก็าไปทำเขาอย่าสร้างเวรอันนี้สุด ถ้าเป็นเรื่องโทรสาพนี่ยอมยอมดีกว่านะคะพระอาจารย์อย่มากเพราะมันอันตรายมากเราไม่รู้ไม่รู้จิตใจคนว่ายัางไงเขาจะเขาจะฆ่าเราแล<ป>้วมาแล้วมามันมีโยมเคยฟังมิธานะครับพระอาจารย์เรื่องเรื่องบัวสีขาวกับบัวสีดําที่ว่าบัวสีขาวถูกถูกลิงมาแกลนะครับแต่อันนี้คือโยมก็เล่าให้เจ้าตะวันฟังนะคะคือเป็นเหมือนกับว่าเป็นคติธรรมนะคะ ว่าวัวสีขาวถูกลิงมาแกล้งดึงหูดึงหางอะไรแบบนี้ทีนี้สัตว์ป่าตัวอื่นเขาก็มาอามาพูดว่าทําไมวัวถึงไม่จัดการเจ้าลิงหละ่ะเพราะว่ามาแกล้งขนาดนี้ต้องจัดการซะหน่อยแบบเนี้ค่ะเจ้าวัวสีขาวก็บอกว่าอ๋อไม่ต้องหรอกเพราะว่าถ้าถ้าเจ้าลิงยังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่เกเรย อ, ยอยู่อ่ะเดี๋ยวต่อไปในอนาคตเขาก็ต้องเจอคนที่มาสังสรรค์เขาเองนะคะพระอาจารย์แล้วก็เป็นจริงตามนั้นนะคะพระอาจารย์ พอไปแก้งวัวตัวอื่นก็โดยโดนวัวตัวอื่นออกขอบเสียบนะคะอาจารย์เราไม่ต้องไปทําอะไรเลยจ้ะอาจารย์ยังมีคนที่เขาทนไม่ไหวเขาก็จะโยตนตะลับโยนวัดโยมขอเป็นคนเสียสลัที่จัดการแทนเราเลิกิโยมไม่เอาแล้วครับตัวได้คิดทำเนาะทำํทำร้ายเขาได้แล้วไม่คิดแต่ว่าถ้าเขาจะทําร้ายเราบ้างเนี่ยเป็นยังไงครัอาจารย์อืม ฉะนั้นอย่าไปมีเวรมีกรรมกันดีที่สุดค่ะใจเนะี่ยะพระอาจารย์มีอะไรไหมไม่มีแล้วจะค่ะพระอาจารย์ขอพร ะ, <Okay. S 1> ค, ระคุณมาจ้ะยั ง, ะพงพีนังพีใช่ไหมยองพีแล้ว ม, มาสักการค่ะค่ะ ไหนไปไหรไหนมาหลอาทิตย์เนี่อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเราไม่ได้เข้ามาอาทิตย์ที่แล้วทํางานอา๋ออาทิตย์ที่แล้วทํางานใกล้จะสอบแล้วอาทิตย์หน้าก็สอบแล้วเดี๋ยวก็ปิดเทอมแล้วค่ะ อ, ะาอะงานเยอะงานเยอะอะไรงานเยอะค่ะอันนี้มีคําถามอะไรไหมไม่มีครับหน่อเข้ามากับหลองตาค่ะ เข้ามากลับเ ข, ข้ามากับหลังตะอืมแล้วก็อืมแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะเข้านอนแล้วค่ะอ่าวันนี้เราไปโงเรียนต่อใช่ไหมใช่ครับเป็นกี่โมงตอนเช้าตื่นหกโมงหกโมงตีห้าตีห้าห <5 S 1> ้าสิบตีห้าห้าสิบนายกับปุกปีห้าห้าสิบตื่นหกนโมงคะ่ะ <laughs> ก็ดีเตือนเองแล้วว่าต้องให้กันแน่มาตามอย่างดีก็ถ้าถ้ามีถ้าคือวันไหนถ้าจะบอกไปตักบาตก็จะกระเด้งขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเลยค่ะอถ้าไปโรงเรียนก็ยังแบบอิดออดนิดนึงหน่วงงนอนแต่เขาก็อยากไปโรงเรียนค่ะพอแต่เขาก็ยังแบบว่าคือถ้าเกิดว่าถ้าวันไหนจะไปทําบุญเนี่คือไม่ต้องพูดเยอะเลยน้องพี่ตืมไปตักบาตลูก กระเด้งทันทีเพราะเมื่อวันเมื่อวันอาทิตย์นะคะพอดีเมื่อวันเสาร์พอดีน้องเฟิร์นมากรุงเทพหนูก็เลยฝากเงินน้องเฟิร์นให้รบกวนน้องเขาเอซื้อสเต็กปลาแซลมอนมาตักบาทหลวงพ่อเมื่อวันอาทิตย์นี้เจ้าค่ะออ่าาจน้องเขาบอกว่าน้องพีพีหมดอย่าลวงพ่อจะไม่ได้น้องพีพีไหน พอหลวงพิพูดตอนนั้ในช่วงนั้นเนื่องไม่ออกเป็นใครมันมีหลายคนด้วยกันใช่ค่ะใช่แต่หลวงพ่อจําเฟิร์นได้ไหมคะจออ <ผม S 1> ําน้องได้<ล>อันนี้ก็จําไม่ได้นะแต่ถ้าเจอหน้านก็อาจจะจําได้เรื่องไม่ออกเป็นใครก็ส่วนใหญ่จะรู้จักหน้าแต่ไรู้จักชื่ออ่ะน้องเขาผมสั้นอืมผมสั้นใส่แมสก์ชอบใส่เสือ้อเแขนสั้นสีขาว เขาก็จะเล่าให้ฟังบ่อยว่ามาตักบาตรหลวงพ่อแล้วก็ไปฟังธรรมวันพระบ้างวันเสาร์หรือวันอาทิตย์บ้างเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็จะเมตตากับน้องๆเขามาเล่าให้ฟังเขาก็มีความสุขมากเวลาไปฟังธรรมอะไรเงี้ยมันจะเรียกว่าผ่อนคลายอะค่ะส่วนหนูก็อยู่กรุงเทพก็ตาม YouTube เอาค่ะตาม YouTube ตามเฟ e b o o k ทุกวัน ก็ได้เหมือนกันก็เหมือนกับมาฟังเทปเดียกันออกมาก้านเดียวกันค่ะบางีนะคะอยู่แบบเงียบๆบางทีก็เปิดเปิดฟังบางทีลูกๆก็อยู่ด้วยบางทีแบบลูกคนโตเข้ามาบ้างก็นั่งฟังกันแล้วก็มาสองสามอาทิตย์ก่อนนะแฟนของลูกชายเขเข้ามาเข้ามาเข้ามาที่อ่อซูมวันอังคารนะคะ อืเป็นภาษาอังกฤษใช่ค่ะใช่เป็นต่างชาติเลยค่ะคะอืออลิซาอ่าเมื่อเขาเข้ามาแต่เขาไม่ได้ถามอะไรใ ช, ไใช่ค่ะเขาก็เข้ามาศึกษาค่ะศึกษาแล้วก็ฟังแล้วเขาก็บอกว่าคือวันที่เขากลับมาก็ข้ามืดเนอะเหนื่อยค่ะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาก็ตามพระจารย์แล้วเขาก็จะแบบฟังย้อนหลังไงค่ะฟังย้อนหลังก็แนะนำก็ดี เขาสื่อะพี่เขากประโทีเกี่ยวกับพราะยังไม่เข้าใจก็ต้องให้เขาฟังไปเรื่อยๆก็จะได้ซึมซับเพราะว่าเขาก็พยายามก็เรียนรู้ภาษาไทยบ้างพยายามจะแบบพูดภาษาไทยนิดๆหน่อยๆอย่างนี้ค่ะแล้วเป็นชาวอะไรนั่งเรีนมาแล้วเป็นคนฝรั่งเศสเจ้าค่ะฝรั่งเศสอ่าใช่ค่ะอืม ก็มีเป็นอามือถือมาแต่เขาก็ไม่หนูจริงหนูก็ไม่กล้าบอกหลวงพ่อเดี๋ยวกลัวเขาจะอายกลัวกลัวเขาจะอายเลยหลวงพ่อถามหนูก็บอกว่าบอกบอกหลวงพ่อไปได้ว่าเนี่ยพี่เป็นพี่เป็นแฟนพี่ชายของน้งพีหลวงพ่อท่านจะได้รู้อเขาก็ไม่กล้ายังไม่กล้าพูดก็เขาก็บอกเขาก็จะไลน์มาหาหนูแล้วก็จะบอกว่าเอวันนี้เขาจะฟังนะอะไรอย่างเงี้ยวันวันละครอะานอย่างเงีง้ยค่ะเขาจะฟัง แต่เขาอาจจะไม่ได้เข้าไปเพราะว่ากลับมาก็โหทุ่มครึ่งกว่าเกือบสองทุ่มนี้ค่ะก็เตรียมตัวไม่ทัน mm hmm. รถติดค่ะที่ทำงานแค่เจ็ดกิโลกว่าจะกลับกว่าจะกลับมาใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยค่ะกว่าจะถึง mm hmm. เดี๋ยวอาลูปอาูน้องน้องเฟิร์นให้ดูค่ะ หลวงพ่อมีคนมาเฝ้าหลวงพ่อเยอะมากราบหลวงพ่อเยอะหลว ง, งพ่อจะจำไม่ได้แล้วบางทีเขาก็ใส่แมสด้วยยิงย่งยิ่งไม่รู้ใหญ่นะเป็นใครใช่ค่ะใช่อันนี้ผมปิดหน้าพอจำได้ไหมคะ เขามักจะมาคนเดียวใช่ไหมค่ะขับมาคนเดียวอยู่พัทยาใช่ไหมใช่ค่ะอยู่พัทยาใช่ค่ะจำได้แล้วจำได้แล้วนะคะน้องนนี้ค่ะน้องเนใช่ใช่ค่ะชื่อน้องเฟิร์นหนูฝากฝากคอยเจะใส่แม่ใช่ใช่ค่ะน้องเขามีความสุขมากไปตักบาตรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเล่าให้ฟังหนูก็เลยบอกโอ้อันนี้หน้าจริงๆของน้อง หลวงพ่อจะเห็นนอเขาจะบอกว่าต้องไปหาหลวงป้อไปบ่อยเดี๋ยวลงเดี๋ยวพระอาจารย์น้องเขาจะเรียกว่าพระอาจารย์กลัวพระอาจารย์จําจําไม่ได้อืมแล้ว น, น, นี่เขาใส่บาตใช่ไหยใช่ค่ะใช่ค่ะเขาจะใส่บาตรทุกอาทิตค่ะอืมแล้วก็ไปฟังธรรมทุกอาทิตอ่นานดีหลวงพ่อจำได้ใช่ไหมรู้จักการจำได้รู้จักกันที่ไหนะ อ๋อหนูรู้จักน้องเขาที่พัทยาตั้งเกือบยี่สิบปีแล้วค่ะหลวอจักกันมานานแล้วเนี่ยใช่ตั้งแต่น้องพียังไม่เกิดเลยค่ะรู้จักตั้งแต่ตั้งแต่น้องลูกชายคนโตเพิ่งจะแค่สิบขวบเองนะคะสิบกว่าขวบเองค่ะจักกันมานานก็สนิทกันค่ะก็เลยแนะนำกันไปมาว่าเนี่ยอยู่ใกล้พัทยาก็เนี่ยมีหลวงพ่อสุชาติ อยู่ตรงนี้พอเข้าไปเขาก็รู้สึกสัมผัสหนูไปกับแฟนก็สัมผัสมากเลยค่ะคือรู้เลยว่าที่ที่ไปปฏิบัติกับตอนที่ไปตักบาศเนี่ยเหมือนแบบอปัตเขาเรียกว่าอะไรอบติกะเยอะมากคือขนลุกตลอดเวลาเข้าไปหาหลวงป่อเนี้ยค่ะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวน้องพี่ปิดเทอมอะค่ะก็จะหาเวลาไปกรบหลวงพ่อค่ะอ่ะาจันดี๋วกรมานะ ค่ะคิดถึงคนนี้คิดถึงนเนงมือไม่มีอะไรถามก็ขอเข้ามากราบหลวงพ่อโอเคฉัน okay. เอาชั้นี้ก่อนนะคนอื่นก็รออยู่นะค่ะครับแล้วนะค่ะปล่อยหลวงพ่อถ้าขานแข็งแรงเจ้าคะ่ะครับคุณหมอพี่เชนเชินกราบน้ำประปราาการพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์อธิ บ, บาย ทุกในกายประทุกในจิตครับอาจารย์ทุกในกายก็เวลาเจ็บเท่าเนี่ยมันก็ทุกในกายแต่พอทุกทุกในกายแล้วจิตทุกในจิตจิตก็ไปวิตกไปกังวลไปหวาดกลัวอือันนี้ก็เป็นทุกในทุกในใจอก็จากดีเลร์ก็จากความอยากอยางไม่เจ็บอยางไม่ตาย อเกิดทุกข์ทางร่างกายของที่ก็เกิดความกลัวขึ้นมากลัวจะเป็นหนักกลัวจะตายอันนี้เป็นทุกข์ในใจทุกข์ในใจนี่เราดับได้แก้ได้ถ้าเราปฏิบัติทำมีสติเวลาเราปกิดความทุกข์ในใจถ้าเรามีเพียนแต่สนมีสติแล้วก็ใช้สติย้ำยันเหมือนได้ชั่วคราว ก็ เ, เกิดความทุกข์ในใจไม่สบายใจก็พุโทโธพุโทโธเข้าสมาธิไป <c oughs> แต่พอออกจากสมาธินามพอามาเจอทุกข์ในกายมันก็ยังก็ยังกลัวอยู่เหมือนเดิมถ้าอยากจะทําให้หายกลัวไปเลยไม่ทุกข์เลยก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าร่างกายเป็นอย่างนี้ร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาต้องเกิดับ ทุกหน้ากายเราเป็นใจเราไม่ได้เป็นหน้ากายเราก็ดูแลมันไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้มันจะตายก็ต้องยอมยอมให้มันตายไปเพราะมันเป็นอนิจจังไม่ใช้าก็เรวมันจะต้องตายหน้ากายของคนทุกคนอพอเราสารใจให้ยอมรับความจริงเห็นความจริงได้มันก็จะหายกลัวอันนี้ก็จะถึงแม้ว่าจะไม่ไม่ต้องเข้าสมาธิมันจะอยู่ จะรับสัมผัสรับรู้กับความเจ็บของร่างกายให้ก็ตามใจจะเฉยเฉยนี่ก็คือวิธีแก้ด้วยปัญญาแต่การจะแก้ด้วยปัญญานี้ต้องสามารถแก้ด้วยสมาธิได้ก่อนเพราะถ้าไม่มีสมาธิในใจจะไม่มีกำลังที่จะรับความจริงได้มันจะตะ่อที่เลนมันจะไม่ยอ ม, มวิภวตหาความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้มันจะ มันจะไม่มันไม่มันไม่มันไม่ยอมไม่หยุดเนี่ยแต่ถ้าเรามีสมาธิอุเบคาเราหยุดได้ตัวนี้ได้ตัวอืงนั้นเบื้องต้นถ้าเรายังใช้ปัญญายังไม่มีสมาธิใช้สติใช้วิธีของสมาธิสู้กับมันไปก่อนไม่มีสมาธิก็ฝึกสมาธิให้มากนึกสติบ่อยๆมาหยุดความคิดนั่งสมาธิ ถ้ายุดคิดได้ใจใจก็ยจะนิ่งสงบมันอันิ่งสงบแล้วมันก็จะไม่มีความรู้สึกอะไรกับร่างกายร่างกายจะเจ็บจะไม่เจ็บก็ไม่เดือดร้อนพอไม่เดือดร้อนด้วยสมาธิได้ที่นี่ก็ใช้ปัญญาสอนวเวลาออกมาเจอความเจ็บก็ห้ายามรับความจริงว่าร่างกายมันจะต้องเจ็บเป็นธรรมดา มันเป็นอนนาตาเราห้ามันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ไม่ให้ตัวเราของเราถ้ามันเจ็บต้องไม่มีเหตุนีปัจจัยที่ทำให้มันเจ็บบางทแล้วก็รักษาได้เรอก็รักษาไปรับษาไม่ได้เ้าก็ต้องอยู่กับมันไ้อย่าไปอยากให้มันหายถ้ามันไม่หายอย่าไปอยากให้มันหายมันจะทำให้เราเครียดพอนั่งไ่ะ ถ้ยอมรับความจริงของความเจ็บของร่างกายว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของร่างกายที่ต้องเป็นร่างกายมันเป็นไปรักมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีสามวันดีสี่วันไข้อนันตาเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เม่มันเป็นเราก็ต้องทำใจทำใจเฉยๆยอมรับมันไป อ้าเราไ ม, มีความอยากให้มันหายเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เครียด น, น, นี่คือความทุกข์กายกทุกข์ใจเราจเกิดขึ้นพร้มอมๆกันสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยปฏิบัติธรรมแต่ถ้าผู้ที่ได้ปฏิบัติธรรมได้ฝึกได้สอนใจให้ปล่อยวางร่างกายได้ต่อไปเวลาเกิดความทุกข์กายใจก็เฉยๆเห็นเหมือนหยดหน้ํา ม, มันใบบัว ความทุกข์ความทุกข์กายมันจะไม่ซึมซาบเข้าไปในใ จ, จไม่ยังไม่จะไม่ไปสร้างความทุกข์ใจให้เกิดขึ้นใจก็อยู่กับความทุกข์ของร่าง ก, กายได้อ้าถ้ า, ถายังระงับความทุกข์ทงใจไม่ได้บางทีก็ทนไม่ไหวบางทีก็คิดฆ่าตัวตายกันก็นี่ เราทนกความทุกขามันใจไม่ได้ไม่ใช่ท่ากับทุกของร่างกายไม่ได้ตัวทุกของร่างกายมันไม่นน ท, ทุกของทางถ้าเราทนับความทุกข์ทางใจได้ความทุกข์ทางร่างกายให้ยึบจ้อยอยู่กับมันได้นันมันได้ยังต้องฝึกสติฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกปัญญาสอนใจให้ ให่อย่างที่สอนเด็กจารยเจัดที่ว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาตานไปเรื่อยเรื่อยเวลาเกิดความเจ็บความตายขึ้นมาจะได้ไม่ทุกข์ถ้ายอมรับได้ถ้ามีสมาธิก็จะรับได้ถ้ายังไม่รับไม่ได้ก็แสงว่าสมาธิยังมีกำลังไม่พอก็เราฝึกสมาธิให้มากขึ้นก่อนถ้าต่อไปความทุกข์ใจก็จะไม่มี เกี่ยวกับร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็จะไม่มาทําให้ใจทุกข์อีกตอ่อไปพวกเราควจะฝึกกันนะว่าทุกาาทางการาทุกคนจะต้องเจอความเ จ, จ็บเจอความตายกันทุกคนอันจะต้องผ่าตัดเป็นมะเร็งต้องไปฉายแสงต้องไปทำเคมีบำบัดอะไรนี่มันจะเจ้าเป็นโรคตายมายต้องไปฟอกไต เรามีธรรมะมีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็ใจเราก็จะไม่ทุกข์ไม่ทรมานหรืออาจจะไม่รักษาเลยก็ได้ไปล่อยให้มันเกี่ยวให้มันตายไปรักษามันก็ทรมานไปเปล่าอถ้โลกของโลกรักษาก็ไม่หายม่นจะรักษาแล้วไปทำไมไปประวิงเวลาไปยึดไปยื้อมันทําไมก็ไม่ทำไปรักษามันอีก มันก็จะตายเล็วหน่อยมันก็ยัยท ร, รมานทางกายทุกทางกายอยไม่อยาวไม่ยืนถึงแม้ว่าทุกทั้งใจ ย, ยังไม่มีก็ตามแต่บางทีมันก็มันก็ไม่ต้อจะอยู่กับความทุกข์ทางกายเปไ็นยังไงทาอะไรก็ทําไม่ได้แล้วบางคนเขก็ไม่รักษาเงินเดียวก็ไปนั้นเป็นไปไม่ต้องไปวุ่นวายกับการรักษา ถ้าคนมีมีสมาธิมีปัญญานี้ก็อาจจะทำใจนะหยุดหยุดหยุดการรักษาหมอบอกรักษาไม่หายไม่ดีขึ้นนี่ก็อย่าไปรักษาเลยเสียเวลาหมอเสียเสเสียหยกเสียยาเสียที่รักษาพยาบาลให้กับคนอื่นนี้ก็เอาไปนอนบ้านนี่ก ถ้าใจไม่ทุกข์มันก็ทําทําได้อย่างสบายนี่คือข้อสอบของวเราทุกค น, นเราจะสอบผ่านไหมเวลาร่างกายเจ็บเวลาร่างกายตายใจเราเฉยๆได้หรือเปล่าไม่เดือดร้อนได้หรือเปล่านี่แหละคือคำตอบของการปฏิบัติของเราต้องไม่เดือดร้อนอยับความทุกข์ทางร่างกาย ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะปล่อยวางน่าตายได้เราก็จะไม่ผลิตความทุกข์ทางใจและความอยากต่างๆเอาทุกข์ทางใจก็จากความอยากอยากให้ร่างกายหายอยากให้ร่างกายไม่ตายควารู้ว่าร่างกายจะต้องตายหัวมันทุกข์มากแต่ถ้ามีปัญญามี มีมีสมาธิก็หยุดความอยากไม่ตายที่น่ปล่อยมันตายไปแต่ไม่ต้องไปค่าตัวตา ย, ายปล่อยมันเฉยถ้ามันอยากจะตายถึงเวลามันจะตายก็ปล่อยมันตายไปใจมากขึ้นมากเลยาาเค ร, ร, รัออบ อ, อาจารย์ขอบคุณนะครับทุกครับไปที่อาจารย์พรมพิรายเชิญท่าน กับนักสการ์พอาจารย์ค่ะกับนัสการ์พอาจารย์ครับอออเป็นยังไงทุกใจไหมทุกใจไหยทุกใจไหมทุกใจไหมทุกใจไม่ทุกใจอาจารย์ก็โอเคครับอสุขภาพกายจะทุกข์ก็ทุกข์ไปนแต่ใจเราไม่น่าไปทุกข์กับมันอ่าได้นะครับเป็นสิทธิอาจารย์เนี่ยก็ฟังบางอาทิตย์หลายวันเพียงแต่ว่า ได้เห็นหน้าเฉพาะวันนี้อืมวันอื่นๆก็ผมได้เห็นหน้าพระอาจารย์ไม่กลับมาหน้าตายครับไม่สะดวกนะต้องมไม่ได้ก็ไม่มีอะไรขัดข้องครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เด็กๆไปแอฟริกากันหมดทั้งบ้านเหลืออยู่สองคนเราเราอยู่ตามภาษาตายายแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เข้าไม่ได้นะะทั้งบ้านไปอยู่ที่เทะเลทรายกันหมดอยู่ที่ อนามีเบ okay. ียค่ะเพราะอยู่ที Points> ่บ้านเราสบายกว่าเยอะแยะรุ่นจะดิ้นโรนใกันทําไมตอนนี้เดินตอนนี้เดินทางโดยทางยูทูบอย่างเดียวเราก็ดูตามพวกไปด้วยได้เลยค่ะรือเปิดดูก็เห็นละเหมือนเหมือนกันอแต่กีิเลสมันก็ต้องตามนะเด็กๆก็จะต้องเป็นอย่างนั้นสมัยก่อนเราก็ทํามาเยอะนะคะอืะกว่าจะมาค้นพบว่าอยู่เฉยๆบ้านก็ดีแล้วอืม อ อ, อยู่ที่ใช้ได้สบายกว่าเยอะไม่ต้องไปลําบากลาบนกับการเดินทางกับการหาที่อยู่ที่ที่กินกันก็ไม่ไหวที่อยายั่งยั้งจะทําอย่างนั้นยังมีความอย่ากอยูอย่คนป่วยบอกว่าให้ป่วยแล้วต้องขอไปคลายเครียดสักนิดนึงอะไรเงี้ยนะค ะ, ะแต่ก็ยังไม่ได้ไปไหนนะคะ เีความอยากเฉยอเคลียความอยากไปไม่ได้ไปอะไลเครียดายความเพี่ยด้วยการหยุดความอยากไปเคลียความเพี้ยมันก็หายไปโอเคนะค่ะค่ะสาธสวัสดีพระอาจารย์คุณหมอภาชนะกลับมาสจาริงค่ะพระอาจารย์ ก็ยังดีอยู่ค่ะพระอาจารย์ยังรู้สึกสนุกดีมากค่ะพระอ า, าอจารย์ก็รั บ, บได้หมดสถานที่สัปปายะอาหารสับปุคคลสัปปายะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะพระอาจารย์อือ่าสัปายะเข้าใจแต่แต่ว่าจริงๆของตัวเองตอนที่ไปเลยวัดก็รู้สึกว่ารับได้หมดนะพระอาจารย์มันไม่มีท้องเสียคือเขากินน้อยค่ <laughs> ะปกติกินน้อยตอนแรกๆอาจจะอาจจะแบบแปลกๆหน่อยพวกอาหารพวก ป, าปาลาปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ บุคคลสัพเพยะก็เข้าใจนะอาจารย์แต่ว่าเราอยู่บ้านอ่ะมันก็สัพปพยะบุคคลก็พอดีบ้านก็มีแค่สองคนรูปเขาทางานหมดะของคุณพ่อก็ไปไปเฝ้าบางวันเฉยๆครับอาจารย์ปฏิบัติบุคคลก็ไม่ขัดขวางไม่ไม่เป็นปัญหาการปฏิบัติก็ถือว่าเป็นสัพเพยะเยานบุคคลที่สนับสนุนด้วยยิ่งดี แล้วพยายามทำด้วยค่ะพอาจารย์กำลังพยายามเริ่มไต่เต้า<ม>เหมือนกันกำลังวันศาสีนแปเริ่มไต่เต้าก็มันต้องทำ<ม>เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นกิจลักษณะมันถึงจะได้ผ ล, เ, ลเป็นวันพานี่เอาสักวันหนึ่งหนึ่งวันกันหนึ่งคืนเอาแต่สติอย่างเดียวเนี่ยตั้งแต่ตื่นจนหลับดูเนี่ยรับประกันได้ถ้าเอาจริงๆเดี๋ยวมันก็ได้ผลเอง มนั่งสมาธิแค่วันละครึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีนี่ฝันไม่ได้มันมันเวรไม่ยาวพอเครื่องมันขึ้นไม่ได้เครื่องบจะขึ้นได้มันต้องมันเวายาวใช่ไหมใช่เหมืนที่พระอาจารย์บอกว่าทําตามที่ผู้อาจารย์บอกตั้งแต่ไปที่เขาชิโอนทีหนึ่งสาวันห้าวันเจ็ดวันแล้วไปสารน้อยหนึ่งเดือนคือมันเข้าใจเลยว่าอาจารย์มันรักษาความสงบไม่ได้แล้วมันก็แบบมีกําลังใจอยากแล้วเนี่ยพอในปัญชิกอะค่ะก็รู้สึก มันช่วยเยอะมากเลยค่ะพระอาจารย์ก็ก็ช่วยค่ะพระอาจารย์เรื่องเรื่องหัวใจแต่ก็ก็ไม่ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้อย่างอะไรนะพระอาจารย์ก็รู้สึกว่ามันสงบแล้วก็ค่อยๆปฏิบัติทําไปเรื่อยๆ mm. ก็ดูใจตัวเองตล <c oughs> อดเลยเต็มทําข้อสอบไว้ก็แล้วกันแก่เจ็บตายอืเตรียมตัวตลนะอดอันนี้ยอมรับได้พระอาจารย์แก่เจ็บตายไม่กลัวนั่งนั่งนั่งแล็กๆนั่งในสัญชิกตัวเล็กๆ ก็เป็นฝีเออเข้าใจที่หลวงปู่หลวงตามหาบัวพูดเออใช้ใช้เพราะมันนั่งนานๆแต่ตอนนี้โอเคแล้วพ่อาจาัก็หายแล้วเพราะนั่งกับพู่กระดานไม่ได้นั่งเบาะนะะนั่งพดานนั่งตั้งแต่แรกก็เป็นพนกระดานซึ่งหินอ่อนอะไรางนี้ที่บ้านไม่ไม่ได้ใช็เบาะโอเคนะค่ะเดี๋ยววันนี้ทาต่อนะคะในสัจจิกต่อจาสาธุเจ้ขอบคุณค่ะขอบคุณลูกตาเชิญจ้า นมัสการขับอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามค่ะโอเคงั้นเข้าไปที่ผลงานคงจะเหมือนกันผลงานก็คงไว่ามีคําถามอ่าการนรมัสการพระอาจารย์ไม่มีคําถามเจ้าค่ ะ, ะคุณเน่งอ่ะคุณเน่งมีอะไรไห <c oughs> มวันนี้ค่ะนรมัสการค่ะอาจารย์ก็ไม่ไม่มีคําถามเหมือนกันนะคะก็ปฏิบัติอยู่ตอนนี้ก็เพิ่มเวลานั่งสมาธิเป็นชั่วโมงหนึ่งนะคะอาจารย์ หลังจากสวดมนต์เจ้าค่ะแล้วก็สวดมนต์ก็ใช้วิธีคือแต่ก่อนจะเป็นคําบาลีตอนนี้โยมแบบพยายามอ่านแบบทบทวนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พออ่านยิ่งอ่านทบทวนอย่างเงี้ยบางทีประโยคง่ายๆพระอาจารย์มันกลับแบบนี่นทําไมแต่ก่อนเราไม่เข้าใจอย่างเงี้ยแบบปกติอ่านไปอ่ะพอการปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเอา้ามันก็คือเราอยากนี่กคือความอยากที่พระอาจารย์สอนมาตลอด เราก็สวดมาตลอดโอ้ยแบบว่ามันก็เข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอะค่ะพระอาจารย์อืยมก็ยังทบทวนทำเนี่ยค่ะอยู่ถ้าสวดภาษาไทยได้ยิง่งดีค่ะทบทวนภาษาไทยมันจะได้เข้าใจความหมายเจ้าค่ะอพอพ่อเจ้าค่ะรู้สึกว่าเข้าใจตรงนี้มากขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็มีอ่าวัน อาทิตก่อนนะคะมีปกติโยมนั่งสมาธิก็ไม่มีอะไรแต่ว่ามีวันหนึ่งมันมีอาการแบบตปลกๆค่ะพระอาจารย์คือคือเหมือนกับว่าพอเราเข้าสู่ความสงบแล้วอ่ะมันมันเหมือนกับว่าเป็นเหมือนแบบเป็นหมอกอะไรเงี้ยเป็นควันขาวๆอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็แบบเหมือนเราอยู่ในหมอกอะไรเงี้ยพอขาวๆสักพักมันก็มีอาการเหมือนเราขึ้นลิฟต์เร็วๆอ่ะสามชั้นอ่ะแบบตึ๊บตื๊บ๊โยมก็ตกใจเหมือนกันนะโยม อ, อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโยมก็เลย ออกจากสมาธิโยมก็คือกลับมาพูดโทรศัพท์โยมก็ออกจากสมาธิเลยเพราะว่าจริงๆโยมกลับไม่ได้แบบจะไปข้างนอกอยู่แล้วค่ะอาจารย์ก็เลยตั้งเวลาว่าคงแบบเนี่ยเที่ยงจะไปโยมก็เลยเปิดไม่ได้นั่งต่อค่ะนั่งอีสัพพา ก, ก็แต่ว่ามาอาการมันแปลกๆค่ะพระอาจารย์แต่ว่าพอหลังจากนั้นก็ปกติดีไม่มีอะไรแล้วค่ ะ, ะมันนั่งตอนนั้นมันเผยสติมันถ้ามีสติมันจะไม่มีอาการอะไรเกิดขึ้นมาเจ้าค่ะอืม มันต้องพยายามให้มีสติรู้อยู่ตลอดเวลาเจ้าค่ะแต่ถ้าอะไรเกิดก็รู้มันเกิดแล้วไม่ต้องไปกลัวมันมันเป็นตายรัทั้งหมดพิจ น, นาเป็นอนิจจาวไม่เที่ยงนนยแต่เราตาเราสั่งห้ามมันไม่ได้เจ้าค่ะเราถ้าเรารู้ทันเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่รู้ไม่ทันแล้วอาจจะทุกข์ขึ้นมาเจ้าค่ะพระอาจารย์มันแบบเดี๋ยวนี้พอพอมา มันมีอันหนึ่งที่พยายามคือพอเรามาศึกษาสติปัฏฐานใช่ไหมคะพระอาจารย์เหมือนโยมเวลานั่งอ่ะมันมีเวทนาใช่ไหมโยมบางทีโยมคิดว่าเออมันเนี่ยมันเกิดทุกขเวทนาเนี่ยมันเกิดทุกขเวทนาแล้วโยมแบบโยมไม่ทนไงสักพักโยมก็เปลี่ยนอิเลียบทะแทนที่จะทนอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ถูกต้องใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่เราไม่ปล่อยวางไม่ปลาราให้มันหายเราไปทําให้มันหายซึ่งตอนนี้พอจะทําได้แต่ต่อไปนางทีมัน ทำไม่ได้เราจะลำบากถ้ามันไปเป็นในท้องนี่ไเปลี่ยนระยะบทนยังไงเหมืนก็ไม่มันก็เจ็บอยู่นั่นเนอะเพาะ่ะแล้วเราสู้ฝึกวิธีสอนใจให้อยู่กับความเจ็บให้ได้ด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาดีกว่าอย่าไปขยับเปลี่ยนมันให้มันอยู่ไงั้นไปแล้วสอนใจให้รู้จักวิธีปฏิบัติกับความเจ็บนี้อีกหนึ่งทำใจให้นิ่งสงบก็ได้เป็นสมาธิมันก็จะไม่เจ็บ หร่อใช้หรือใช้บัญญาสอนใจว่าความเจ็บของร่างกายมันเป็นอย่างเนี้ยมันไปไปมามเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมหมือห้ามมันไม่ได้จะมาก็ต้องให้มันมาอย่งก็บมันไปให้ได้ไม่ต้องไปขยับไม่ต้องไปขยับให้มันหายไปเพราะตอนนี้เราความเจ็บแบบนี้มันเราขยับได้แต่มันเป็นเจ้ความเจ็บแบบขยับยังไงมันก็ไม่หาย จทำยังไงะคะพักหลังถ้ามันมีความเจ็บแบบนั้นนะ่ะยมก็จะใช้เหมือนกับว่าคิดว่ามันเป็นไตร ล, ล่ะคะ่ะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างี้ค่ะแล้วปล่อยวางได้ปะอยู่ก็มืนก <ละ S 3> ็แล้วแล้วแต่ค่ะบางทีความเจ็บมันแต่ว่ายมคิดว่าถ้าเกิดจะให้มันลดลงอะ่ะยมต้องพูดโทะค่ะ ม, ม, มันจามันนั่นแหละมันพูดโท ใช้สติเพื่อทำใจให้นิ่งมันก็จะลดความบางนี้เราไม่ต้องการเป็นว ด, ดความเจ็บทางร่างกายแล้วการล ด, ดความทรอมาของใจความวทุกข์ของใจที่เกิดจากความอยากและความเจ็บปัญหาให้ไปแล้วค่ะพอเราพุโทโธพุโทโธพุโทโธมันมันก็ทำให้ความอยากนีล ด, ดลงไปไม่สามารถทำให้ใจทุกข์ทรมานยได้จล้วค่ะ คือสำหรับโยมถ้าเกิดเวลาเกิดอาการพวกความเจ็บปวดเนี่ยโยมจะใช้พุโทโธอยู่แล้วแต่พอถ้าเกิดโยมจะข้ามเลยที่ว่ามาพิจนามองเห็นไตลักเนี่ยบางครั้งมันยังไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สามารถลดได้เหมือนพุโทโธพุโทโธลดได้เยอะกว่ามากเลยค่ะง่ายกว่าพุโทโธง่ายกว่าเนะค่ะแต่ถ้าถ้ปัญญาเห็นไตลักษณต้องเห็นอ น, นัตตาเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบงังคับไม่ได้ไม่อินฟ้าอากาศเนอะค่ะ ไม่มีคำถามแล้วค่ะพระอาจารย์กับข อ, อบอกเจ้าค่ะบวชผูก า, าราตขันแขงไรงเจ้าค่ขอบคุณเจ้าค่ะคยินดีอยู่ที่แคนซัสอเ a สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ลูกไม่มีคำถามค่ะก็เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์เดวิดฝากกราบค่ะท่านอาจารย์บอนซองเต้ ค, ค่ะอขอบคุณมากนะฝากขอบคุณไปด้วย ขอบพคุณท่านอาจารย์ปอย่างสูงค่ะท่านอาจารย์ไปที่คุณแปมต่อคุณแปมน้อมกราบในมันส ก, การพระอาจารย์เจ้าคุณอืม็นยังไงมีอะไรไหมคือได้ฟังเจติธรรมพูดถึงว่าไปทำปฏิบัติธรรมบนเขาชีโอนลูกอยากไปบ้างเจ้าค่ะลูกต้องทำยังไงเจ้าค่ะ เดี๋ยวติดต่อคุณหลาแล้วและคุณหลาจะให้ข้อมูลด้วยติดต่อช่องทางไหนลูกลูกติดต่อไม่เป็นเจ้าค่ะขอเป็นเบอร์โทรได้ในคุณหลาก็จะส่งแชทมาให้ในคอดูแชทกันแล้วกันในในในจอเนี้ยเจ้าค่ะ้างข้างหน้ามันจะมีแชทอยู่อันนี้คุณหลานเอาเนี้ยส่งแชทมาให้เจ้าค่ะ ด้าอาจจะไม่ีวิธีอื่นติดต่อกันเราก็ไม่รู้นะเรารอนดูเดี๋ยวเวาติดต่อได้ไเปิดแชทไปแล้วครับเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวหลาส่งไปให้ส่งเป็นไอดียไลน์ไปคุณเจ้า่ะโอเคก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นบ้านพักปฏิบัติธรรมหลังหนึ่งอยู่เดียวเดียวคนเดียวไม่ยุ่งกับใครอยู่ในป่าก็ ไม่มีกิจกรรมอะไรนอกจากปฏิบัติธรรมตามลําพังของเราคนเดียวอาหารก็มีแม่ครัวเขาสามารถจัดอาหารมาส่งให้ได้วันละวันละมือ้อถ้าเราต้องการที่จะอาหารไปแช่ในตู้เย็นแนละ้วมีเตามาโครเวฟ อ, อุ่นเองได้ก็เอาไปเองก็ได้เอาคนไปก็ไม่กินก็มีเอากินของง่ายๆเั้นกินนมกินอะไรไปไม่นำยุ่งยากหรืออุดอาหารไปในตัวด้วย อันนี้ก็แล้แต่แล้แตไ่ไปแบบไปแบบสามวันสองคืนได้ได้ใช่ไหมเจ้าคะได้ได้ต้องจองที่พักก่อนว่าอาจะมีค่าใช้จ่ายนะเพราะมัน ม, มันไม่ได้เป็นของวันมันต้องมีค่าใช้จ่ายเจ้าค่ะลุงอยากลองไปดูบ้างอลองไปดูก็ดีเหมือนกันจะได้ดูว่าเป็นยันยงไง มันมันมันที่เงียบสงบป่าที่บ้านเราที่วัดที่วัดนี่มันยังไม่สงบเท่ากับบนบนเขาเนี่ยมันมันอยู่ในอยู่ในนี่อยู่ในเขตของป่าไม้เขาอยู่ในที่ที่ที่ที่ที่ทำงานที่พักของป่าไม้แต่เขามีแยกเป็นโซนให้อยู่เงียบมีลินมีสัตว์อะไรให้สัมผันธ์รับรู้ด้วย อยากทดสอดขอดตัวด้วยค่ะเจ้าค่ะแล้วเดี๋ยวคุณคุณแอนเขจะให้ข้อมูลไปลูกขอไว้ก่อนค่ะตอนนี้ลูกอยู่ต่างจังหวัดถ้ากลับไปลูกจะติดต่อไปอีกครั้งหนึ่งเจ้าค่ะได้ได้มีอะไรไหมไม่มีเจ้าค่ะอ่าอย่างนั้ไปที่คุณแอนต่อคุณแอน ขอบคุณเจ้าอาจารย์เจ้าค่ะกลับมาสารหลวงพ่อค่ะเพิ่งกลับมาถึงญี่ปุ่นไม่กี่ชั่วโมงเองค่ะบิน ม, มาอย่างไรล่ะรอบนี้เพิ่งมาจากปารีสค่ ะ, ไ, ะไปรับไปรั บ, บนักกีฬาพาราลิมปิกของญี่ปุ่นค่ะเขาเพิ่งเพิ่งพาราลิมปิกหมดไปเมื่อวันเมื่อไม่กี่วันนี้เองค่ะเมาลํานะอุมไม่เานะ ม, มเาแต่ก็เยอะอยู่ค่ะก็เป็นเป็นพวกนักกีฬาวีลแชร์อะไรพวกนี้ค่ะ เกือบยี่สิบคนเหมือนกันแบบว่าหลายๆอย่างแบบหูนัวก็มีตาบอดก็มีอะไรเงี้ยค่ะอืมค่ะพยายามนะสู้ใจเขาใช่ค่ะมีมีคนที่เขาชนะด้วยค่ะแบบว่าได้เหรียญบลอน์เอ่อเหรียญนะเหรียญทองแดงกันมาสองคนแล้วเขาก็เลยเหมือนกับว่าได้รางวัลเขาก็เลยได้มานั่งเป็นบิสเนสคลาสอะไรเงี้ยก็เห็นแล้วก็ขึ้นนะคะเพราะเขาพวกนี้เขาดูแข็งแรงดูแบบว่า ช่วยเหลือตัวเองได้ดูไม่ไม่ดูเหมือนคนปกติเลยอะคะอ่ะเพียงแต่ว่านั่งนั่งรถเข็นเท่านั้นเองค่ะก็นี้ก็ไปรับกลับมาสิบสามสิบสี่ชั่วโมงมบินตรงเลยไม่ไม่ไม่แวะไม่แวะเลยะคะ่ะบินจริงๆมันไม่นานละคะ่ะหลวงพอ่อแต่ว่าสองสปีที่ผ่านมาที่มันมีมียูเครนเอาทะลอกใช่กับรัสเซียค่ะไงต้องอ้อม ใช่ค่ะอ๋อมันสองสมปีแล้วเนี่ยค่ะไม่ไหวเ <laughs> หนื่อยค่ะแต่ก็ดีค่ะก็ก็ชอบบินไประยะไกลแต่มันก็ได้นอนเยอะค่ะได้พักผ่อนบนเครื่องนะอะไรย่างเงี้ยครัมาครั้งนานี่มันตามลงนึกเลยมันย้อนลมรอบนี้เหมือนจะเหมือนจะไฟล์ทไทมนานกว่าปกติเพราะว่ามันเค็นเห็นเขาว่ามันลมมันลมมันต้านอยู่เหมือนกันค่ะออก็เลยดีดใช่ค่ะ <laughs> ขาก็เลยยาวเลย เกือบสิบสี่ชั่วโมงได้ปีกจะงอกแล้วคันไงไม่มีคำถามอะไรคะ่ะหลวงพ่อใ ห, หนูก็ก็ก็กยังพยายามปฏิบัติตา่ะหนูเป็นพวกพวกพัฒนาการชาา้าค่ะค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่เป็นไร่ะค่อยทำไปค่ะช้เล<โ>็ไม่สำคัญค่อยทำไปเรื่อยๆก็รู้แค่ว่าตอนนี้ก็คื อ, อนั่งนั่งสมาธิ อย่างที่ที่เคยบอกว่านั่งได้นานแล้วแรกๆมันก็คือไม่มีประสิทธิภาพใช่ไหมคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่านั่งได้นานแล้วก็สี่สิบนาทีสามสิบนาทีอะไรอย่างนี้ยค่ะนั่งได้ไม่มีปัญหาแต่แล้วก็รู้สึกว่าไม่ไม่ตัวโยกไม่สับสนงกไม่แบบมีสติอะค่ะนั่งตัวตรงได้ ร, รู้รู้ตัวแต่ว่าเข้าสมาธิอืมยังไม่ได้มันยังแค่มันเหมือน หนูก็ไม่รู้มันเป็นภาวะอะไรเพราะว่าไม่รู้มันปกติป่ะแต่ก็คือก็คือเห็นเห็นแสงเห็นนู่นเห็นนี่แต่ก็นั่งพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเงี้ยค่ะ<ม>แต่ว่ามันเหมือนจะสงบแต่มันก็เข้าไม่ได้สักที<ต>อะไรย่างเ ง, ง, งี้<ต>ยค่ะก็แตยังยังกําลังไม่มากพอพยายามฝึกสติต่อไปก็เลยตอนนี้ก็เลยพยายามนั่งต่อไปเรื่อยๆแต่ก็ดีขึ้นตรงที่ว่าตรงที่ว่าไม่นั่งแล้วรู้รู้สติตลอดเวลา<ม>ว่าเรานั่งเราไม่ได้สับสงกไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเอ่อเหมือนเหมือนง่วงเลยค่ะ ตั้งแบบ<น>ให้มันเป็นอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวไม่ไปสนใจกับอะไรเลยให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธ อ, อย่างเดียวก็ทาแบบที่หลวงพ่อแนะนํามาค่ะก็คือพอมันเริ่มจะหลุดก็พุโทโธเร็วขึ้นพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทธพอเริ่มดีขึ้นก็ช้าลงถูกไหมคะคือไม่เราไม่ต้องเร็วตลอดไม่ต้องชาตลอดได้ช้าเร็วได้ค่ะแต่ก็อยู่กับพุทโธอย่าไปสนใจกับอะไรเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าว่านั่งนั่งได นั่งได้ดีขึ้นนะคะไม่ไม่ใช่นั่งไปแบบเสียเวลาเปล่าแต่ยังเข้าสมาธิยากมากเลยคะ่ะเหมือนกแบบับพอจะเข้าจะเข้าแล้วมันก็ออกไปแหละ<อ>ค่ะมัต้องฝึก ส, สติไปเรื่อยๆช่วงช่วงเวลาที่เราทํางานทํำอะไรก็มีฝึกสติไปได้นี่ก็ใช้ใช้ตอนระหว่างทํางานก็ใช้ได้เพราะเขาเริ่มถ้าอยู่กับคนบางทีมันก็อย่างมันก็จะมีการหลุดโมโห คุยบางทีคุยไม่ถูกใจนั้นแต่ก็เอาว่าอพุทโธเมตตาเอาง่ายๆให้มันดึงตัวเองกลับมาโดยสรบางคนก็้ลยการบ่นด้าที่ไม่ดีดาวด้วยซ้หเลอยู่ที่นี่ยิ้มอย่างเดียวค่ะขอโทษอย่างเดียวเลยเน่ดีฝึกรดการอัตตาตัวตนว่าจะบอกให้ตัวเปนเมันเป็นแจ๋วผอกว่เป็นแจว ได้ค่ะที่นี่ที่นี่เขาสอ น, นก็สอนดีค่ะก็ก็ลดอัตราได้เยอะเวลาอยู่กับผู้โดยสารแต่ว่าบางทีมันก็ลดได้แค่ลดได้แค่ภายนอกนะคะภายในใจมันก็ยังแอบมันยังฮึมฮมอยู่แต่มันทําอะไรไม่ได้นะแต่ก็ <c oughs> แต่ก็ถือว่าได้ฝึกฝึกให้ใ ห, ห, ใ ห, ให้ให้มีความมอดทนค่ะให้ให้มีคันติให้ยอมคนอะไรเงี้ยแล้วก็ <c oughs> <ๆ S 2> คิดเอาไว้ว่าเขาเป็นเขาให้เงินเราก็าให้เงินเราก็<ๆ>มีคนเป็นเจ้านายเราก็เป็นเจ้<ๆ>เานายใช่ใช่ค่ะก็ดีค่ะ ก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ได้เยอะค่ะธรรมะของที่หลวงพ่อเอามาเอามาสอนมาให้ให้ฟังเนี้ยค่ะช่วยได้เยอะเลยค่ะโอเคค่ะ <ไป S 2> ขอบคุณอค<อ>ุณค<ป>่ะค่ะจะพยายามค่ะมีโอกาสากว่างก็เข้ามาฟังเทศไปเรื่อยๆนะค่ะขอบคุณค่ะอ่ไปที่เอเอคุณนิสาคุณนิสาลอเอกลางน้ำสกาดค่ะอาจารย์ ก็ไม่มีคำถามอะไรค่ะออยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะอาทิตย์ที่แล้วก็<ม>ก็สงบดีค่ะก็มีสู้กับความร้อนนิดหนึ่งค่ะรอาจารย์ช่วยได้ไหมที่ปฏิบัติแบบนั่งเฉยๆไมยไม่ได้ได้ค่ะพระอาจารย์<ม>อาทิตย์ที่แล้วร้อนมากก็คือมันมันเราก็ใช้แบบพุทธโธพุทธโธเข้าข่มอะค่ะพระอาจารย์<ม>ก็ทำ<ม><ม>ให้แบบสงบขึ้นค่ะเย็นสบาย เแต่ร่างกายร้อนยังไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรค่ะพระอาจารย์ก็แรกๆ ก, ก็ก็นิดนึงค่ะพระอาจารย์พอนั่งไปเรื่อยๆก็แบบพยายามใช้พุทโธแล้วก็พอเจอความพอนั่งสมาธิไปเรื่อยๆพอมีความสงบเหมือนเหมือนมันความร้อนมันหายไปอะค่ะพระอาจารย์มันก็มีความเย็นความสงบเข้ามาค่ะพระอาจารย์ดีค่ะต่อไปเรื่อยๆทํําทาแบบนี้ไปเรื่อยๆมันจะก้าวหน้าเร็ว ค่อะอาจารย์บแบบธรรมดาธรรมดาค่ะก็พยายามจะอยากจะเพิ่มเวลาไปเรื่อยๆเพิ่มวันนะคะพระอาจารย์อืมค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะอาจารย์ <Okay. S 1> ค่ะค่ะขอให้พระอาจารย์พัดขันแข็งแรงค่ะสาธุ ค, ค่ะอ่าคุณสาธิกาชัยนันเชิค่ะการย์มาฟังธรรมค่ะพระอาจารย์อืะอาจารย์แล้วถ้าสมมติว่าเราฝึกไปเรื่อยๆอะค่ะมันทําให้เรานิ่ง มันเกิดจากการสะสมที่เราเราฝึกไปเรื่อยๆป่ะคะใช่สติเรามากขึ้นไงมันจะติดปเออดป็นที่ใสไปมันมันมีที่ว่าลูกเมื่อเมื่อวันก่อนลูกไปเซเว่นแล้วเด็กเซเว่นนะคะเขาปัดเหละมาโดนที่เท้าลูกออมันแรงมากมทุกคนตกใจหมดแต่ลูกแค่แค่รับหลู ม, มันมีอารอมณ์เออแล้วลูกก็ไม่ได้ ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าโกรธหรืออะไรลูกก็จ่ายเงินแล้วก็คือมันก็มีเลือดออกเขาก็ตกใจแต่ลูกคิดว่าแสดงว่าเรามีโอเบคามากขึ้นนะแล้วทีนี้ลูกก็แค่คิดว่าเออเหมือนพอเดินออกมาลูกก็ไม่ได้มีอารมณ์อะไรแต่ลูกแค่คิดว่าพระอาจารย์สอนว่าเออเราอ่ะอย่าไปให้ทุกมันสอนกันนะคะพระอาจารย์เจ็บกายแต่อย่าเจ็บใจ จะเสียสองแดงใช่แล้วลูกก็เออกลับมาแล้วก็ทําแผลแต่ลูกไม่ได้รู้สึกอะไรนะเพราะว่ารคิดแค่ว่าหนึ่งคือมันเป็นอุบัติเหตอแล้วก็สองอาจารย์บอกว่าอย่ามีกรรมต่อกันอออือเออลูกก็เดินกลับแค่นะดีมากนะดีมา ก, ม, ากมีความเมตตาเนี่ยแผลเมตตาเนี่ยบางที่แผลเมตตาเพราะว่าจอมเวนจอมกรรมมัน <c oughs> เพราะว่าความความนิ่งเนะะี่ยค่ะลูกเคยเจอตอนที่ลูกเคยบอกตอนตอนตอนก่อนหนูนะคะที่ฝึกใหม่ๆอ่ะที่ประาจารย์สอนนะแล้วมันมันเจอที่ว่าเจอหูตกใส่ข้างๆไม่ห่างมากะคะ่ะพระอาจารย์ mm hmm. มันนิ่งแบบนั้นเลย mm hmm. แสดงว่าเราก็คือจากการที่เราแบบนั่งไปเรื่อยๆอย่างนี้หรือล่าตอนลูกจะ <Hey, S 2> <hey. S 2> ไปไปัญญา โดยเฉพาะท่านนังรถเจ็บแล้วเองนิ่งได้ยิ่งดีใหญ่เพราความเจ็บมันจะมันจะทําให้เรานี่ต้องใช้ความพยายามนิ่งให้มากขึ้นเลยถ้าต่อไปมันจะทําให้ใจเราเย็นแต่แต่ลูกอะ่ะคือลูกอะ่ะยังไม่ได้ใช้ปัญญาตัดมันคือมันตัดไปเองแล้วก็เออแต่ว่าในในทุกๆวันนะคะอาจารย์เวลานั่งอะ่ะลูกก็จะเหมือนที่ท่องที่เออ จะแม้แกเจ็บปี้อ่ะท่องเออแล้วก็ท่องเลือกว่าเราที่ว่าเออแก่เจ็บตาเป็นธรรมดาแล้วก็ที่ว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์บอกว่าให้เราทําบุญทั้งหลายให้ถึงพร้อมละกันตอันนั้นแล้วก็ชําระจิตใจแค่นี้ยค่ ะ, ะแล้วก็กลับประมวลไปเรื่อยๆอันนี้ก็พอทำสามข้อนี้ได้ก็ไปนิพพานได้ทีนี้คือจัด ก, การที่แบบ อย่างที่สาวลูกเนี่ยเขาก็คุยกับลูกเขาบอกว่าลูกนิ่งได้เยอะคือแบบคือฟังเรื่องเดิมๆไม่มีหงุดหมิดคือแบบก็คุยแล้วก็บอกเขาก็แค่นั้นใช่ผลจากการที่เราฝึกสติมากขึ้นนสติเนี่ยตัวสําคัญที่ทำให้ใจเราแน่งทาให้ใจเราเปน็นโอเบค้าได้เอา เพราะว่าส่วนมากลูกจะไม่ค่อยไม่ค่อยถ้าอยากกับไปดตแฟนอย่างเงี้ยคะ่ะเมื่อเมื่อปีก่อนที่ไปไปทำบุญที่วัดแล้วก็เจอพระอาจารย์ตอนเช้าอะคะ่ะเออมันก็จะมีแบบบางพลน่ะคะ่ะเขามาหลบล บ, ล บ, ลบแต่ลูกจะรู้สึกเฉยเฉยเพราะปกติลูกจะไม่ค่อยไม่ค่อยไปหาเรื่องกับใครอยู่แหละเออลูกก็เลยว่า ไม่มีเวรีกรรมกับใครอลูกก็พยายามอย่างนี้ก็แบบลูกว่าลูกก็ทำไปเรื่อยๆอถูกต้องแล้วแล้วการที่สมมติว่าเราเนี่ยที่พระอาจารย์บอกอะ่ะลูกมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยคือเราก็ปกติตั่วไปแต่การที่เราลาออกจากงานคือมันก็เหมือนตัดตัดไอ้ปัญหาไปเรื่อยๆเรื่อยๆลูกว่าอยา่างนั้นมันก็เลยแบบปัญหามันน้อยหรือเปล่า มันก็เลยทำให้เราสงบได้ง่ายใช่ถ้าเรามีปัญหามีเรื่องมีนามมีงานทำมันทำให้จิตเราสงบได้ยากออเพราะว่าสวยมากลูกก็เหมือนอย่างที่รอาจารย์ลูกก็แบบลูกก็บอกกับทุกคนว่าลู ก, กไม่ได้เทียบกับที่ฟังฟังนะคะลูกไม่ได้ถึงขนาดคนอื่นหมายถึงแต่ว่าลูกก็คือใช้ระบบ ก็คือทาทารตามที่พระอาจารย์บอกก็แค่ใส่บาตรหน้าบ้านแล้วก็เข้าไปอยู่กันไงฟังเทศฟังอาจารย์แค่นั้นใช่เป้าหมายก็เพื่อให้เราปล่อยวางไม่ทุกไม่ไม่อะไรกับใครนั่นั้งค่ะคอาจารย์ปฏิบัติโอเคสาธุอะไรจะเกิดขึ้นเหงาเราก็เฉยไปนับเป็นไปอนัตตาทุกอย่างเป็นอนัตตาสเมธามาณตา เพราะว่ารูปฟังจากอาจารย์ว่าแบบได้ไน่คุณมเสียคืออย่าไปเป็นเบาเดีโอเคจะ ด, ดูดไปที่ดาราที่ว่ามาริการจากาานมา ก, การเจ้าขาพูอาจารย์ก็ก็มีบุทดสอบมานะคะพูอาจารย์พอบุทดสอบมาคือจากเสียง ที่มันไม่ระลึกลงแต่ว่าสงบไปได้โดยที่แบบว่าอาจจะว่าเราได้ฝึกสติตรงนี้ถ้าถามว่าตรงนี้นั้นคือมันเชื่อมโยงกับการที่ว่าเราได้ปฏิบัติ ต, ต่อเนื่องใช่ไหมเจ้าค่ะผอาจารย์ได้ถ้าสติยิ่งต่อเนื่องมากเท่าไหร่จิตใจยิ่งนิ่งมากขึ้นไปเรื่อยๆเจ้าค่ะผู้จารย์ก็เหมือนกับของพี่เมื่อกี้อ่ะ ก็ก็คือหมายถึงว่าเราจะไม่เกิดอารมณ์ใดๆทั้งนั้นเลยก็คือนิ่งเกิดอาการนิ่งขึ้นไปก็นี่คือการพัฒนาของรูปในขณะนี้นะคะพ<ม>่อจ๊ะคําถามลูกไม่มีคําถามนะค ะ, คออะพ่อจ๊ะก็ต้องไปหาข้อสอบยากๆทํำถ้าอยากจะพัฒนาต้องไปหาข้อสอบยากๆทุกบมมีตปัญญาบอกเกิดต้องไปหาข้อสอบต้องหาเหตุการณ์ที่มันยา ก, ยากที่มันทําให้เราทุกข์ใจเราจะได้ ใช้ปัญญาแก้ใช้สติใช้ปัญญาแก้มันสานะโอเคคนที่มาเชิญกลับนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคำถามค่บโอเคยัมสิงแต่นตอยู่ใช่ไหมค่ะอาจจะโอเคอ่าคุณวิไลพรยอยมหญิง กับนมัสการค่ะพระอาจารย์วันนี้ทางสะดวกเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้ได้อยู่กรุงเทพแล้วก็ปกติจะฟังธรรมพระอาจารย์ข้างนอกแล้วก็บังเอิญเป็นวันพุธอะค่ะปกติจะเดินทางแล้วอยู่กับสามีข้างๆก็จะไม่ค่อยกล้าเปิดอะไรเท่าไหร่อะค่ะพระอาจารย์แล้ววันนี้ได้กลับมากรุงเทพลเลยรียบมากราบพระอาจารย์เจ้าค่ะทางสะดวกเจ้ <laughs> าค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์คะเ อ, อยมขอรายงานนะคะเอ่อ เข้าพรรษาสามเดือนโ ย, ยมทานมังสวิรัตแล้วก็ทานอาหารแค่เที่ยงวันช้าสุดเร็วสุดถ้าเกิดปิดธุระก็จะแค่ถึงแค่บ่ายโมงเจ้าค่ะพระอาจารย์เข้าเข้าพรรษาสามเดือนโยมจะรักษาแบบเนี้เจ้าค่ะทานมังสะด้วยแล้วก็ทานทานแค่มือ้อถึงสองมือ้อเจ้าค่ะแล้วพระอาจารย์คะโยมขอกลับเรียนถามพระอาจารย์คือเวลาโยมนั่งสมาธิอาจารยคะพระอาจารย์โยมก็จะอยู่กับความว่าง คือลมเข้าลมออกก็รู้ตลอดนะคะแล้วสุดท้ายก็จะไปะอยู่ที่ว่างโยมก็ว่างโยมก็ว่างลมก็ไม่มีทุกอย่างก็ไม่โยมเสียเวลาอยู่นี้มามานานมากพระอาจารย์มันมันยังไม่เดินไปถึงไหนอย่างนี้จโยมในใจเรียนถามพระอาจารย์ว่าเราควรพิจารณาธาตุรือไหมคะว่าตัวเราอะ่ะมันมีสี่ธาตุดินน้ําลมไฟอ่าพิจารณาต้องต้องร อ, อ, อให้ออกจากความว่าง ก, ก่อน มันว่างอย่าไปทํำอะไรรักษาความว่างไปเรื่อยๆรักษาความว่างรักษาความนิ่นไว้อย่าให้เราต้องการให้จิตพักผ่อนไม่ให้จิตทํางานค่ะถ้าอยากจะพิจานะรณาต้องรอออกจากสมาธิครับในระหว่างอ๋อเจ้าคะงั้นเราก็ต้องอยู่คําว่าเราก็ว่าแบบคือว่างเลยลอให้ใจมันว่างไหมใจว่างแล้วมันเย็นมันสบายมันไม่มได้ไปเครียดไปทุกข์กับอะไร แล้วพอเรารู้ปุ๊บลมก็จะกลับมาอีกแล้วก็จะอยู่อย่างเงี้ยพระาอาจารย์ก็ก็ทําไปเรื่อยๆทำให้จนว่าจะทนนั่งไม่ไหวแล้วก็ค่อยออกจากสมาธิแล้วทีนี้ยจะไปพิจารณาทางทางปัญญาแล้วสามารถทําต่อได้เลยได้จ้คะค่ะพระอาจารย์พร ะ, พระยมยมเคยสงบแบบว่าดับหมดแล้วก็เย็นสบายไม่เสียงดับหมดเลยจ้คะค่ะพระอาจารย์คือเย็นเย็นสบายมีความสุขมากแล้วพอเราเออกจากสมาธิก็ตัวเบาแต่คือ โยมเข้าถึงอย่างนั้นแล้วได้แค่ครั้งเดียวพระอาจารย์แต่ทุกครั้งตอนนี้ก็คือก่อนที่จิตจะรวมและสงบอะค่ะอาการเดิมก็คือจะหายใจแรงเหมือนคนขาดอากาศหายใจแล้วก็สักพักหนึ่งก็จะรู้ลมเข้าราบอกแล้วก็สักพักก็ค่อยๆเบาแล้วก็หายไปเลยแล้วก็อยู่อย่างนั้นนิ่งสักพักก็กลับมาอีกแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยนานมากพระอาจารย์แตโยมถือว่าถือว่าเราปฏิบัติอยู่ใช่ไหมคะใช่มันปฏิบัติอยู่แต่มันมันถือว่ามันไม่ก้าวหน้าแบบพระอาจารย์ ก็มันยังเข้าไปไม่ถึงนี่จุดจุดที่เลอกที่สุดอะจุดจุดที่ทำให้จิตเบาสบายโล่เย็นเย็นไม่มีอะไรสัตว์แต่ oh, ว่ารู้อ่อ๋อเจ้าค่ะพระอจาก็ฝึกสติให้มากๆก่อนที่เราจะมานล้วค่ะเพราะว่าปกติแล้วระหว่างวันโยมก็จะรู้กายรู้ใจพอใจคิดอะไรก็รู้ว่ากาลังคิดมี ปกติเวลาแบบอยู่กับแฟนอยา่อยาให้มันคิดต้องฝึกสต<อ>ิฝึกสติเพื่อไม่ให้มันคิดพอรู้ว่ามันคิดต้องหยุดมันให้รู้เฉยๆดยงถูงว่าเรารู้อาการว่าใจเรากำลังคิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ล้วก็บอกหยุดยินไม่ได้ใช้พุโทโธพุโทโธหยุดมันก็ได้อ๋อเช่าค่ะพระอาจารย์แล้วพิธีมีมีฟังฟังยูทูเกี่ยวกับ ความหมายของคําว่านโมแล้วก็เมื่อสองวันนี้โยมไปงานศพแล้วพอดีได้สนทนาธรรมกับแม่ชีเจ้ค่ะแม่ชีเขาบวชมาตั้งแต่พศสองพันห้าร้อยสิบแปดแล้วตอนนี้แม่ชีท่านอายุเจ็ดสิบแล้วค่ะที่วัดสมานนัดก็สนทนาธรรมแล้วแม่ชีเขาก็แนะมานิดนึงแล้วก็ได้สนทนาธรรมถึงความหมายของคําว่านโมเจ้ค่ะพระอาจารย์เหมือนกับว่านะเนี่ยคือมาจากแม่เป็นธาตุน้ําโมคือเป็นธาตธาตุดิน ก็คือเมื่อมีธาตุน้ํากับธาตุดินคือของพ่อและแม่มาผสมกันก็จะเกิดมาเป็นหยดน้ําพอหยดน้ำสักพักก็จะเป็นเลือดพอเป็นเลือดเสร็จก็ความหมายก็คือโยมก็จะไม่ค่อยเข้าใจมากแต่โยมก็ก็พอจะเข้าใจบางอย่างแต่อยากขอความเมตตาพระอาจารย์ถ้าพระอาจารย์ได้มีโอกาสเทศพระอาจารย์ครุณาอธิบายให้โยมเข้าใจอีกทีหนึ่งก็ได้เจ้าค่ะคือมันมันธาตุดินน้ําลงไปของพ่อของแม่มารวมกันค่ะ มันไม่ใช่แต่เฉพาะดินอย่างเดียวหรือน้ําอย่างเดียวไอ้สเปิร์หรือไอ้ไข่ที่มันมารวมกันเนี่ยมันประกอบด้วยดินน้ําลงไราอยู่พบอะไรบูรณนพอมันรวมตัวกันเข้ามันก็จะขยายขยายตัวให้มันมีวัยวะต่างๆปรากฏขึ้นมาตามลําดับค่ะอคือเวลาผสมพันธุ์กันนั่งาต้องมีส่วนหนึ่งของพ่อมาผสมกับส่วนหนึ่งของแม่ แล้ค่ะที่เขาทางวิทยาศาสตร์เขาเรียเอาเอาสเปอร์มาผสมกับไข่ค่ะตอนที่เดี๋ยวนี้เขาสามารถผสมเทียมได้ใช่ไหมไม่ต้องเอาเข้าไปในในหลอดแก้วกาทำได้ตอนนั้นน้ำพ้อมแล้น้ำเติบโตขึ้นมาแก็ถึงขั้นหยดก็ถึงเอาใส่กับเข้าไปในในทันของแม่อีกทีนึงค่ะนั่นเป็นน้ำค่ะน้ำก็ของของแม่โมก็เป็นของพ่อแต่มันไม่ใช่น้ำอย่างเดียวหรอก อ๋อม่สปิมไอเอไอไอไข่มันก็ต้องมีทั้งดินน้ำลมไฟมันนีเป็นไขได้อ๋อเจ้าค่ะไอสเปิมมันก็ต้องมีดินน้ํามลมไฟมันประกอบอยู่เหมืนอนทั้งย่อเป็นสเปริรมขึ้นมาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ธาตุอย่างเดียวไม่ใช่ธาตุ ด, ดตินอย่างเดียวธาตุน้ำอย่างเดียวอืมเจ้าค่ะอันนี้ตามหลักวิทยาศาสตร์นะเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะในทางสมยัยโบราณข้าจะว่าเอาพวกง่ายๆเอาหน้โป๊อหน้ามูล นะคือธาตุของแม่โมเป็นธาตุของพ่อค่ะอืทีิี้คนอาจจะมาแปลว่านะป็นธาตุน้ําอย่างเดียวโมเป็นธาตุดินอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกสองธาตุมาลงกันมันยังไม่มันไม่มันโตขึ้นมาไม่ได้มันต้องมีสี่ธาตุใส่ลมกับไฟตอนเกิดออกมาแล้วใช่ไหมนะคะมันก็ต้องผสมกันให้ครบสูตรมันทํเอาข้าวเอาข้าวมีแต่มีแต่น้ามันกับข้าวแต่ไม่มีผักไม่มีเนื้อมันก็ยังไม่ครบสูตรค่ะพระอาจารย์ค่ะ โยมก็เข้าใจค่ะก็เหมือนกับว่าพอพอโยมฟังโยมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจโยมก็มาเปิดเปิดยูทูปค้นอีกทีหนึ่งก็เลยเข้าใจว่าอ๋อคือณนะโมรวมกันความหมายคือรวมกันแล้วออกมาก็ยังอาศัยณนะโมในการเลี้ยงดูแลเพราะฉะนะั้นสิ่งแล้วก็คําว่าณนะกับโมถ้าสลับนอนหนุกับมอม้มาก็เป็นมโนก็คือพ่อและแม่ให้ทั้งกายและใจกับเราเพราะฉะนะั้นสิ่งแรกที่เราควรจะระลึก กอนที่จะกราบพระรัตนตรัยคือน้โมตัดสะทุกครั้งก่อนสวดมนต์ก็คือให้เราน้อมขอนอบน้อมจ่อกพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ความหมายที่ต้นกริยาก็คือว่าให้เราระลึกถึงบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมเจ้าคะ่ะที่ทําให้เราเกิดมามีทั้งกายและใจแน่นอนพ่อแม่เราเป็นผู้ให้กนะําเนิดเราเราก็ต้องมีการกรตัญญูต่อเวทีต่อผู้มีพระคุณค่ะค่ ะ, คะแต่ข<ม>อบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์รักษาธาตขันนะคะ แล้วก็ถ้าโยมหญิงทําอะไรผิดพลาดทั้งไปโดยไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจโยมขอกราบขอขมาหลวงพ่อพระอาจารย์ไม่ไม่ต้องขอขมาแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวไว้วันเกิดคุณพ่อโยองพาคุณพ่อไปกราบพระอาจารย์ทุกบาททุกสติทุกข้าพระอาจารย์เดี๋ยวขอขมาคนทุกคนเดี๋ยวการบูชทุก ค่ะไม่ได้นะเราต้องขอเข้ามากันทุกวันค่ะเพราะโยมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้โยมจะได้มีโอกาสได้ขอเข้ามาพระอาจารย์หรือเปล่าส้ะค่ะถ้าขอเข้ามาก็ทนายว่ายังทําผิดอยู่ใช่ค่ะจะเราไมม่าแล้วโยมยังไม่รู้อะค่ะว่าพาดทั้งไปบ้างหรือเปล่ามันก็ต้องรู้สิโยมเลยขอเข้ามาพระอาจารย์จะนี้ไม่ถูกแล้วขอเข้ามาแบบนี้อย่าไปขอดีกว่า ขอเข้ามาทั้งที่ไม่รู้ว่าทําผิดหรือทําถูกถูก็ยอมยอมต้องขอไว้ก่อนพระอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้หรอกมันขอไปขอเข้ามาในสิ่งที่เราไม่ได้ทําไปขอมันทํามให้เสียเวลาอ๋อเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ขอขอบพระคุณพระอาจาจรย์เจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วโยมอ่มมพะพอดีโยมเพิ่งไปศาลศาลเจ้าค่ะเหมือนกับลูกสาวเหมือนกับว่าเพื่อนเขาแนะนําเจ้าค่ ะ, คะก็เหมือนกับเนาะ ก็ลูกก็เขาบอกว่ามาม่าหนูขอนะที่พึ่งถานใจอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไปสั<ม>่นเจ้าหลอปู่แดงยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เหมือนกันเขาก็ไปมาเอากระทงไปลอยเอาเสื้อผ้าเก่าตัดเล็บตัดผมแล้วก็ไปลอยกระทงยมเมก็อยากรู้ว่าเป็นแบบไหนลูกไปยังไงอะไรยังไงก็เมื่อเร็วๆนี้มันมีมงานก็เลยบอกว่าเออมาม่าขอตามด้วยนะมยมก็ตามไปดูก็โอเคก็คือเป็นทางจีนนะคะก็เป็นแบบถันเจ้าแล้วก็ เวลาเขาก็จะมีถ้าเขาเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเลนเหมือนกับว่าเดวงอะตกมากเจ้าค่ะเขาก็อยากให้ทําพิธีเหมือนกับว่าตัดผมตัดเล็บเสื้อผ้าเก่าทุกอย่างก็ไปลอยกระทงแล้วก็ปัดเหมือนกับใช้กระัดออกลักษณะของคนจีนนะคะพระอาจารย์ปัดปัดเขาเรียกเลยนะคะปัดปบบทุกศกออกไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็ลอยไปแล้วแล้วพอไปพอยองไปเห็นแล้วก็ออกกระทงกระทงกระทง กระท o n เป็นกระดาษอ่ะจ้ะพระอาจารย์แล้วก็ประทัดนี่เยอะมากเลยเป็นเยอะๆๆะแบบพอเขาจุดอันนี้ไม่ใช่พูดละอันนี้ใช่เป็นเป็นจีนเป็นเสันเจ้าแล้วเขาไม่เราไม่สนใจอย่ามาพูดทำในห้องในห้องพูดไม่ไม่พระอาแต่ว่าเกิดจากปัญหาความยากใช่ค่ะโยมเวลาจะบอกพระอาจารย์แบบโยมพระอยากจะให้ทุกข์หายก็ละความอยากสิทั้ในห้องจบใจอะโยมเห็นมวลเลยอย่าง พอพอยอมเห็นยมก็จะประกอบกับธรรมะพระอาจารย์ทุกอย่างะจะเข้ามาในหัวสมองเราหมดเลยว่าอ่ะอ่ะอ่ะ่ ะ, ะเป็นช็อตๆแล้วยมก็อพอกลับมายมก็ต้องพยายามคุยกับลูกอะคะว่าเราต้องมอันไี่ไม่เห็นอริยสัจสีก็ต้องทำเนี่ยกายวังพฤธีกรรมต่างๆขออย่างเดียวพระอาจารย์คืออับขอขอขอขอเหมือนกับว่าเราเข้าไปแต่เข้าไปผิดอาจารย์ก็คือเข้าไปขออย่างเดียวเราไม่ได้เข้า<อ>ไปถึงแก่นของพุทธศาสนาแต่แล้วกระทงที่ลอย คลองอ่ะโยมก็พี่บอกโอ้โหขยะทั้งนั้นเลยพระอาจารย์แบบกระดาษเยอะมากเลยค่ะพระอาจารย์แล้วประทัดน่ะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนัดเลยพระอาจารย์แล้วมันแต่ว่าโยมอ่ะหูหูโยมอ่ะคือได้ได้รับรู้ถึงเสียงโยมก็กลับมาสงบที่ใจใจโยมไม่รู้สึกอะไรเลยพระอาจารย์แต่หูโยมได้ยินเสียงประทัดปังปัปังโอ้แบบแต่ใจเรามันสงบพระอาจารย์โยมอ้อมันคืออย่างงี้นี่เองคือเสียงกระใจ คือมันเป็นคนละนั่นกันอนะ่ะพระอาจารย์เราเราไม่ได้รู้สึกอะไรแต่เรารู้สึกว่าใจเราสงบแต่เสียงมันก็คือดังมาเนี่ยคะ่ะพระอาจารย์ก็โยมก็พยายามบอกลูกนะคะ่ะว่าโอเคเรามาให้ถูกทางนะทุกอย่างเราหนีกรรมไปไม่พ้นนะคะพระอาจารย์อิทธิฤิ์มันมีจริงแต่ว่าก็อาจจะแค่ชั่วคราวเพราะอิทธิฤทธิ์แต่ได้สามารถได้ยอยู่ตลอดหรอกยังไงอะ่ะกรรมมันมันอยู่กับเราอยู่แล้วแต่พระอาจารย์เดี๋ยวพอเขาไปป่าลังควานน่ะน้าตาลเลยนะ่ะมันนิ่งมากอะ่ะพระอาจารย์แบบ คือมันปกติมากแต่โยมก็บอกลูกบอกว่าพฤติกรรมมันก็มีแต่ว่ามันก็ไม่ไม่คงทนมันแค่แค่ชั่วขา่าวมันไม่สามารถมาช่วยเราได้ได้ตลอดชีวิตตัวเราเองจะต้องช่วยตัวเราเองกรรมเป็นสิ่งสําคัญที่สุดโยมก็สอนลูกไว้อย่างนี้เจ้าค่ะก็เคเข้าไปแล้วก็ดึงเขากลับมาค okay, ่ะโอเคสาธุค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะอื่านไปที่คุณรษาก่ะคุณดิศยานาลาธิวาน ในมาสการค่ะอาจารย์อะไรยังไงมีอะไรไหมรูกก่อนไหมปฏดบ่าความทุกข์ด้วยอะไรโยมโยมทางพุทธอย่างเดียวเลยค่ะโยมไม่เอายอมีเลยค่ะไม่ไม่เอาทรงเจ้าไม่อะไรเลยโยมกลัวค่ะอาจารย์โยมไม่ไปเลยค่ะค่ะสําหรับโยมนะคะอาจารย์เโยมฟังเทศอาจารย์เมื่อวันอาทิตย์บอกว่าเวลานั่งนั่งภาวนาใช่ไหมคะให้ยึดอย่างหนึ่งทีนี้โยมวิธีของโยมคือเมื่อโยม เข้าที่คือนั่งกาบพระแล้วก็นั่งขัดสมาธิใช่ไหมคะบางอารมณ์บางวันนะคะก็บริกรรมพุทโธพอพุทโธไปแล้วพุทโธหายเหลือแต่ลมลมหายก็ว่างใช่ไหมคะแต่บางวันเนี่ยพอนั่งไม่ใช่พุทโธดูลมเลยค่ะอาจารย์ดูลมแล้วก็มาว่างแบบนี้คะ่ะ ไ, ไปที่เดียวกันหมดเลยได้ไดใช่ไหมคะย ม, ยมก็เลยเอ๊ะถูกหรือเปล่าแต่ยมรู้สึกว่าน่าจะได้คะ่ะอยู่กับสภาวะธรรมของเราในแต่ละวันใช่ไหมคะ ก็ดูที่ผลอนะันที่เราต้องการก็คือความนิ่งสงบผ่องใจใะจะไปถึงมันได้วิธีไหนก็ได้ทั้งนั้นย ม, ยมจำคำของอาจารย์ว่าให้อยู่กับอารมณ์เดียวยมก็เลยนคนดูเราไม่ได้เลยต้องพุโทโธไปก่อนพุ<ร>โทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนถ้ามันไม่ได้ก็ฟังเทศธรรมไปก่อนมันมีหลายขั้นตอนตาทุกค่ะคือช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมานิยม เหมือนกับเป็นภูมิแพ้ค่ะทางนราธิวาสตอนนี้ฝนตกทุกเย็นแล้วยมถูกฝนยมก็จะมาเป็นภูมิแพ้คัดจมูกค่ะจารยน้ำมูกมันไหลจริงจริงนั่นภาวนาไม่ได้มันคันจมูกยมก็ว่าอ้าถ้าแบบนี้เอาแบบนี้แล้วการไปนั่งขัดสมาธิเฉยๆหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ปล่อยให้น้ำมูกมันไหลไปค่ะจารย์ภาวนาไม่ได้ก็ปล่อยมันไปอย่างนั้นนะคะแล้วมีอยู่วันหนึ่งมันมันเป็นมากทั้งวันเลยค่ะหยดแบบใสมากเลยก็คําของอาจารย์ผุดขึ้นในใจว่า อยู่กับมันอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปทุกข์กับมันโยมก็โอเคโยมอยู่กับมันแบบนั้นนะคะน้ำมูกจะไหลโยมก็เอาทิชชู่ใส่ในแมสแล้วก็ซับไว้แบบนั้นนะคะอาจารย์แล้วก็พอไม่ต้องไปทำอะไรปล่อยมันไหลเข้าไปมันจไหลก็ปล่อยมันไหลไปโยมไขายของค่ะอาจารย์ต้องเอาแมสอ๋อไม่ใช่เวลานั่งสมาธิไม่ต้องไปทำใช่ใช่โยม โยมเอาผ้ารองค่ะปล่อยให้มันหยดลงมาปล่อยมันหยดไปเดี๋ยวเขเช็คก็ได้ทีหลังมันมันจะมันเป็นเยอะค่ะแต่ว่าวันนี้คือโยมกินยาภูมิแพ้มันก็ดีขึ้นค่ะแล้วก็เมื่อเช้านะคะโยมขับรถไปเติมน้ํามันที่ปัม๊มแล้วก็มีคันหน้ามาจอดเป็นผู้หญิงสวยมากเลยค่ะจานลงมาปุ๊บโยมก็เลยเพ่งให้ดู ก, กระดูกเป็นโครงกระดูกพอเพ่งโองกระดูกเขารู้สึกแบบเยื่อขึ้นมาค่ะจานโยมก็เลยหลุดตาบางทีรู้สึกแบบมัน มันไมีอาการเหมือนกับพองขนนะจานขนตาเรียกพองขนเพราะอื่นพราะอมอะค่ะอืเราเราต้องแก้ยังไงคะไม่ต้องแก้ก็ดูให้มันให้ดูว่ามันไม่สวยไม่งามนั่นคือเห็นเขาสวยมากเลยยมก็เลยเพ่งแต่ว่าเราไม่ได้อคตินะคะแบบว่าคนนี้สวยจังเลยแต่เราเพ่งให้เป็นกระดูกโครงกระดูกดีกว่าเขามีหรือเปล่าโครงกระดูกมีค่ะจานโยรก็ดูวมันสวยหรือเปล่าใช่ค่ะแต่ทานั้นน่ยก็ดูเพื่อให้มันเห็นความจริงนะ ่ตอนนี้โยมก็แบบเอเพ่งพอขับขับรถไปเห็นใครก็ลองเพ่งดูข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์<ม>แต่ส่วนใหญ่จะเพ่งตัวเองมากกว่าเกรงใจเขาอะค่ะอตอนนี้ก็เพ่งได้แต่ทั้งห้องนี้มีโค้กมีกระโดงกกันทุกคนมีถ้กกากรณีที่ว่ามไม่เป็นการละลาบละล้วงใช่ไหมคะอาจารย์ที่เราไปเกิดเห็นโครงกระดูกของกระแตแมันเรื่องของเราไม่ต้อ่ไปว่าใครเราไม่ต้องไปยุ่งหัวใค ร, ร, ร, ใ ค, รค่ะ แล้ ว, ลวมองไม่เห็นความจริงเองพอ ว, วันดีคืนดีคําสอาพนพระเจ้าผุดขึ้นมาให้ดูอาการฐานที่สองมันก็เห็นความจริ ง, งค่ะไม่หรอค่ะตอนนี้คือโยมโยมก็ไม่ได้กังวลกับเรื่องรูปรักษ์อะไรนะคะแล้วก็เ อ, อวันก่อนโยมโกรธมีอาการโกรธปุ๊บโยมเรากําลังโกรธโกรธโกรธเพราะเราอยากให้เขาเป็นได้ดังใจเรามันมัน พอกดปุ๊บมันเห็นเลยค่ะอาจารย์แต่เราไม่ยมไม่เห็นอย่างที่เขาพูดขึ้นว่าผุดขึ้นมาในใจยมแค่รู้อย่างเดียวค่ะอาจารย์แบบนี้มันเป็นัญญายังไงก็ได้ทั้งขนาดอย่าไปสนใจกับผุดก็ไม่ผุดอะไรรู้มันเกิดมันเกิดขึ้นมาแล้วเราดับมันได้ากระจกไม่จําเป็นต้องเห็นอะไรแค่เรารู้ทันก็พอใช่ไหมคะพอรู้มันเกิดรู้ว่าทุกมันหยุดมันเสียดับมันเสียดับหน้าก็จบได้ค่ะอาจารย์ตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเนาะ ไปก็ไปขอบคุณคนที่ทําให้เราโกรธแบบว่าขอบขอบคุณหน้าที่ทําให้เราโกรธเธอเป็นการสร้างให้เรามีบารามีขึ้นมาเนี้ยเข้ามากอย่า ง, อ, า อ, ยางอยู่ที่เห็นแล้วมันมาขอบคุณเขาทําไมขอบคุณก็จริงๆเขาจะได้รู้ว่าเออเนาะเราไม่โกรธเขาไงเขาทีหลังเขาจะได้เขาจะได้ละอายใจไม่ทําให้เราไม่ได้ถ้าเกิดเขาตอบตอนแล้วจะทําไงตอนแล้วเดี๋ยวกลับไปโกรธสร้าใหม่ขึ้นมา แต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โกรธคนน้อยลงค่ะอาจารย์โยมจะขับจะมากกว่าเนี่ยก็มีนิทานมีพวกญานโยมไปทําบุญกับหลวงหลวงปู่รู้หรือ ว, ว่าตั้งแต่มาทําบุญหลวงปู่นี่ความโกรธไม่รู้มันหายไปไหนหลวงปู่บอกอีกต่อและเ ก, กลับมาเลยโยมโดนมิจฉาชีพโทรมาหาโยมค่ะอาจารย์ <S <S แล้วก็โยมก็เลยเลยดักคอเขาใช่ไหมคะแล้วก็เขาบอกว่าเขาโทรมาจากการเงินของเขตโยมก็ถามว่าแล้วเอ้าว ถามชื่ออ๋อยแล้วอ๋อยอยู่ไหมแล้วก็เคาว่าอีอ๋อยนี่คือใครล่โยมก็หวัวเราะเขาเลยด่าโยมว่าอีตอแหล่โยมหวัวเราะก้ากเลยค่ะอาจารย์คือแบบคือยมไม่ค่อยไม่ค่อยจะอะยมจะขำซะมากกว่าค่ะอาจารย์ น, นั่นแหละถามก็โอเคอย่าไปโกรธอย่าไปเสียใจก็แล้วกัน คือมันมันเบานะคะอาจารย์จากเมื่อก่อนคนที่ใจร้อนแล้วก็ตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยเมืม่อ ก, กี้โยมอาจารย์พูดกับน้องคนนึงบอกว่าอย่าไปสร้างความจีนโยมอย่าร้ายนะคะอาจารย์โยมเดินจากบ้านไปถึงบะไปเคลียร์กันเลยค่ะอาจารย์โยมเป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้คือแบบอแล้วไปค่ะรู้สึกเบาทางคใครทางมันไปไม่ต้องไปคงไปเคลียร์เลเร ก, ก็เป็นอย่างนั้นก็ไปก็เป็นอยงั้นไปแล้วก็อยู่เราไป ค่ะตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้ น, น, น, นยังวัยรุ่นยังอารมณ์ยังร้อนอยู่ค่ะอาจารย์ตอนนี้คือแบบช่างมันประมาณนั้นนะคะอตอนนี้มีความสุขค่ะอาจารย์เขาไม่โกรธเขาไม่เกลียดเขาพอไม่ต้องไปเครียดเขาไม่ให้เสียเวลาใช่ค่ะตอนนี้คือแบบแล้วไปช่างมันตอนดีซะอีกเราได้ทดสอบใจเราแล้วก็ไม่ต้องไปขอบใจเขาเลยไม่ต้องไปขอบใจเขาไว้อันนี้สามียมเองค่ะอาจารย์เดี๋ยวดีให้ขอบใจกูเดี๋ยวกูจะใส่มึงนึ่ แต่ว่าจริงๆนะคะอาจารย์อันนี้โยมเห็นจริงๆนะคะว่าตอนเมื่อก่อนโยมแบบโยมจะโกรธกลกับแต่ตอนนี้พอปุ๊บโกรธปุ๊บเฮ้ยเรากําลังโกรธโกรธเพราะเราไม่ได้ดังใจเราอยากให้เขาได้ดังใจเราแต่พอกลับไปปุ๊บเฮ้ยทํำไมเราเราไม่มองว่าเป็นบวกนะถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่ได้ทดสอบอารมณ์ตรงนี้ดีซะอีกที่ไปทะเลาะกับชาวบ้านข้างนอกเอาคนในบ้านนี่ก็ดีค่ะอาจารย์โยมรู้สึกว่าเออมันมันเบาค่ะอาจารย์โยมเบาขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วยมมีความสุขกับชีวิตมากเลยนะคะช่วงนี้ แล้วก็จบกันค่ะยังคิดว่าไอกิจการดอกไม้ยมนี่ยมจะปิดร้านแล้วค่ะปีหน้ายอมจะหยุดขายอถ้ามันจําเป็นมาปฏิบททัติธรรมนี่ะใช่ค่ะยมรู้สึกว่าโยมขายขาดทุนทุกอาทิตย์เลยค่ะอาจารย์อดอกไม้เพราะว่าคนที่นี่เขาไม่ซื้อดอกไม้ถวายพระ ก, กันแล้วยมก็แล้วทำทำไมแต่ว่าทําเพราะว่าให้คนที่เขาไม่มีโอกาสได้ไปซื้อได้ซื้อค่ะจาย์อยมขายดอกไม้รู้จักดอกไม้เยอะที่มีชื่อเอเมร่าไหม รู้จักค่ะยังมีขายอยู่แบบไม่ค่ยเห็นมีค่ะยังมีขายเยอะเลยค่ะมีหลายสีด้วยค่ะจารันเอเห็นแต่พวกอดาวลงดาวเรืองอะไรสีเหลืองส่วนใหญ่เขาจะเอาเป็นเป็นจะมากกับดาวเรืองค่ะมันถูกไหยคะอาจาย์อัมแต่ยังไม่ล่าไม่เคยเห็นเลอเชื่อคือมันเชื่อว่ามันเขาเขาไม่นิยมขายกันแล้วยังมีขายอยู่นะยยังขายค่ะเป็นเป็นตอนนี้เขาไม่ใช้พันธุ์ของไทยเขาใช้ของฮอลแลนด์ค่ะจะสวยค่ะ แต่โยมจะทำงานที่ขัดกับบุคลิกของโยมค่ะคนไม่ค่อยเชื่อว่าโยมขายดอกไม้ mm hmm. ค่ะโยมมีเท่านี้ค่ะอาจารย์โยมโยมมีความสุขดีวันที่ยี่สิบเอ็ดโยมขึ้นเขาค่ะเจ็ด <Okay. S 2> วันค่ ะ, ะคะทุกขน<ะ>ิสยามีอะไรไหมน้ำมันตะการค่ะพระอาจารย์มีคำถามประมาณสองสามคำถามค่ะพระอาจารย์คือมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หนูเคยเล่าพระอาจารย์ว่าไปไปติดต่อ ง, งานนะคะแล้วรู้สึกว่า อึดอัดที่จะต้องรอนานแล้วก็เลยพุทโธพระอาจารย์ก็ถามว่าเออพุทโธทําไมไม่ยอมรับมันไปละ่ะหนูก็เลยบอกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่รู้จะทําอะไรเลยพุทโธพระอาจารย์เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นแสดงว่ามันเบื่อมันก็เลยรู้สึกว่าพุทโธทําไมไม่ยอมรับความจรงิงว่าตอนนี้ต้องกําลังรออยู่อะคะ่ะพระอาจารย์เ อ, อล่าสุดนะคะไม่กี่วันที่ผ่านมาหนูก็ต้องไปนั่งรอติดต่องานอีกแล้วอะคะ่ะหนูก็เลยตอนแรกค่ะก็เหมือนเดิมค่ะก็ รอนานแล้วก็ไม่อยากจะเล่นมือถือไม่อยากจะอะไรพุโทโธและกันพอพุโทโธพุโทโธแต่ยังลืมตานะคะแต่ว่าแค่พุโทโธพุดโทรมันกําลังว่าแบบมีความสุขแล้วอะค่ะพระอาจารย์แต่ว่านึกถึงคําพูดพระอาจารย์ขึ้นมาได้ก็เลยเออลองดูก็ได้ค่ะพระอาจารย์ก็เลยลองไม่พุโทโธแล้วยอมรับความจริงอะค่ะว่าเราต้องนั่งรอแล้วก็อากาศมันร้อนอ่ะก็พอพอใช้คําว่ายอมรับความจริงปุ๊บมันก็ ก็โล่งๆค่ะพระอาจารย์แต่มันมีความสุขค่ะแต่มันไม่ได้มันไม่ได้แฮปปี้แบบตอนเข้าสมาธิหรือตอนพุทโธที่มันจะวาบแบบมันยังไม่ปล่อยหมดมันยังไม่ยอมรับไม่หมดรับแบบฟืนๆอยู่อ๋อค่ะมันแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันรับไม่จริงยังรับไม่จริงอ๋อค่ะแล้วรับจริงแล้วมันก็ต้องเหมือนกับเข้าสมาธิไปโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิอ๋อค่ะพระอาจารย์ได้ค่ะเดี๋ยวจะได้ จะได้เป็นตัวชี้วัดค่ะพระาจารย์แบบว่าหนูก็รู้สึกว่าเหมือนอารมณ์เฉยเฉยเหมือนรู้สึกว่ามันก็ไม่ทุกข์เหมือนไม่ได้สุขเหมือนเรารู้สึกปกติอะค่ะแต่ว่ามันไม่ได้วาบไม่ได้วาบเหมือนตอนที่หนูกําลังจะพูดโธตอนนั้นที่มันรู้สึกว่าโล่งสบายกําลังแฮปปี้ค่ะใช่บางทีมันมันยังมันยังไม่ได้ยอมอย่างยิ่งอย่างอย่างเต็มร้อยอถ้อยอมแบบเต็มร้อยแล้วมันจะเบานจะว่างจะเย็นะ นั่รอได้ไม่เดือนร้อนโอเคค่ ะ, สะแสดงว่าก็ต้องฝึกต่อแล้วก็ต้องใช้สแสดงกำลังสติต้องมากกว่านี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์หรือว่าก็ทั้งทั้งสองอย่างถ้าสติมากขึ้นมันก็จะวางแน่ได้มากขึ้นแล้วมันก็จะเบาแต่เยนอันนี้ใจใจยอมแต่กิเลยังไม่ยอมอ๋อค่ะกิเลยังมีความอยากให้มันเด็ดเด็ดไป <laughs> ค่ะคือเราเราใช้เหตุผลทางปัญญาแต่กิเลมันยังมันยังต้านเอยู่ถ้าเรามีสติช่วยด้วยก็อาจจะดีขึ้นทำให้มันนิ่งไปได้บางทีน้องตาัยทั้งสองอย่างใช้ปัญญาด้วยแล้วถ้ายังไม่นิ่งก็ใช้สติต่อพุโทโธพุโทโธต่อไปก็ได้ใช้แบบดูลมที่ไปจมูกแทนให้มันแทบ แบบว่าให้มันสบายก็ได้ใช่ไหมคะก็ได้ใช่สติแบบไหนก็ได้พูดทําด้สติก็ได้อนาบานาสติก็ได้เพราะจิตอะไรยังไม่นิ่งพอมันไน ม, มันในยังไม่โลงไม่เบาค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวจะเอาไปทําต่อค่ะพระอาจารย์แล้วก็ช่วงที่ผ่านมาค่ะมีบททดสอบเยอะแยะมากมายเลยค่ะปกติช่วงหนูเพิ่งไปเจอว่าถ้าสมมติเจอ พระอาจารย์สอนว่าให้เปรียบเทียบกับการที่มองทุกอย่างเป็นอนัตตายอย่างเช่นมองเป็นลมฟ้าอากาศใช่ไหมคะอมของหนูใจจะเริ่มสบายจากการที่สมมติถ้าเห็นคนที่เราใจเห็นแล้วมันมันรู้สึกไม่ค่อยดีอะค่ะมองเขาเป็นต้นไม้ค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าต้นไม้มันยังรีแอค ก, กับธรรมชาติได้ก็มองเขาเป็นต้นไม้มีพิษต้นไม้มีหนามแล้วมันก็รู้สึกเราไม่รู้สึกไปคาดหวังอะไรกับต้นไม้ต้นนั้ น, นะคะ่ะ<อ>แล้วก็สบายอ มันประมาณก็ดินน้ำลมไฟเหมือนกันทำมันจากดินน้ำลมไฟเป็นอาณาตามือนกันไม่มีตัวตนค่ะล่าล่าสุดมีคนทํากระจกตู้กระจกอะคะ่ะแตกอะคะ่ะพระอาจารย์หนูก็พอเจอปุ๊บมันก็เหมือนใช้วิธีเดิมคะ่ะว่ายอมรับความจริงปุ๊บว่าเออเราเลือกเองว่าให้ให้เขาทําเองเหมือนกับว่าเราเป็นคนเลือกเองอะคะ่ะมันเกิดเหตุการณ์นี้แล้วเราเราเนะั่นแหละยอมรับความจริง มันก็ว่างไปค่ะแต่ว่ามันคือเขาก็มาเขาก็ตอบโต้มาด้วยการแบบไปโทษเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ได้ไม่ได้ขอโทษเราจีบอีกรูปหนึ่งมันก็ขึ้นมาค่ะมันจะเริ่มรู้สึกไม่พอมันมีแบบไม่พอใจขึ้นมาค่ะก็จับมันแล้วก็ไปจับมาโล่แบบที่พระอาจารย์สอนค่ะว่ามันต้องมีความอยากอะไรสักอย่างก็เลยอ๋อเราอยากให้เขาขอโทษอยากให้แบบก็เลยเปลี่ยนเขาเป็นแบบต้นไม้ที่รีแอค ต, ตามนู้นนะคะมันก็ลงล ง, งไปเลยค่ะ กำลัรับความอยากต่างๆให้หมดไปจักใจค่ะ อ, อถ้าบางทีก็ทันค่ะมันหมายถึงว่าตอนที่มันกําลังยังไม่คิดเป็นความคิดนะคะมันมันวูบออกมาเป็นเวทนาทางใจค่ะแล้วก็เราต้องอยากอะไรสักอย่างแล้วก็มองเขาเป็นต้นไม้ทันทีใ น, ในทุกๆเหตุการณ์ค่ะแต่บางเหตุการณ์มันไม่ทันค่ะพระอาจารย์เพราะเขาตอบโต้มาเร็วเราเราจับไม่ได้เพราะเราต้องตอบเขาต่อยไงค่ะพระอาจารย์ mm hmm. หนูก็ปล่อยให้นิ่งเหมือน ว, ว่า ไม่ไม่ไม่ไปโมโหอะไรใส่เขาก็ข่าหรือว่าพูดข่าข่าข่าไปก่อนนะคะแต่พอวางสายดิปุ๊บมันปวดหัวค่ะพระอาจารย์มันปวดหัวหนูก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันจําได้พอดีค่ะว่าคําพูดไหนของเขาที่ทําให้เรารู้สึกไม่พอใจก็ใช้วิธีมองเหตุผลแทนนะคะพระอาจารย์ว่าอ๋อเราไปเราไปอยากให้เขามองมองเราเป็นแบบนี้เออทําไม่ได้แล้วมันก็วางไปค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเมื่อ คำถามก่อนๆของที่พระจัคือพระอาจารย์เคยบอกว่าจริงๆไปดูแค่เวทนาเฉยๆก็ได้ว่าเออมันปวดก็ปวดไปแล้วมันก็หายแต่หนูยังไม่ได้ไม่เคยลองวิธีนั้นนะคะหนูใช้เหตุกับผลก่อนใชวว้วิธีไหนก็ได้ที่มันทาให้ความความทุกข์เราหายไปก็ใช้ได้ค่ะ <c oughs> ได้คะ่ะพระอาจารย์เดี๋ยวจะดีเราใช้อั น, นี้จา ก, ก็ได้เกิดดบ บานทีก็ใช้หน้าตาห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ออบานนี้ก็ใช้ใช้ทุกก็ได้เนี่ยมันเป็นหยดมันเป็นทุกเราอยากให้มันสดมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะได้ค่ะพระอาจารย์เหมือนกับวิยาหลายๆตัวแล้วก็ลองดูว่าอันไหนมันหายได้มันก็ตายร่างนี่มันใช้แทนกันได้เพียงแต่ว่า เหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์มันอาจจะใช้ตัวไหนดีกว่ากันก็ได้อย่างเวทนานี้การดูเป็นอนัตตามันมันมันง่ายกว่า อ, อ๋อมันเป็นเหมือนฝนตกแดดออกเราไปห้ามมันไม่ได้ค่ะค่ะอาจารย์โอเคอยยบยอมขออนุญาต น, นะคะอาจารย์ ย, ยงขอแก้ไขนิดนึงค่ะเดี๋ยวกลายเป็นมุซามิฉาชีพเขาไม่ได้ได้ด่าโ ย, ยมว่าอีตอนแหลขออนุญาตนะคะเขาด่าโ ย, ยม ว, ว่ า, อ, า <ยม S 2> อีดอกทองค่ะอาจารย์เขหัวล้อเข <laughs> าด่าเนาะกลัวโยมกลพูดผิดแล้วกลายเป็นมุสาค่ะอาจารย์เขาด่าโ ย, ยมแบบนี้โยมก็หวัวลาอ ก, ก้าไปค่ะอาจารย์แล้วก็สําหรับโยมทองก็ดีสลยเขาเขาว่าเราเป็นดอกไม้สีทองหรือเชียร์อะไรเขาคงโกรธโยมที่โยมมดแต่หัวลาะเขาอยู่่ะแลอวก็ สำหรับโยมยมไม่รู้เรื่องคําภาษาบาลีเลยค่ะอาจารย์ยมยึดอยู่อริยสัจ ส, สี่อย่างเดียวค่ะอาจารย์อย่างอื่นยมไม่เป็นพ อ, อ, อแล้วรู้แค่นั้นก็พอแก่นรู้แก่นแล้วปฏิบัติอริยสัจ ส, สีได้ก็จบปัญหาทางการก็จะจบคําพูดของอาจารย์ที่สอนมันจะผุดขึ้นมาในใจทุกครั้งที่มีปัญหาค่ะอาจารย์ยกรขอบพระคุณนะคะอาจารย์อคุณซันนี่แบงค์ก็เชิญ การนมัสการค่ะพระอาจารย์มาร่วมฟังธรรมไม่มีคาถามค่ะโอเคคุณโอพีเคนผู้เกตนำกลับนมัสการพระอาจารย์เจา้าค่ะเคนนี้มาร่วมรับฟังเจ้าค่ะไม่มีคาถามจช่อ่าดนปานิคุณสายปานิสากเจ้า น, าานำกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์ ก็ที่จริงเข้ามาแล้วฟังค่ะพระอาจารย์วันนี้อืมดีเอาไปเรื่อยๆถ้าไม่มีคําถามก็ไม่ต้องถามนะคะปฏิบัติไปเรื่อยๆนะเพราะงั้นต้องปฏิบัติต่อนะก็ปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่ก็ยังยังไม่ทันยังไม่ทันความคิดตัวเองเท่าไหร่ค่ะพระอาจารย์ก็ปฏิบัติยังน้อยอยู่ละเตียังน้อยอยู่ใช่ค่ะพระอาจารย์ก็ย้ำรอบเลย แต่ก็พยายามทําให้ดีที่สุดค่ะอาจารย์ทําไปเรือ่อยๆค่ะอดีมากาขอบคุณพระอาจารย์มากคะา่ะแม่น้องเลนจันลงแล็บชื่อปูเป้ค่ะขอบสาทุกค่ะชื่อปูเป้ค่ะพระอาจารย์ลุกกตาค่ะพระอาจารย์พ อ, อดีแม่ตั้งให้อ่ะค่ะเป็นอะไรเห็นแม่บอกว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสเนี่ยค่ะ จะจะหนูไปเปิดพสจะ น, น, นั้นหนก็เป็นดับแด่ดนะคะพระอาจารย์นีอืมก็ค่ะก็ของหนูก็ยังปฏิบัติไปเรื่อยๆช้ารจใจอะค่ะพอาจารย์ถึงร่างกายมีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะพอเวลาพอ ด, ดีหนูมีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านสุขภาพเวลาขึ้นรถเมย์เนี้ยค่ะพระอาจารย์คือมันจะต้องลงจากรถเมย์ไปเข้าห้องน้ําอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายอะค่ะช่วงที่ ก่อนที่จะผ่าสมองนะคะการทีเ่เอาประสบการณ์การเป็นเนื้องอกในสมองค่ะภาอาจารย์<ม>ก็ต้องรีบหาปั๊มน้ำมันอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ลงรถเมย์พอทีนี้มาช่วงมีปัญหาแล้วมาได้ออสได้สมัมผัสเกี่ยวกับเวลาอยู่บนรถเมย์อย่างมีความสุขก็เข้าสมาธิค่ะพาอาจารย์ไปคือมันไม่ได้มายุ่งกับร่างกายอะคะ่ะ ไปเข้าสมาธิประโยคกับใจอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยไม่มีปัญหาเหมือนเดิมมาค่ะในการเข้าห้องน้ําตามฟั่มอย่างเงี้ยค่ะรักขลุ่มเอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เราก็เลยแล้โอ้เป็นสิ่งที่ดีของการช้าใจอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือมันไม่ได้มาห่วงร่างกายมากอาจารย์ไช่มันก็ทําให้เราพ้นกับการที่จะปวดปัสสาวะได้นานขึ้น อางทีเราไปเราไปคิดถึงมันมันก็ปวดขึ้นมาทันทีใช่เจ้าค่ะแล้วก็รีบหาห้องน้ําด่วนเลยค่ะอาจารย์กลายเป็นว่าบางทีมันจริงมันไม่มันไม่ต้องเข้าก็ได้เห็เธอเพราเราคิดถึงมันปั๊บมันเกิดความอยากขึ้นมาทันทีเม่อเกิดควาอยากก็ต้องรีบไประบายทันทีถไม่ระบายมัวก็เครียดใช่ไหมใช่เจ้าค่ะอาจารย์ถ้าใจเราไม่อยากอาจเราไม่คิดมากมันก็ไม่สนใจกับมันมันก็ไม่มา สรางความความอยากให้กับเรานอกจากว่ามันเต็มจริงๆแล้วมันนี้มันมาจริงๆมันถึงใช่เลยครับทอยจานหนูก็เลยว่าโอ้ได้ดีของการปฏิบัติทางนะคะแบบก็เลยได้ปัจจุบันนี้ถึงร่างกายมันจัดทางเยอะแต่ว่าก็ต้องชา้าใจก็คือการปฏิบัติทางค่ะทอยจานใจจะต้องเหมือนแบบก็เลยมองตัวเองอะค่ะทอยจานเหมือนเป็นรถยนต์กับ โทรศัพท์อย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันต้องอาศัยการาสมาธิค่ะพระอาจารย์ในการ<ะ>ไปชาร์จเก็บไว้อย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์โดยที่แบบมันจะกลายเป็นมีพลังในการทํางานในปัจจุบันอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยได้แบบลุยไปได้หลายจุดเลยค่ะพระอาจารย์ในการชาร์จใจปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะก็เลยพลังใจสติคือพลังใจเจ้าขะอาจารย์ก็เลย พอใครว่าอะไรก็มองเห็นเป็นแค่อากาศเท่านั้นนะคะพรอาจารย์ส่วนอยากจะพิจาจรนานะตัวหนูเองนะคะหนูก็เลยมองเห็นว่าโอ ก, กิเลสนี่ก็สําหรับใจนะคะละเอียดก็มีนะคะพระอาจารย์ก็เลยเห็นโอคิเลสละเอียดก็เยอะค่ะพระอาจารย์หลายประตูเลยนะคะพระอาจารย์ค่ะโอเคพระอาจารย์ น, นั่งดีกวนะ่านะใจที่คุมมาลีตา วันี้มุตากาลขอบพ่อคะ่ะไอะไรมีอะไรไหมไม่ก็ไม่มีอะไรคะ่ะพ่อยังเิจานายสลับแบบสมาธิไปอยู่นะทำอยู่ค่าหลงพ่อหนูหูคิ่านสรุปของปกของหนูเง น, นะคะของพ่หน ก็คือ ว, ว่าถ้าเรามีสติที่ทันจริงเนี่ยทุกมันก็หายแล้วก็มันก็กลายเป็นความสุขแล้วก็พราะว่าทุกมันไม่มีแล้วมันก็ยินแล้วก็ยินดีในธรรมแล้วก็เราก็นําด้วยปัญญาอย่างนี้ยค่ะหลวงพ่ อ, อแล้วระดับความสุขความสงบเพราะมันที่หนูเคยถามหลวงพ่อค่ะหนูรู้แล้วค่ะว่ามันมันเพิ่มขึ้นระดับสุขที่แท้จริงนันเกิดจากการดับความทุกข์ พอไม่มีทุกข์ใจก็สุขขึ้นมาลไม่ต้องไปวิ่งหาอะไรดับความทุกข์ตัวเดียวแล้วดับตัณหาความอยากนั้นเองพอไม่มีตัณหาความอยากความทุกข์ใจก็หายไปพอทุกข์ใจหายไปความสุขใจก็โผล่ขึ้นมางมันแล้วมันก็มีเหลือไม่เหลืออะไรที่คลายอยู่ในจิตเราเลยอ่ะค่ะพอบอกมันก็คือเออมันเบามันมันเบามันสุขมันสงบจรค่ะแล้วก็อืม แล้วแล้วตอนเนี้ยมันเหมือนกับนั่งไม่ว่าเราจะลืมตาหลับตาเวลาเราทําอะไรเงี้ยมันมันก็สุขมันก็สงบอยู่ข้างในจิตเราเหมือนแบบมันคลับคลองโตยอย่างเงี้ยเลยค่ะหลแต่มันก็จะเห็นว่าเออความสุขความสงบมันก็ไม่เที่ยงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็คือหนูว่ามันดีอะค่ะหลวงพ่อเห็นเห็นแล้วค่ะหลวงพ่อดีเห็นตายรักเพ็น ไอ้จิตจิตก็เป็นไตายละอันนี้จังทุกขังร่างตาใช่ค่ะหลวงพ่อพอที่จะเข้าใจได้แล้วค่ะอืมค่โอเคทำต่อไปนะค่ะหลวงพ่อตอบขอบคุณอย่างสูงค่ ะ, ค, ะ, ะคุณทวิษาจากสวิตเซอร์แลนด์ไปไปนานเป็นไงไน้องเสือพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมได้รับแล้วใช่ไหมออค่ะดานวนอสการเข้าใค่ะ พิมเรียบร้อยแล้วค่ะพระอาจารย์แล้วอคุณหลานนาถวายพระอาจารย์แล้วใช่ไหมคะอะส่งรูปมาให้ดูแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้นํามาที่นี่ค่ะก็น้อยคนมาค่ะเดือนพฤศจิกาอ่าน้องปริชาตินะคะเขาจะกลับเขาจะกลับเมืองไทยนองเขาก็เลยจะรับอาสาอ่านํามาส่วนหนึ่งนะคะ่ะแล้วทีนี้โยมก็ปีหน้าโยมกลับไปโยมก็จะ ทยอยทยอยมาค่ะเพราะว่าตรวจสอบค่าขนส่งทางเรือทางอากาศรู้สึกมันเยอะเกินก็เลยว่าเดี๋ยวค่อยทยอยมาค่ะทยอยมาขนมาแล้วบางทีคุณคุณเคนแล้วก็คุณคาเดียได้ข่าวว่าแกจะไปเมืองไทยด้วยค่ะปลายปีก็เดี๋ยวค่อยคุยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะอันนี้ไม่ทราบเกีบยวกที่ไหน อ่าเก็บไว<ม>้บ้านเพื่อนที่กรุงเทพคะ่ะพระอาจานโอเคค่ะก็เลยถ้าเกิสดสะดวกที่ไปรับรได้ไใช่ไหมเวลาได้ค่ะแล้วเพื่อนเขาก็อ่าว่ารับรับอ่ารับให้ว่าถ้าเกิดว่าจะไปส่งที่ไหนเดี๋ยวเขาขับรถไปส่งให้คะ่ะค่ะก็สะดวกผ้าจารยนค่ะอก็เลยบอกอ่าว่านาถวายพระอาจารย์ด้วยแล้วก็เผื่อเผื่อมีฝรั่งที่ใช้หรือคนที่ใช้ภาษาเยอรมันเผื่อเข้าไป ที่วัดอะไรคะพระอาจากกรย์ก็เลยเอาเอาเอ า, เอาไว้ที่พระอาจารย์เยอะหน่อยห้าสิบเล่มถ้าเกิดใครอยากได้อะไรเงี้ยกน็น่าจะพอมีไหยคะพระอาจารย์ฝรั่งที่พูดภาษาเอยอรมันไปที่วัดก็มีบ้างหรือบางทีคนไทยที่เขามีสามีเป็นเยอรมันเข้ามาทําบุญกันก็มีอือค่ะพระอาจารย์น่าดีค่ะพระอาจารย์ วันนี้ยมมีคําถามสองคำถามค่ะพระอาจารย์มีข้อสงสัยค่ะอ่าว่ามาค่ะคือคือข้อแรกคือเหมือนคือยังยมยังยังมองเห็นว่าคนนั้นสวยคนคนนี้หน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะและ้วทีนี้ยมก็ใช้มองเป็นเอ่าตอนแรกใช้มองเป็นโครงกระดูกมันก็ยังไม่มันยังไม่ซึ้องอะค่ะพระอาจารย์มันยังมันยังเห็นไม่ชัดค่ะและ้วทีนี้ยมก็ องมอ ง, งบ่อยๆมองไปเรื่อยๆก่อค่ะแล้วทีนี้โยมก็เลยเคยเคยฟังพระอาจารย์พระอาจารย์เคยเท่ครั้งหนึ่งค่ะไปพอดีไปเปิดเจอพระอาจารย์บอกว่ามันสวยแค่ที่หนังให้ถลกหนังออกมาโยมก็เลยนึกภาพตอนที่ทุกคนที่โยมเห็นถลกถลกหนังออกมาก็จะเห็นเป็นเลือดซิปๆแล้วก็เป็นแบบแล้วก็เคยดูกายวิภาคนะคะที่มันมีเอาหนังออกหมดให้มันเหลือเฉพาะเนื้อแดงพอเห็นจุดนั้นปับ๊บ มันหยุดเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันมันเหมือนกันทุกคนยมก็เลยว่าถ้าใช้ข้อนี้แทนกระดูกแล้วยมหยุดตรงนี้มันใช้ได้ไหมคะหรือว่ายมต้องดูดดแต่ล<ต>ะคนอาจจะมีมีเจริตี่ไม่เหมือนกันบางบางคนเห็นขอกระดูกก็ก็จิตก็เห็นเห็นปล่อยวางได้บางคนก็นอกเลเห็นเป็นซากศพแล้วแต่อันนี้แล้ว <c oughs> แต่วิธีการใะ <c oughs> อาการได้อาการหนึ่งของสาสิบสองนี้ก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหะ อืถ้ามันทําให้ใจเราเห็นว่ามันไม่สวยไม่งามมันสกปรกมันเป็นอสุภะค่ะค่ะโยมก็เลยพอดีโยมเห็นไปาเนยเอ๊ะพอโยมถลกหนังออกมาให้มันทีนี้พอถลกหลังเสร็จมาเอ๊ะทุกคนมันเหมือนกันหมดโยมก็แบบคึมหยุดตรงนั้นเลยค่ะพระอาจารย์โยมก็เลยเอ๊ะหรือว่ายมต้องดูต่อไปถึงกระดูกอะไรนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นอไม่จำเป็นพระอาจารย์เราดับความรูความหลงที่ไปเห็นว่าร่างกายสวยงามได้ก็ใช้ได้ออื ค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะส่วนอีกคำถามข้อที่สองก็คือมาสิ้นสิ้นเดือนโยมไปเจอข้อสอบอ่าคือโยมไปฮอลลีเดย์เองค่ะพอาจารย์พอดีคนที่บ้านเขาต้องไ่โยมก็ไปด้วยก็ขึ้นเครื่องบิน่นนาไปโยมก็ปกติเวลาขึ้นเครื่องหรือว่าเดินทางโยมก็จะมีอ่าสวดมนต์ตลอดทางอะไรเนี้ยค่ะคือคล้ายๆว่าเออเหมือนคิดว่าตงให้รู้สึกปลอดภัยแล้วก็มีแบบ จิตที่ว่างๆนะคะก็จะใช้บริกรรมพุโทโธพุโทโธตลอดในการเดินทางถ่ไปก็พเพินไม่มีอะไรก็คือเครื่องมันก็ปกติค่ะก็คือนิ่งเงียบไม่มีอะไรแต่พอขากับเกิดพายุพระอาจารย์โ ย, ยมคือขากับโยมก็เลยว่าอ่าโยมจะไม่บริกรรมคือโยมคิดว่าเอ่อจะท ด, ท ด, ทดสอบวิชาของตัวเองก็คือว่า บ ป, ประมาณไหนข้อสอบได้ไหมยมก็ไม่บริการแต่โยงน่ะนิ่งๆแต่ทีนี้พอไปถึงเครื่องมันสั่นมากค่ะพระอาจารย์คือมันเจอพายุมากคือตอนแรกมันดีเลยหนึ่งหนึ่งชั่วโมง เ, เพราะเผิดพายุแล้วตอนสุดท้ายเขาก็เอาเครื่องขึ้นแล้วไปเจอพายุข้างบนก็ประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงคือเริ่มแรกโยมก็รู้สึกกลัวค่ะพระอาจารย์พอรู้สึกกลัวพยมก็เลยใช้บริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทพโธไป โยมก็คิดว่าเครื่องตกแน่เครื่องตกแน่ <c oughs> คือมันมันมากนุมก็รู้สึกว่ากลัวค่ะกลัวขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วพอกลัวเสร็จโยมก็ติดติดโซต่อมันก็ยังไม่หายก็ยังรู้สึกกลัวอยู่ค่ะพระอาจารย์โยมก็เลยคิดว่าโยมก็จังหวะที่พุดโธต่อบริการต่อโยอมก็ยังยังในใจยังมีนึกอยู่ค่ะว่าเอ้ยเรายังไม่ถึงไหนเลยคือจะตายแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เครื่องจะตกแล้วเหรอจะตายแล้วเหรอยัง ปฏิบัติไม่ถึงไหนเลยตายไปนี้จะต้องโอ้ยังจะต้องไม่ยังยังไม่ถึงเข้าขั้นอะไรเลยจะต้องไม่รู้กี่พันกี่ร้อยชาติอะไรเงี้ยค่ะว่าอาจารย์ยมก็เลยนึกนึกถึงบารมีพระอ า, าจารย์อีกยมก็เลยวนนึกถึงบารมีมันมีบารมีพระอาจารย์อีกพระอาจารย์ลูกลูกยังไม่ไปถึงไหนเลยยังเพิ่งมีอะไรแค่ข้าดเลยอย่างเงี้ยค่ะยมก็นึกอย่างนี้ต่อเสร็จแล้ว เครื่องมันก็ยังยังยังแบบสั่นมากแบบมันทั้งสั่นทั้งวิวทั้งแบบอาการหนักนะคะพระอาจารย์ยงก็ต่ออีกยงว่าโอ้ยไม่มีอะไรได้ช่วยได้แล้วอะไรอย่างค่ะพระอาจารย์โยมก็ได้แต่พุทโธพุทโธพุดโทรไปต่อแล้วก็กลับมาที่พุทโธใหม่แล้นี้โยงก็เลยก็เลยจังหวะนั้นมันก็หลายๆเรื่องเข้ามาในในหัวนะคะพระอาจารย์แล้วโยงก็เลยคิดว่าเอามันจะตกก็ตกตายก็ตาย มันยังไงอะไรที่ไม่เสร็จข้างทั้งก็ช่างหัวมันยมก็เลยคิดถึงเนี้ยค่ะพระอาจารย์ยมก็เลยก็ยยยกเลยแบบว่าแต่ก็ยังภาวนาพูดโทนะแต่ว่าคิดว่าเอ้ยช่างมันคืออะไรก็ช่วยไม่ได้แล้วตายก็ตายอะคะ่ะตอนนั้นแล้วมยมก็อพูดโธต่อค่ะพูดโธพอพูดตไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันก็นิ่งค่ะพระอาจารย์นิ่งแต่ว่ามันมันไม่ได้ที้สุดเบานะคะพระอาจารย์มันแค่นิ่งคือมันใช้เวลานานมากเป็นแบบเครื่องแบบ ปกติจะเดินทางแค่หนึ่งชั่วโมงขึ้นแต่ว่าเครื่องที่สันเจอพายุประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงค่ะพระอาจารย์แล้วแล้วยมก็รู้สึกพอพอปล่อยตรงนั้นพอตายก็ตายเป็นไงเดยมก็รู้สึกนิ่งแต่มันไม่ได้เบาเบาแบบโลง่งสบายใจนะคะพระอาจารย์มันแค่รู้สึกนิ่งเฉยเฉยแล้วก็ยอมรับ ว, ว่าเอ อ, อจะเป็นยังไงก็ช่างมันแค่นั้นค่ะพระอาจารย์ยมก็ไม่รู้ว่าก็ออ <c oughs> ไม่เป็นไรขอให้มันไม่ทรามานก็ใช้ได้ ค่ะครับพอถึงจุดนั้นมันไม่ทรมานค่ะแต่มันไม่ได้โล่งเบาสบายอะค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะมันยังมันยังไม่ไม่นานเยังอาจจะไม่ยอมตายเต็มร้อยอื่เองอืมค่ปากปากว่ายอย่างึงใจว่ายอย่างค่ะค่ะเหมือนที่โยอมอธิบายให้ให้คุณคุณอะไรนะที่ก่อนหน้าเนี้ยค่ะที่ฟังโยมก็เลยว่าอุ้ยมันเหมือนที่พระอาจารย์บอกมันยังไม่ยอมรับเต็มร้อยอืม อืแล้วทีนี้ยมเนี่ยไปเท่าที่ยอมได้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าถ้าถึงต้อง<ถ>ให้มันอาจจะให้มันเคลมเสียง ม, มากกว่านี้เมื่อมันจะพยายามนับได้เต็มร้อย <c oughs> ตอนนี้มันยังเห็นว่ามันจะงห้าสิบห้าสิบอยู่ยังมีโอกาสรอดอยู่มันก็เลยยังไม่ยอมเต็มร้อยคือตอนนั้นมัน <c oughs> ถ้าเกิดมันเริ่มดิ่งลงไปที่มัาจะยอมเต็มน้อยเลยก็ได้อันนั้นก็ยังไม่สราบเามืนกันว่าจะดิ่งแล้วมันจะแบบ เป็นยังไองอะไรยังไงแสดงว่าเรายังไม่ได้ปล่อยยังยังไม่ได้ยอมเต็มร้อยแหละยอมแบบหนะ้าสิบห้าสิบนยังมีรุ่นว่ารุ่นว่ามันมันแต่ตายก็ถ้าไม่ตายได้ก็ดีนะ <c oughs> แันยังไม่เต็มร้อยมันไม่ยังมันไม่ยังปล่อยเต็มร้อยมันยังห้าสิบห้าสิบอยู่พระอาจารย์้วที่ยอมถามต่อถ้าเกิดว่าถ้าเราปล่อยได้เต็มร้อยเราจะรู้สึกว่าเราจะโลภสบาย หายกลัวหายหายกลัวหายทุกคนอืมโอเคค่ะอาจารย์ยมจะได้เอาไว้พิจารณาค่ะอ่ามันอาจจะเหตุการณมันยังไม่ดุรนน้ายพอที่จะทําให้เราปล่อยันเต็มน้อยมันก็เลยยังไม่ปล่อยเต็มน้อยยังทางกัดไว้หน่อยโอ้ปาอาจารย์แต่มันทั้งสัน่นทั้งทั้งโค้งทั้งแล้วเครื่องบินเล็กด้วยค่ะอาจารย์แล้วแบบมยมก็ก็ไม่เป็นไรอ <c oughs> ย่างน้อ ย, ยการมันก็ลดความทรมานควทุกข์ใจได้ก็ถือว่าโอเค ค่ะค่ะตรงจุดนั้นมันมันมันหายทุกใจอยู่ค่ะคือตอนแรกมันทุกข์อยู่นะคะอาจารย์ันแล้วก็มาหลายๆต่อแล้วก็ตามสเต็ปๆสเต็ปพอตอนมาจะพอจนอ๋อมันไม่มีอะไรช่วยตายก็ตายแต่มันยังที่บอกค่ะพระอาจารย์ว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้โล่งมันก็ยังแค่นิ่งๆแต่ว่ายอมรับแต่ปล่อยไม่หมดยังปล่อยไม่หมดค่ะโอเคค่ะพระอาจารย์ถ้าปล่อยหมดมันจะมันจะมันจะเบาแล้วใช้พุทโธช่วยหดูไปได้นะถ้ามันไม่นิ่งก็พุทโธพุทโธต่อ ค่ะอาจารย์ขยมจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติถ้ามันเจออีกค่ะก็ไม่<ด>มีไม่ไม่ใช่ได้โอเคค่ะมี่ก็สงสัยประมาณนี้ค่ะอาจารย์ถูกแนวทางแล้วแต่มนุษย์จะปล่อยไ ม, ไม่ไม่หมดอีกนึงยังมีภาพอะไรอวบนอยู่ยังยั ง, ย, งยังไม่ปล่อยหมดค่ะค่ า, า, า, ามาลองพูดโทรช่วยก็ได้ช่วงนั้น ถ้ามันยังไม่โลกก่งกบพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธต่อไปยอมตายแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปค่ะพระจานทร์ค่ะผมก็จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติานี้เราก็จะต้องก็คือเหมพระจานทร์บอกก็คือเราก็ฝึกสมาธิไปเรื่อยให้อุบวยขาแล้วก็พิจารณาปิยสัจไปต้องเจอเต้องเจอความตายด้กันทุกคนเนี่ยค่ะยอมแล้วก็สบายยอมยอมตายแล้วก็จะสบายผมก็อยากจะเจอ ภาวะนั้นเหมือนกันค่ะแบบสบายโล่งแต่ว่ามันยังไม่ได้เจอมันยังอาตการณ์มันยังไม่รุนแรงพอนี่ให้ไปถึงจุดนั้นได้ไม่ยังมันจังไม่ปล่อยเต็มที่ถ้าเครื่องมันเริ่มดิ่งหรือว่าไฟลุกไหมอะไรอย่างนี้มันอาจจะย่อกล่าวว่าบางชีนั่งไปแล้วมองแบบทั้งๆแบบเครื่องเครื่องยนต์นะคะบางทีก็นึกว่าเออถ้าเกิดเครื่องยนต์มันไปลุกปุ๊บ เราจะเกิดยังไงขึ้นนะคือบางทีมันก็มีจินตนาการเหตุการณ์เหมือนกันครับอาจารย์การโอเคค่ะว่าอาจารย์ยกไปถูกทางแล้เพียงแต่ว่ามันยังไม่ไม่ไม่สุดนั่นเองปฏิบัติต่อไปพยายามต่อไปครับพี่ชายคขับปคุณขอบคุณครับอาจารย์ไปต่อนะเดี๋ยวต้องรอนคิวน่าคุณ สลีระเนี่ย่ไหมชื่อสรีรครับครับใช่ครับสลี ส, สลีครับสลรีสรลอะอาไปผมชื่อยนธาตุรอาจารย์อยู่ที่ไหนใครเขา้าคนอื่น<ม>อยู่กรุงเทพรครับครับสวัสดีพระอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆทุกท่นรรานนะครับผมติดตามพระอาจารย์ได้ประมาณสองอาทิตย์เองครับ แต่ก่อนนั้นนก็ปฏิบัติที่บ้านโดยตลอดนะครับมีคำถามจะถามพระอาจารย์นะครับถ้าเกิดในระหว่างที่เราปฏิบัติแล้วเกิดทุกเวทนานะครับปกติผมจะใช้วิธีการดูลงหายใจแล้วถ้าเกิด เ, เกิดทุกขเวทนามากๆเนี่ยเราควรจะดูที่ไหนครับก็เปลี่ยนมาเป็นใช้คำบาคกรรมแทน ให้ใจกาะติดอยู่คำบริกรรมอย่าไปสนใจกับอาการเจ็บเพราะช่วงนั้นถ้าเราไปรับรู้อาการเจ็บมันจะเกิดตัณหาความอยากอยากให้ความเจ็บหายไปแล้วมันจะทําให้เกิดความทุกข์มากขึ้นนั้นอย่าไปอย่าอย่าให้ใจไปคิดถึงความเจ็บเลยให้ใช้คําให้ยึดติดกับคำบริกรรมพุทโธอุทโธแทนพอใจลืมความเจ็บได้ความอยากหายเจ็บมันก็จะหายไปใจก็จะหายทุกข์ยังไง จะไม่เดือด้นกความเจ็บของร่างกายได้อืมแล้วแล้วครับแล้วปกติผมนั่งเนี่ยเอ่อมันจะมีอาการวูบนะครับอาจารย์มันก็วูบสองอย่างวูบหลับแล้ววูบวูบเข้าสู่ความสงบถ้ามีความรู้สึกตัวเต็มที่ครับมอนก็มันก็เริ่มเข้าสู่ความสงบบางที่มันก็วูบเป็นขั้นๆไปมันไม่ได้วูบทีเดียวเต็มน้อยก็มีครับมันนวดเป็นเกียร์ เราขับรถเราเปลี่ยนเกียร์มันก็เครื่องก็เบาลงหน่อยอันแต่ mm hmm. สภาพมังก็งั้นมันก็ดังเป็นบานมันก็เปลี่ยนเกียร์ลงไว้ดีมันก็มันลงไป็ั้นขั้นก็มีลงแบบพรวดพราดเลยก็มีแล้วแต่ไม่แน่น่าแต่สติของเราแต่ mm hmm. เข้าใจนะมเข้าใจครับให้รู้เฉยๆมันจะเป็นยังไงเราไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปจัดจ้านมันบังคับกันไม่ได้ ให้อยู่คำลมไปถ้าเราดูลมก็ดูลมสอดไปครับ น, น, น, นะครับมีเท่านี้แหละครับอาจารย์ถ้าจิตเราไม่นิ่งเต็มที่ก็ต้องดูลมไปจน ก, กว่าจิาจะนิ่งเต็มที่แล้วลมก็จะหายจากความรู้สึกไปแต่อย่าไปอยากให้มันนิง่งอย่าไปอยากให้มันสงบถ้าอยากมันจะไม่มีวันที่จะสงบได้ให้มีสติ ด, ดูลงไป อาการปวดนะครับอาจารย์เท่าที่ผมคือเวลาผมนั่งอ่ะผมก็ดูลงหายใจนี่แหละก็เข้าพุทธออกโพวิธีการของผมนะครับแต่เวลาเกิอดอาการปวดเนี่ยคือผมนั่งผมผมนั่งขัดสมาธิเพช น, นะครับเวลาผมปวดอ่ะผมผมเคยไปเพ่งมันไปพิจารณามันอาการปวดมันจะเดี๋ยวปวดมันจะถึงที่สุดอ่ะ แต่มันมันมันก็ไม่ไปสุดที่ดีแล้ว<น>เราเอาพิจารณาอย่างไงร่ะมันต้องมีหลักการงานพิจารณาการพิจารณาของผมคือผมดูดูความปวดแล้วพยายามบอกตัวเองว่าความปวดนี่ไม่ใช่ของเราความปวดนี้ไม่ใช่ของเรากายนี้ไม่ใช่ของเรามผมเตือนตัวเองอย่างนี้ตลอดในตอนที่ผมนั่งนะฮะแล้วผมก็ดูแต่ตามทำตามที่เราว่าได้หรืบเปล ไหวมันปวดไปอย่าไปอยากให้มันหายแค่นี้อ่ามันมันมันเคยมีครั้งหนึ่งครับอาจารย์นี่ความปวดมันหายไปเลยอ่ะมันกลายเป็นความเบาได้บางทีมันก็แล้วมันก็เย็นพอใจปล่อยไปบางก็หายได้ครับแต่มันเป็นแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นมันก็ไม่มีอีกเลยอ่าแล้วเวลาผมดูความปวดเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจนบางทีมันร้อนร้อนจนมันเหมือนเข็มทิ่มก้นนะฮะ เหลือแค่จุดเดียวอ่ะแล้วมันก็หายไปเลยตอนตอนนั้นที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมผมบอดีผมไม่ไม่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องอืผมปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ผมไม่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องแล้วก็บางทีก็เกเรด้วยนะครับแล้วคราวหน้าเวลาเจอมันก็ทําแบบเดิมลุเนี่ยก็เท่งเหมือนโดนไปพิจารณาไปมันไม่เที่งมันเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องดับไป เป็นด้นหน้าตาเหรอฮห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ครับอย่างนี้ก็ได้ใช้ปัญญาพิจารณาไปครับถ้าใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้าบ ร, ริกรรมนิ่ใจออกจากความเจ็บเปก่อนอย่าไปสนใจกับความเจ็บครับแต่แต่ก่อนที่มันจะหายไปเนี่ยเราต้องต้องมีสมถะก่อนถูกไหมครับอาจารย์ คือเราต้องอดทนกับมันก่อนใช่ไหมครับใช่มันต้องมีสติพอที่จะทําทจะให้เป็นโอเบคา้าให้วางเฉยให้ได้มั่งเฉยได้ปั๊บมันก็จะหายก็ได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่เราจะใช้แบบไหนก็ได้ใช้กคำใบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้มันถี่ไปนะไม่ต้องไม่ต้องดูลงไปไหนทิ้ลงลมไปไหนเอาแต่คำใบริกรรมอย่างเดียววันน <c oughs> ี้ต้องให้มันเร็มขึ้น ถ้าจะให้มันเร็วแล้วไปผล่กับลมมันมันลมมันไม่เร็วตามนะเอาว่าทิ้งลมไปเลยปล่อยลมไปเลยให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเพราะพราะเวลาปวดมากๆเนี่ยลมหายใจมันจะไม่นิ่งหละมันจะมันจะตายใช่มันลมไม่ลมใช้ไม่ได้ในกรณีที่เจอทุกขเวทนาบ้างๆเนี่ยต้องใช้คําบริกรรมใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันเป็นตายนักไป โ <Okay>, yeah. อเคนะครับตองคุณปราวาา่าอะไรสีราัชาสามรมศการเจ้าค่ะพระอาจารย์อ่อมทอนญาตถามคำถามท่านพระอาจรารย์เจ้าค่ะคือจากที่อ่อมเราเราใช้ความอะไนะคะความทุกข์อาหมาเป็นตัวที่จะฝึกปฏิบัติให้เราอ่อมสามารถยับยังความ ความทุกข์แล้วมีสติได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อเมื่อเราสามารถที่จะฝึกความทุกข์เหล่านี้ยเราเอาอายะสัจสี่มาตัดปุ๊บเนี่ยเราความทุกข์มันหายทำไปเรื่อยๆแบบนี้เพื่อให้มันเกิดอุเบกขาเพื่อแล้วก็ทำจนนิ่งให้ได้ตลอดยี่สิบี่ชั่วโมงใช่ไหมเจ้าคะ่ะอืมอแล้วหลนะังเกิดทุกเราก็ต้องใช้สัญญา มาแล้วต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากต้องไปต้องไปค้นหาให้เจว่าเราทุกข์เพราะอะไรทุกพวาะเราอยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเจ้าค่ะเมื่อหลังหลังจากนั้นเมือม่อเมื่อเราทําทําได้ตลอดเวลาค่ะสิ่งสิ่งที่ที่สําคัญที่พวกเราเรียนก็คือเมื่อถึงเผชิญความทุกข์ที่สุดเช่นความตายอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือการไม่ยึดเราแม้กระทั่งครอบครัวหรือว่าทรัพย์สินเงินทอง เพื่อให้ให้เราสามารถที่จะไปไปไปไปนิพพานได้ใช่ไหมเจ้าค่ะก็ความอยากหมดเมื่อไหร่ความทุกข์หมดเมื่อไหร่ก็ถึงนิพพานเมื่อนั้นนะนิพพานันก็อยู่ในจิตตอานี้นอือเจ้าค่ะอต่ยัง ค, ความอยากมีความทุกข์อยู่มันก็ยังไม่ถึง น, นิพพานมีที่หนูเพิ่งเพิ่งไปเจอมาเหมือนเหมือนเหมือนกับอ่าพี่ที่อยู่ทางภาคใต้ค่ะที่ที่คุยกันเมื่อสักครู่นี้คือ นูมีมีคนที่เขาพูดถึงหนูเรื่องที่ไม่ดีให้กับให้กับน้องคนนึงฟังแล้วเขาเอามาเล่าให้หนูฟังอะไรเงี้ยพอพอหนูฟังหนูก็หนูก็หัวล็อกแทนที่หนูจะโกรธอะไรเงี้ยอย่างเช่นเขาพูดว่าหนูเลี้ยงผีแล้วหนูก็ไหวผ้ผีอะไรเงี้ยค่ะแทนที่ความเป็นจริงมันก็เป็นคนละเรื่องแต่ว่าพอฟักเมื่อเมื่อก่อนถ้าถ้าไม่ถ้าเพิ่งปฏิบัติใหม่ๆก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นหัวเราะแทนอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ เราไม่เุกข์ไ่<ช>ได้ไม่ทุ ก, ก็สแสดงว่าเราตัดความอยากได้ความอยากให้เขาพูดความจริงแล้วพูดพูดเรื่องที่ดีกับเราทตอนยาเราจะอยากแบบนั้นเนี่ยอะไรใครพูดมาเดี๋ยวเราก็อยากให้เขาชมเราหรือพูดความจริงนีพอเขาไม่พูดความจริงเราก็เลยโกรธแต่ตอนนี้เรามีปัญญาลุ้นถัแล้วไม่โกรธเขาทำไมเราห้ามเขาได้หรือเปล่าใช่ไหมเจ้าค่ะอ่าสั่งเขได้แล้วเ่ะ หนูก็หนูใช้แบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วค่ะหนูกนตั้งใจว่าพอพ อ, พอที่พระอาจารย์สอนมาหนูก็ตั้งใจแล้วว่าถ้ า, ถ, าถ้าเราท่องสติแล้วเราก็สามารถที่จะรักษาอุเบกขานี้ได้มันมันน่าจะทําให้ปฏิบัติได้ได้ดีขึ้นแลว้วไหวขึ้นเจ้าค่ะต้องใช้ปัญญาด้วยปัญญาค้นหาเหตุที่ทําให้ใจเราทุกข์คื อ, อความอยากนะคะขอบคุณเจ้าค่ะคุณ อ, อนันต์ ไปยังไงไปงานบุญที่ไหนมาแล้วบ่าไม่ได้ไปเลยค่ะพระอาจารย์ไม่ได้เลยค่ะก็รอช่วงกระถิ่นอีกทีหนึ่งค่ะช่วงนี้ก็กลยแล้วหนึ่งยืมของไว้ก่อนแล้วมั้ตรงนี้ช่วงนี้ส่ไว้เลยค่ะไม่ก็ส่งให้เขาจัดการส่งไปที่วัดกันเลยแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ต้องก็ก็ก็พอจะรู้และมีอะไรเพราะว่าเป็นปีปีทํามาหลายปีแล้วก็ ก็พอจะรู้รู้อะไรที่เราต้องใช้ในในในงานนั้นๆอะไรอย่างนี้นนนนะคะ่ะแล้วก็มีลูกทีมเขา oh. น้องๆเขายินดีจะช่วย oh. อะไรอย่างนี้ช่วงนี้ก็เลยมีเวลากลับมานั่งปฏิบัติเว็แบบแบบก็หายหายเว็บขึ้นไปอยู่มุมนั่งปฏิบัติอะไรอย่างนี้ค่ะก็ก็ดีละจังเพราะเรามีเวลากลับมาทํามันก็มันก็ดีกําลังมันก็มาอะไรอย่างนี้ค่ะอาจารย์วันนี้ยมไม่แน่ใจอย่างตะก่อน สมมติเราท่านั่งในเวลาเดิมสมมตินั่งในเวลาชั่วโมงครึ่งเนี่ยเราจะเห็นทุกขเวทนาเราก็จะเริ่มลงไปพิจารณาหรือจะจะใช้ลมหายใจหรือจะบริกรรมเพราะนี่ตอนเนี้ยเวลาเท่าเดิมเนี่ยมันไม่มาแล้วมันว่าเรามันมันอาจจะชิมแล้วเราควรจะนั่งให้มันนั่งให้นั่งให้มันม า, มาเลยอาจารย์คือจริงจริงหลักควรยังไงโดยหลักเรานั่งเพื่อทําใจให้สบงบงอ่าที่บางทีมัน ถ้าสตินี้มันก็สงบไปเร่อมันก็อาจจะไม่มีเวทนาอะไรก็ได้ช้องพยายาม น, นั่งไดนานแต่บางทีสติไม่ได้นั่งไปทักครังเวทนาผอมไม่มาแล้วเฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีจัดการกับมันเนพะื่อเราจะได้นั่งต่อไปได้ใช้อย่างที่บอกใช้คําบริกรรมหรือใช้สติมันที่จะใช้ปัญญาหลักสุดแท้แต่เราเจตนาเพราะลงนั่งแต่ละครั้งเราไม่สามารถที่จะไปกําหนดได้ว่ามันจะ มันจะดีเท่าเหมือนเดิมดีอรับางทีมานอาจจะมีนิวมันนิวร์ทำให้ใจเราฟุ้งซ่านนั่งไปแล้วมันก็เลยทําให้เกิดความเจ็บขึ้นมาได้ง่ายและได้เร็วพอวันไม่ฟุ้งซ่านจิตนิ่งสงบมันก็สงบไปเวทนาก็ไม่เกิดเลยก็ได้อ่าแล้วไม่ประเด็นก็คือเราต้องการนั่งให้มันนิ่งให้มันสงบให้เป็นอุเบกขาแต่ถ้าเกิดมีอะไรปัญหาขึ้นมาก็ต้องหาวิธีแก้มันเพื่อที่เราจะได้นั่งต่อไปได้ ก็คือถ้ามีอาโพกันมาเราก็ต้องแก้ปัญหาเพื่อเพื่อให้เราสามารถจะไปเจอความสงบอีกขั้นหนึ่งใช่ใช่ได้ต้องแต่แต่ใช่พระอาจารย์พุถธุคือบางวันมันก็ดีดีบางวันมันก็ใจมันคิดมันมีเรื่องข้างอยู่ในใจมันก็เลยไม่ค่อยอยู่กับลงแล้วก็อยู่กับพุทโธเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สถานการณ์เจ็บขึ้นมานะ อ่อืมอาามันอยู่กับพุทโธที่ อ, อยู่กับลมไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะมันก็เย็นสบายนิ่งสงบไปจริงๆถ้าวันไหนถ้าสติดีเนี่ยไม่ไม่ใช้พระคำบริกรรมคืออยู่กับลมหายใจเนี่ยจริงๆวิชาพระพุทธเจ้าลมหายใจนี่ดีมากนะอาจารย์มันมันดีที่สุดอะสบายดีเลยคุ้นชินเฉยๆเองไม่เหนื่อยใช่ไม่เหนื่อยเราก็สบายแล้วก็แล้ว ก, ก็นิ่งสงบได้ได้เร็วกว่าแบบเวลาบริลกรรมเนี่ยใช้เวลานิดนึง ถ้าพ<ม>ี่สังเกตดูที่นี้ใหม่ก็เลยถ้าใช้อนาปานสติได้ดีที่สุดะนคะคะก็ก็ยังปฏิบัติขรัอาจารย์คือมีเวลาก็ปฏิบัติเก็บเก็บเกี่ยวเสมอครับอาจารย์เก็บต้มไปเรื่อยๆนะอย่าทิ้งนะไม่ทิ้งอาจารย์สําคัญที่สุดก็จริงๆโยมก็รู้ว่าสําคัญที่สุดสุดยอดของธรรมก็คืการปฏิบัติเลยใช่ค่ะอาจารย์จริงๆมันมันก็ภาวนาภาวนาี่เป็นสุดยอดของธรรมค่ะ ใช่ค่ะทานมันเั็นเพียงแต่เปิดเบินของธรรมใช่ค่ะศีลก็อันนั้นต้องอยู่ในใจเสมอมันอยู่แล้วอาารย์มันเป็นสิ่งที่มันมันต้องอัตโนมัติแหละมันเหมือนแบบเออมันไม่ต้องว่าบางคนยังคิดว่าต้องไปซอยสมทานล้วบอกว่าไม่ใช่ศีลมันต้องแบบมันต้องมีอยู่รักษาตลอดเวลารักษาตลอดเวลาใช่ไหมอาจารย์ง่ายมากนะโอเคกะขอบคุณอาจารย์เอาไปในองศเวลามัน ดอด้หมดนะใช่อาจารย์ลักษณะค<ส>ุณค่ะกุ่มพัฒนามีอะไรไหมเข้ามากราบพระอาจารย์เจ้าค่ะโอเคเ อ, อเไาไปไหนเมื่อวานกติมากกว่านะอาจารย์เมื่อวานติดงานบรรพชจริงๆว่าจะไม่ขาดแต่ว่าติดงานก็เลยก็เลยต้องต้องทําใจนี่จางวันนี่จังไม่น่นอนเลย แล้วแล้วตอนนี้ก็เออ่มีความคืบหน้าอีกอีกอันหนึ่งก็คือว่าเจอวัดที่ที่คิดว่าจะไปปฏิบัติอยู่ได้หลายๆวันเจ้าค่ะพระอาจารย์มีอะไรอยู่เออเป็นวัดอยู่สุรินทร์เจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นวัดเล็กๆแต่ว่าอยู่ในป่าอยู่ในเขตป่าเลยเจ้าค่ะ <ไป S 2> เคยไ ป, ไปูมาแล้วเลยเคยไปครั้งหนึ่งกับเพื่อนตอนนั้นพอดีรู้จักกับพระอาจารย์ที่เป็นเจ้าอาวาสเจ้าค่ะออื ดีก็ลองไปดูถ้านที่สงบที่ที่ปลายด้านก็ลองไปดูถ้ยจะถูกจะเจริญ ก, กับเราอาจจะได้อยู่ได้ น, น่านค่ะก็ก็คิดว่าจะลองแล้วก็จะใช้วิชาของพระอาจารย์ที่สอนว่าถ้าเกิดความกลัวก็คือให้ให้นิ่งไม่ให้ไม่ให้ตอบโต้ไม่ให้ต่ อ, ต, อ, ต, อต้านเขาอย่างนี้ค่ะอ่าดีก็จะพยายามวนดูว่าจะอยู่ได้ไหมอ่าต้องลองดูถึงยันแล้วก็ กค่ะถ้าเราไม่มีความอยากคงคงไม่มีปัญหาอะไรเจ้าค่ะอ่าต้องไปดูต้องไปปฏิบัติถึงจะรู้คิดไปก็ยังไม่ใช่หนึ่งของจริงเจ้าค่ะเจ้าค่ะค่ะนะกลับเรียนพระอาจารย์ท่านนี้เจ้าค่ะโอเคหลวสุนทรศรีนิ่งตลอดเลยมาสักการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะโอเค ไปที่สวิตแลนด์ต่อมันไปยอะมากเห็นคุณทวิสาบอกว่าจะกลับเมืองไทยน ะ, ะนักกษาค่ะอาจารย์ระจะกลับเมืองไทยวันที่8พฤศจิกาค่ะอะจะมาเยี่ยมบ้านนะเอเอพอดีด้วยค่ะแล้วพอดีแฟนจะไปเที่ยวเมืองไทยอยากไปเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ยิวเพื่อนไปด้วยคนหนึ่งก็งเลยช่งวงเดนกันยายนก็มาใช้งินในเมืองไทยเยอะๆหน่อย คแม่นคักคักค่ะฟ้าจันทร์<笑>ใช้เสร็จแล้วก็ไล่กกับแล้วให้คนน้องปื้พี่<笑>พี่ปุไมไปด้วย<笑>ใช้เสร็จเพราะยังไงเขาไม่ซื้อของเยอะอยู่แล้วก็บอกขอที่หน่อยนะเจ้านั่งซื้ อ, อ, อที่ ป, ป, ปุ๋ไปว่ามาหลายค่อยก็ฝากไปได้หลายเล่้มนะได้ค่ะค น, คนะห้าโลคนละห้าโลนกรก็ได้แล้วแล้วพอดีเพนะื่อนเขาแบบอยากนั่งビジネスคลาสอะได้เดี๋ยวเราจะฝากของให้เต็มกระเป๋าเลย ก็พอดีก็อขอโทษด้วยว่าไม่ได้เข้ามาหลายอาทิตย์เพราะว่ามีมีปัญหาหลายอย่างคืออาทิตย์ต้องขอโทษเหรอค่ะห้องนี้ไม่ได้มีบางคับเฉลย ก, ก็เข้ า, าไม่เฉนย ก, ก็ไม่ต้องเข้าอา๋อด้วยค่ะแต่ว่าไม่ได้ น, น, นั่นอะไรค่ะพอาจารย์ฟูแต่ว่ามันยุ่งจริงแล้วก็สุขภาพด้วยกินอาหารอาหารเป็นพิษอาทิตย์ถัดไปจั ก, กรยานล้มมีคนปั่นจั ก, กรยานกลับบ้านออกจากที่ทํางานมีคนตัดหน้าอเ่าก็ อาทิตย์ที่แล้วก็ออไเรื่องงานอีกก็เลยเยังไม่เข้าไปเข้ามาก็ยังไม่นิ่งกันแต่ว่าก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆดูลมมั่งอะไรมั่งก็แล้วแต่ตามสถานการณ์แต่ว่ายอมรับจริงๆคือช่วงนี้มันเหมือนเหมือนคล้ายๆใกล้สิ้นปีเหมือนจะสิ้นใจกันค่ะพาาระจอม อะไรหนูก็บอกบอกลูกค้าหลายๆคนเธอหลังวันที่31ธันวาคมก็ยังมีวินวันที่1ม ก, การาคมนะถ้าเราทำไม่เสร็จเราก็ขยับไปได้ mm hmm. แต่ทุกคนแบบไม่เข้าใจมองครับอาจารย์ mm hmm. ทุกคนเข้าใจแต่ปฏิบัติไม่ได้ใจลอยใจไม่มีสติด้วยค่ะแล้วแล้วมันเป็นที่ว่าหลายอย่างคือหนูต้อง หนูทํางานหลายๆกับหลายๆคนหลายๆบริษัทซึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่ว่าเราไม่สามารถเราใจเราเป็นกลางแต่คนอื่นบางคนเนี่ยเขาอยากได้เขาไม่อยากได้เราก็ต้องแบบพยายามปรับให้ให้มันเป็นบาลานซ์กันอ mm hmm. แต่ถามว่าธรรมะเนี่ยช่วยได้เลยถ้าไม่งั้นโอ้โหยุ่มหัวไปแล้วตั้งหลายคนด่าเท้าด่าเย็นมันก็มีพระอาจารย์ mm hmm. แต่ว่าก็ดีขึ้นเ พ, นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ อยากทำร้ายเขาเพียงแต่ว่าบางทีเราเอาจิงนะพระอาจารย์ที่หนูไม่ใช่ว่าหนูไม่ว่าอะไรนะหนูก็ว่าตามเหตุและปัจจัยคุณทําไม่ถูกเพราะอะไรเราก็คุยกับเขาทําปกติแต่เราไม่ได้อนองไปตรงมาเนี่ยอาหนึ่งใช่ใค่ะพระอาจารย์เพราะหนูเป็นคนตรงๆแล้วก็ใครใครเขาก็ว่าได้นิสัยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งฝรั่งตรงๆเรื่องงานคนไทยตรงๆเรื่องส่วนตัวได้ทั้งนิสัยได้ทู้งสองอย่างน่าสะดวกมากพระอาจารย์ ก็เลยแต่ก็ไม่มีอะไรค่ะพ่อจันได้ดีจ้ะก็ไม่ได้ทำอะไรนะไม่ไม่มีค่ะก็ปฏิบัติเรได้ๆก็กิเลสมันก็มากวนเรื่อยๆวันไหนมีปัญญาก็เฉยคางกิเลสได้ก็สบายไปวันไหนไม่ได้ก็แพ้ไปคนเองอล่อยกันรับปั่อยกันลงธรรมดาค่ะพ่อจารย์เพราะมันขึ้นอยู่ที่สติของเราวันไหนสติดีโอวันนั้นเฉลุยไม่มีอะไรเลยอืาต้องพยาามฝึกสติให้มากๆค่ะ โอเคนะนักการค่ะพรอาจารย์นี่ค่ะคุณจิบแักเวลานำน้มันสักการค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์สบายดีนะจ๊ะคระเป็น้องเชียร์คามาลาบ้าเนี่ยอ๋อเมื่อวานฟังอยู่ค่ะก็ก็เชียร์นะคะก็โอเคนะหนูก็ไม่ใช่เล่นนะหนูว่ายมว่าเขาพูดดีนะคะเขานิ่งแล้วเขาก็แบบ เขาเสงบนนะดีค่ะใช่ค่ะ<ร>ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงช่วงนี้ช่วงนี้อาจจะเป็นโก o b a l แบบที่ผู้นําผู้นําส่วนใหญ่จะเริ่มเป็นผู้หญิงแล้วก็ได้ไม <laughs> ่่ใอเมริกาจะ <laughs> ได้ผู้หญิงคนเป็นข้างล่างก็ได้นะอาจจะนะคะหนูก็ยมก็ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าทรัมป์ก็ขึ้นใต้น้ําก็แรงเหมือนกันค่ะเขาคงไม่สนใจว่าแบบทรัมป์ทอะไรมาบ้างเพราะบางทีคนเรามัน บ้าดีเดือดก็เลือกเลือกก็ได้นะคะพระเจ้า <laughs> ไม่สนใจเหตุและผลขนาดกำแพงเม็กซิโกเม็กซิกันอะไรเม็กซิโกยังเชื่อเขาเลยอ่ะยองก็แบบไม่รู้จะพูดอะไรกันก็เลเออช่างวันเถอะใครจะมาใครจะอะไรก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยกันแล้กันอขอเล่นตามกฎกติกาแล้วแล้วกันเนอะ ใช่ค่ะใช่ค่ะโยมก็แบบมันก็เป็นธรรมดาถ้าอะไรที่จะเป็นกีฬามันนเป็กีใช่ค่ะเราก็ไม่รู้เ่อเบื้องหลังเขาลงจากเวทีไปเขาอาจจะไปดื่มวายกันต่อกันได้ใช่ไหมเออไอคนข้างหน้าเวทีนี้ก็สู้กันไปแบบเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปเครียดกันมายกันแล้วกันนะโยมสนุกส่โยมไม่แค่ลูกชายโยมก็บอกแม่เราต้องมาดูดีปรเด็นนะโยมก็แบบโอเคโอเค คือตอนแรกยงไม่ได้สนใจลูกแบบเหมือนลูกจะมีไฟเขาจะสิบแปดปีหน้า่ะคะเขาก็จะแม่เราต้องสนใจนะโอเคสนใจกันดูไปดูมามันไม่ในตอนหลังลูกว่าบอกมันมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างมันก็ไม่ได้มันไม่ได้แบบมันไม่ได้เกินที่คาดหวังว่าเขาจะพูดแบบนี้อะไรอยงเงี้ยยงว่าเออเนี่ยทีหลังเราก็เรียนรู้ไว้ว่าถ้าเราจะเป็นผู้นําที่ดีเราก็ต้องเป็นยังไงนะลูกอะไรอย่างเงี้ยเออยงก็อกสอนแต่ว่าเราก็ไม่รู้อีกแหละว่ า, าการเมืองอะ่ะมันเปลี่ยนข่าวเป็นดำํดำดาเป็นขาว ได้หมดนะค่ะยมก็เลยก็เลยไม่ได้อะไรกับเขาก็แต่วันนี้ยมมีเรื่องพยาจารย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมายมยมขับรถชนกวางอะค่ะไม่ไปเจตนนไม่บาดบาดไม่บาดยมไม่เห็นไม่เห็นเขานะคะแล้วก็แบบวางใจไม่บาดค่ะกนุบัติเหตุไปแต่รถโยมพังแต่กวางหายตัวไปอ่ะค่ะยมก็แบบคู่กรณีไม่อยู่แจ้งตำรวจยังไงดี ตำรวจไม่รับแจ้งค่ะเลยไม่เลยไม่แจ้งก็รับให้ประกันเขาจัดการใช่ค่ะพ่อโยมโทรหาตำรวจแล้วค่ะตำรวจที่นี่บอกว่าอ๋อชนกวางไม่เป็นไรเราไม่รับแจ้งความอืมก็จับก็จับแล้วก็หน้ากี้แล้วก็ไปใช่ค่ะใช่โยมก็เลยแบบว่าไปขอหัวจิตกรรม ก็น่าหน่ะสิคะพี่โยมก็เอ๊ะเราเราชนกวางใช่ไหมเราไม่ได้ชนคนใช่ไหมเพราะมันมืดมากเลยตอนนั้นคืนหนาวคะ่ะพอกลับมาบ้านถึงได้ตกแบบมันเหมือนกับเหมือนมันตกใจนิดนึงอะค่ะแต่ว่าก็ไปจอดรถที่บ้านก็เห็นเป็นขนกวางปิดอยู่ที่รอยแตกของรถนะคะก็เลยแบบโอเคงั้นเราก็ชนกวางเราก็แบบ <laughs> <laughs> ก็ไม่ได้ดีใจนะคะแต่แบบว่าเออมันก็อืม ถึงเข า, นนาแต่ว่าความเย็นเยก็ถ้าเกิดการเป็นคนขึ้นมาก็ยุ่งได้นะใช่ค่ะยมอาจจะต้องแบบเออไปเออหน่อยนึงโอเคต่อไปนี้จะไม่กลับบ้านดึกดึกมากแล้วผับอีกเส้นหนึ่งดีกว่าเส้นนี้อันตรายเพราะมันต้นไม้เยอะค่ะแล้วมันมืดมากบางทีเรามองไม่เห็นนะคะค่ะพระอาจารย์ก็ถ้าอย่างนี้ยมก็สบายใจละค่ะว่าอาค่ะไม่มีอะไรละคะพระอาจารย์ขอพระอาจารย์ทัดแ ข, ข, ข, ขนแข็งแรงนะคะอ่า โอ้โห oh, จะรักษาสุขภาพด้วยนะคะพระอาจารย์กแบับขอบพระคุณในความเมตตาเจ้าค่า okay. ะโอเคสาธุสำหรับนิดหน่อยอคุณซเลิงทอดต่อเชิญคุณสลิงทอดตามธรรมชาตพระอาจารย์เจ้าค่า mm hmm. ะเออโยมก็ไม่ได้ดู presidential debate <laughs> แต่ mm hmm. ดูกก็ดูเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเอาไว้ค่อยไปติดตามทีหลัง ออพอดีอาทิตย์ที่ผ่านมายมขออนุ ญ, ญาตนิดนึงนะคะสั้นๆยมคิดว่าอ า, อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เกิดเกิดอุปจารสมาธิอะค่ะพระอาจารย์เหมือนจิตออกไปรู้ไปเห็นอะไรข้างนอกอะค่ะแล้วก็เห็นการเห็นการเคลื่อนตัวของของของกายทิพย์ของตัวเองอะค่ะพระอาจารย์รู้ว่ามันไ ม, มไม่มีตัวไม่มีตัวไม่มีตน มีแต่จิตตั้งมั่นแล้วก็ผู้รู้ผู้คิดแล้วก็เห็นแต่กำลังสมาธิอะคะ่ะอาจารย์แล้วมันก็มีลักษณะการเดินทางที่รวดเร็วมากอะคะ่ะแล้วพอกำลังมันหมดมันก็กลับมาอยู่ในตัวนิ่งๆแล้วหลังจากนั้นมันก็ไปพิจารณาคะ่ะแต่มันไม่ได้มันไม่ได้ไปพิจารณาอาการสามสิบสองหรือว่าพระไตหลักะ ค, ะคะ่ะ กลับมาพิจารณาแบบข้อธรรมะของรรพระพุทธเจ้าแบบอย่างเช่นอย่างเช่นอดอกบัวสีเหลาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปพิจารณาถึงว่าถ้าสติที่โยมีตั้งมั่นกว่านี้มันน่าจะกลับเข้ามาในกายแล้วก็เข้ามาพิจารณากายได้ได้มากกว่าที่จะพุ่งออกไปพิจารณาภายนอกอะค่ะก็ยังไมติแล้วยังควบคมความคิดของเรามไม่ไดยออย้ยังอ่อนอยู่อ่อนอยู่ ูการสติมากที่เราสามารถกําหนดเรื่องที่เราจะคิดพิจารณาได้ค่ะอย่างนี้แสดงว่าถ้าโยมถ้าโยมปรับเพราะว่าโยมคิดว่ากําลังเพราะาเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมายมปฏิบัติค่อนข้างจะต่อเนื่องแล้วก็เยอะมากคิดว่ากําลังสมาธิน่าจะน่าจะพอได้อยู่อะคะ่ะแต่ว่าถ้าโยมปรับกํำลังสติให้ให้มากกว่านี้มันก็จะเป็นสภาวะเหมือนจิตตื่นใช่ไหมคะพระอาจารย์จิตตื่นจิตนิ่งจิตจะไม่ไหลไปกับ อารมง์ของจิตที่มันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเมื่อกําลังสมาธิที่มั่นคงเพียงพอมันก็จะกลับเข้ามาพิจารณาอาการสามสิบสองใช่ไหมคะใช่แต่มันไม่จะเป็นมันไม่ต้องพิจารณาตอนนั้นเราจะใช้มันตอนที่เราออกจากสมาธิมาก่อนนะถึงค่อยพิจารณาตอนทอี่ในสมาธินี้ต้องห้ามถ้ามันจะพิจารณาอย่าปล่อยให้มันพิจารณาเพราะเราต้องการให้จิตนิ่งให้สงบไปนานๆค่ะ ค่ะค่ะโย่หมาถึงหลังจะออกจากสมาธิอะค่ะอาจาออกมาแล้วเราก็สามารถกําหนดพิจารณาเรื่องที่เราต้องการพิจารณาได้อย่างกจะพิจารณาการสาริสองก็ให้มันพิจารณาการสาริสองไปแล้วการแล้วขึ้นไอ้ตัวกิเลสเนี่ยมันจะค่อยค่อ ย, อยลอกออกทีละชั้นทีละชั้ชนใช่ไหมคะพระอาจารย์มันก็จะว่าเล่ามันก็ไม่ไม่เฉงมันก็อยู่ที่ว่ามันก็จะค่อยค่อย พอาไม่เข้าใจทำมากมากขึ้นความหลงมันก็จะน้อยลงไปความอยากความโลภต่างๆมันก็จะเบาเบาลงไป mm hmm. มันก็ขึ้นอยู่กับกรณีว่าเราพิจารณาเรื่องอะไรถ้าเราพิจารณาเรื่องร่างกายความโลภความอยากเกี่ยวกับร่างกายมันก็จะลดน้อยถอยลงไปค่ะแล้วถ้ามันถึงจุดที่เราคิดว่าเออมันมันใช่พอดีปุ๊บปั๊บเนี่ยก็อาจจะเกิดเป็น ก, ก็จะกลายเป็นพระเริยบบุคคลได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์มันก็ต้องมีข้อสอบให้เราทดสอบอยู่ว่าเรา ย, ยังยึดติดกับร่างกายเราเยอะเปล่าได้เวลาเราไปหาหมอแล้วหมอบอ ก, ปกเป็นโรคอะไรอย่างนี้แล้วดูใจเราทุกข์หรือไม่ทุกขใจเราเฉยหรือไม่เฉยค่ ะ, คะเฉยก็แสดงว่าเรา ก, เราก็เราก็ไม่มีกิเลสในความโลภความอยากในร่างกาย ค่ะพาาจแต่ถ้าเรายังทุก <hin> ข <stealth> ์อยู่ใจเรายังสั่นอยู่ไม่สบายใจอยู่อันแสดงว่าเรายังติดอยู่กับร่างกายอยู่เรายังอยากให้ร่างกายมันแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ตายอยู่คคค่่่ะะะต้องมีข้อสอนเหมือนอย่างที้ว่าปีเลตหมดก็ไม่หมดปีเลตที่เกี่ยวกับร่างกายนี้หมดก็ไม่หมดเพราะว่าหลังจากวันนั้นมามันก็นิ่งมาตลอดอะค่ะพระอาจารย์ ได้แต่ไม่มีเหตุการณ์อะไรมาทดสอบความความนิ่งว่ามันนิ่งมันจะนิ่งอยู่เวลาเจอเจอกับเหตุการณ์ที่นุนแดงได้หรือไม่ค่ะอ่าเออแต่ก่อนจุดเียบเท้าแล้วไปหาหมอหมอก็ตรวจ ด, ดู ว, ว่าเป็นมะเร็งเนี้ยมันจะยนิ่งต่อไปได้หรือไม่ถ้านิ่งต่อไปได้ก็โอเคแสดงว่ากิเลสไม่มีค่ะพระาจังถ้าวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ย อ่เป็นผลของจิเลสกำลังทางานอย่อืมค่ะก็วิธีการที่ต้องให้มั่นใจว่าเราสามารถทำได้เราก็ต้องปฏิบัติต่อนเนื่องแล้วก็ยังคงปฏิบัติ24ชั่วโมงตลอดเวลาไปเรื่อยๆใช่ไหมค ะ, ะจนกว่าจะมีวันข้อสอบจ น, จนกว่าจะไหมคะข้อสอบดูก็แล้ว <c oughs> ไปอยู่ที่เปลี่ยวเปี่ยวคนเดียวดูอืมอ่ะ เพรมันเห็นสภาวะธรรมก็มันก็มีกําลังใจอ่ะค่ะว่าเอเราทำอะไรของเราอยู่ทําไมเราเหลีวไหลเราไม่ตั้งใจมันน่าจ ะ, ะมันน่าจะตั้งใจแล้วมันจะได้เห็นผลได้เรื่อยๆเราได้สติได้สมาธิแต่เายังยังไม่ได้ปัญญาที่จะมาพิสูจน์ว่าเราได้ปัญญาจริงหรือไม่จริงอืมค่ะอาจารย์เราเจอทุกข์ก่อนนะถึงจะรู้ว่าปัญญาดับความทุกข์ได้บ้า ต้องจอความเจ็บไข้ได้ป่อยต้องเจอความตายวันนี้มันเป็นยากพิสูจน์ได้ว่าใจเราปล่อยได้หรือไม่ปล่อยร่างกายได้หรือไม่ค่ะเพราะเหมือนทุกวันนี้ก็โยมก็ทําแค่เป็นกันบ้านแค่พิจารณาว่าทำใหก่อนเดี๋ยววันนี้คืนที่อาจจะนอนจรเข้าวป้นเข้าววัดนั้นเข้ามาในบ้านเราก็ได้นั่งขับรถไปกลางทางนอนข้ากจี้นดนข้าวป้นแล้วดูในใจเราจะเป็นยังไงตื่นเต้นตะหนกตกใจหรือเฉย ค่ะอาจารย์ต้องฝึกไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยมันหยุดไม่ได้หรอกถ้าถ้าถึงขั้นนี้แล้วมันต้องปฏิบัติต้องรักษาท่านเราหยุดมันก็จะมันก็จะเสื่อมได้แต่การสะสมของการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมันก็คือจะสะสมอยู่ในใจเราลึกๆแล้วเวลาที่มือเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เป็นข้อสอบมาเนี่ยจิตมันจะปฏิวัติตัวเองขึ้นมาดูแลตเองถ้าเรามีถ้าเรามีธรรมะที่เราสะสมไว้มันก็จะมาทําหน้าที่ ข้าพเจ้าเอถ้ามันต้องมีปัญญาเหมืนอนเดิมเนี้ย แ, แก้ปัญหาได้อย่างราบคาบต้องพิจารณาร่างกายอยูเร่อว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราต้องแก่เจ็บได้ในธรรมดาอย่างงี้ยข้าพเจ้าต้องสอนเตือนใจเรื่อยเมื่เราไปเจอเหตุการณ์ที่มากระทบกระเทือนกับร่างกายเราเราจะได้ใช้ปัญญาที่เราฝึกสอนใจว่าเนี่ยมันเป็นอย่างงี้ร่างกายไม่เที่ยงมันจะตายขึ้นมาเมื่อไหร่กนะ็ได้ จะไปธนาคารแล้วพอดีมีโจรเข้ามาปล้นธนาคารนี่ค่ะเนยมันต้องมีเหตุการณ์ที่สะเทือนใจเราล้วดูสิว่าธรรมะที่เราได้ได้ได้ปฏิบัติมาที่สามารถนาม า, ม า, มาดับความสะเทือนใจได้หรือไม่อค่ะอาจารย์ถ้าถ้าดับได้แล้วเราก็จะมั่นใจเลยต่อไปนี้เราไม่มีปัญหาเรื่องความเป็นควาตายเรื่องกายแต่ <c oughs> ถ้ายังไม่เจอ ข้อสอบมันก็ยังเป็นแค่เป็นเหมนความคิดของเราอยู่ว่าเราปล่อยได้จริงหรือเปล่ามันยังไม่รู้ใช่ไหมมันี้ ม, มีมีข้อสอบดูค่ะพระอาจารย์ต้องกลับขอบพระคุณคําสอนของพระอาจารย์ค่ะโยมจะจำเอาไว้แล้วก็เอาไปปฏิบัติไม่ไม่ให้ลืมค่ะพระอาจารย์ซ้อมไม่ก่อนวันนี้ซ้อมแก่ซ้อมแก่ซ้อมเจ็บซ้อมตายไม่ก่อนค่ะพระอาจารย์นเวทีเจอของจริงด<ม>ูที่ว่าจะ ก็พิจารณวันนะคบจะดิ่งได้หรือเปล่าค่ะขอบคุณพระอาจารย์มากเลยนะคะหนูจะหนูจะจำเอาไว้ออกไปปฏิบัติค่ะสาธุเจ้าค่สาธุเจ้าค่ะคุณทุกตาเชยรคุณทุกตาขออนุญาตสักการะค่ะอาจารย์วันนี้เข้ามาเป็นผู้ฟังเจ้าค่ะลูกไม่มีคำถามอะไรเจ้าค่ะปฏิบัติดีอยู่นะ สติว่าจืจ่เจ้าค่ะไม่ทุกข์ไม่มวุ่นวายใจนะมีมีทุกข์ก็จะรู้ทันทุกข์อยู่เจ้าค่ะแล้วก็อ่าปล่อยวางทุกข์ได้เร็วขึ้นขึ้นจ้ ะ, จะมีทุกข์ท่านั้นที่เกิดมีทุกข์เท่านั้นที่ดับไดไหจ้าค่ะอ่อย่างอื่ไม่สําคัญสําคัญเท่ากับทุกข์เนี่ยถ้ามันเกิดแล้วเราต้องทําให้มันดับให้ได้เจ้าค่ะลูกก็ รักษาใจนะคะแล้วก็สํารวมอินทรีย์แล้วก็ส C, ํารวมอายตนะก็นึกถึงภูสุแลั ก, การามาบทกสิทธิใ์ในการดำรงอยู่ในปัจจุบันนี้เจ้าค่ะใชรักษาใจก็ต้องรักษาให้มันไม่ทุกข์ชถ้ามันทุกข์ก็ต้องทําให้มันหายทุกข์ให้ได้แล้วค่ะนะโอเคนะขอบคาตรการเจ้าค่ะอ่าคุณปุวยใช่ คุณปุ้ยเวลาหมดแล้วนะชั้นชั้นนะออขอเวลาชั้นชั้นท่านอา จ, จารย์ค่ะคุณปุ้ยไม่มีปัญหาค่ะคุณปุ้ยเออไม่มีปัญหาไม่มีคําถามมันปัญหาเนียมันมีหลายความหมายเลยไม่ไม่มีคําถามเพียงแต่จะมาตัวค่ะว่ายังปฏิบัติเหมือนเดิมแล้วก็อ เ, เอเมือม่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยม เมื่อไม่สองวันนี่ใช่สัปดาห์ที่แล้ววันจันน่ะคือวันจันทรน่ะโยมนั่งสมาธิอยู่แล้วโยมเจอผีอาจารย์โยมแบบเห็นน่ะหลับตาไปแค่เนี้โยมเห็นผู้หญิงอ่ะคือตาโยมยังปิดอยู่โยมก็เลยจะมาถามท่านอาจารย์ว่าจิตโยมหลงไปเองหรือเปล่าอือถ้าถ้าผีจริงมันไม่มาหลอกเราหลอกที่มาที่มาหลอกเรามักจะเป็นผีผีไม่จริงผีปลอมมันเป็นตัวตัวมันเป็นตัวผู้ญ จิตแล้ว ป, งวงวปุงแต่งขึ้นมาจิตแล้วปรงแต่งขึ้นมาโยมก็กลัวโยมก็เลยบอกว่าใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักขอขออุทิศบุญให้น ะ, อ, ะอย่ามารบนะโยมก็กลัวมาก ถ, าถ้าผีจริงเขาไม่เขาไม่มีเวลาจะมารบกวนเราเขาไปรับผลบุญผล บ, บ, บาปของเขาแล้วค่้วันนั้นนะ่ะโยมนั่งสมาธิโยมฟังพระอาจารย์ คือตอนนัางคือนะโยมเป็นอะไรไม่รู้นอนค่อยหลับและโยมก็เลยนั่งเอาเอาเอาเอา เ, อา เ, อาเอาทปพราะจันทร์มานั่งฟังและโยมนั่งนั่งไปจนแบบคือมันมันปวดนะเรารู้ว่ามันปวดแล้วทีนี้โยมจําได้ว่าเออ่หลวง ป, ปู่ท่านสอนไว้ว่าให้เอาจิตวางไว้อย่าให้ลงไปข้างล่างให้อยู่ข้างบนเพราะสายของกรรมฐานของหลวงเออพระอาจารย์จะไม่เหมือนกับทางธรรมกายอ่ะและโยมก็ ไว้ตรงเนี้ยแล้วแล้วอยู่ๆมันก็หายอ่ะมันไม่มันไม่ปวดมันไม่ชามันจะเริ่มชาชาชาชาแล้วมันเป็นเน็บแล้วมันก็หายและทีนี้ตัวมันเย็นอ่ะพระอาจารย์ตัวมันจะเย็นเย็นเปียบเหมือนน้าแข็งเลยอ่ะโยมนะโยมก็หายไปปุ๊บนึงแล้วไม่รู้สึกแล้วอยู่ๆมันมันมีอะไรกุ้งนุ้ยแล่นมันเป็นเหมือนกับเป็นโดงแก้วอ่ะแล่นถึงถึงถึงถึงอย่างเงี้ยอยู่ข้างในแล้วยมไม่เห็นอ่ะเห็นข้างในตัวโยมะว่ามันไม่มีไส โอเคก็ก็พิจารณาเป็นตายรักไปกันแล้วกันไปแล้วนี่จังไม่เที่ยงแต่ยมไม่เห็นยังไม่เห็นนรกยังเหมือนคนอื่นเขาเลย อ, ะอ่ะอ๋อไม่เป็นไรหล้วแต่และคนมันทํามันอยู่คนละขั้นอยู่นคนละระดับกันเขาเห็นก็เรื่องของเขาเรายังไม่เห็นก็รู้ว่าเร า, ายังไม่เห็นไปแต่ยม ก, ก, ก็ใช้ธรรมะของพระอาจารย์วันนี้ยมเอาชนะใจตัวเองได้ด้วยการที่ว่าไม่โลภเพราะว่า เออโยมถูกคนเอาเปรียบโยมถามว่าโยมทุกไหมแทนที่โยมจะได้มากกว่านี้เเอเอมีคนเอาเปรียบโยมเออไปครึ่งหนึ่งโยมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเฮ้ยยังไงเราก็รวยเงินทองไปเที่ยวยโยมก็เลยเอาจานมาช่วยยมส่วนง <คน S 1> อ, อนองนะตอนนี้ก่อนนะบาจาย์ข อ, <พ> อ, อหน่อยสิ อ, อ่ขอให้ใหเราไม่รวยไม่มีดอกตายเห็นทํา อให้อดทนจักความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงสาธุขอให้โยมถูกหวยทุกงวดนะพระอาจารย์เอาเลยถูกปีนนขอให้ถูกปินทั้งมวลนะไม่การพระอาจารย์น้อมน้อมถวายทุกบุญบารมีที่เโยมสืบสิ้นแปดนะยะพระอาจารย์เจ้าสาธุเจ้าสาธุวันนี้โยมก็ไปทํามาขอถวายแด่พระอาจารย์เจ้าค่ะอ่าสาธุ คุณจิตนาิ<อ>าีต อ, อยู่ที่ไหนเอาที่เข้ามาขาเทราใช่ไหมที่มีบุญได้แนละ้วกับนมัสการค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ให้หนูไปเดินสติพิจ า, ารณาไตรลักษณ์แล้วหนูก็เจอบททดสอบกับตัวเองคือร่างกายมันป่วยเป็นไข้หนักมากเลยเจิตหนูรู้ว่าหนูป่วยหนูหาวิธีดักหนูรู้ว่าหนูจะต้องทุกขนะ์หน่ะ หนูใช้วิธีดักหาดักดับทุกโดยการพุทโธพุทโธไปทั้งคืนหนูไม่หนูตัดสินใจว่าหนูไม่กินยาหนูจะไม่กินยาหนูจะเหมือนจะทดสอบตัวเองหนูก็ภาวนาพุทโธพุทโธไปทั้งคืนจนหนูหลับไปแล้วพอวันลุกขึ้นมาหนูก็ยังเป็นอีกแต่หนูรู้ว่าหนูเหมือนหนูรู้ว่าหนูป่วยแต่หนูไม่เอาไปจับอยู่กับความเจ็บป่วยหนูก็ตอนนี้กลายเป็นหนูรู้สึกอยู่กับมันโดยที่ หนูรู้สึกนะคะว่ามันป่วยอยู่แต่หนูไม่ได้ไปทุกข์กับมันเลยอย่างตอนนี้หนูรู้หนูคุยกับพระอาจารย์อยู่หนูจริงๆหนูเป็นอยู่ปวดแล้วทางร่างกายแต่หนูไม่ทุกข์หนูรู้สึกหนูวางกับมันหนูนึกแค่เดียวอยากตายก็ตายไปเลยอยากเป็นก็เป็นไปเลยหนูหนูแค่ตอนนี้อย่างงี้หนูก็เลยอยากจะถามพระอาจารย์ว่าสิ่งที่หนูตอนนี้ที่หนูเป็นแบบเนี้ยคือหนูไม่สนใจมันเลยปล่อยวางได้ทางร่างกายได้ค่ะ ก็ดีพยายามปล่อยแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่าไปทุกข์กับมันค่ะแต่ถ้าอยากจะรักษาก็ถ้ารักษาได้ก็รักษาไปก็ได้แต่ไม่รักษาก็ได้อันนี้แล้วแต่เราหนูลองสองแบบหนูลองทดสอบกับตัวเองว่าลองไม่ไม่ทานยาก่อนเออมันมันอยู่ได้แล้วมันก็ดับไปความเจ็บปวดมันก็ดับไปมันมันไม่ได้พอเราไม่ปรุงแต่งกับมันมากค่ะไม่ไปร่วมกับมันมากกับกายมากปุ๊บหนูรู้สึกมันดับไปเลยความเจ็บปวดมันลดลงลดลงบางทีไม่ไม่มีอาการนั้นเกิดขึ้นเลยอืม ใช่ค่ะเพรความเจ็บส่วนใหญ่มันอยู่ที่ใจเราไป็นพอใจเราหาเจ็บปับ๊บแล้วความเจ็บทางร่างกายกั็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่รุนแรงมันเหมือนใจมันเข้มแข็งมันมีพลังมากขึ้นจากคําภาวนาเมื่อก่อนเมื่อรอบที่แล้วหนูมาหนูจะใช้คําจับภาพพระ ก, กับคําภาวนาของอาจารย์ของครัาอาจารย์แต่ตอนเนี้หนูใช้พุโทโธอย่างเดียวเป็นหลักแล้วตอนนี้หนูรู้สึกว่าใจหนูมันเข้มแข็งหนูก็เลยไม่ไม่ไหลไปกับความเจ็บปวด เนี่ยคะ่ะสิ่งที่หนูหนูเป็นตอนเนี้ยหนูซ้ำเพราะมีสติคอยคทําใจให้เป็นอุนเบกขาใร้วงเฉยนี่นั่นแหละสติเนี้ยสําคัญนะนนี้ใช้ปัญญาเรารู้แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่มีสติสนับสนุนไม่มีไม่มีสมาธิอุเบกขาสนับสนุนค่ะ<อ>ก็ไม่มีอะไรแล้วคะ่ะพยฝึกสตินั่งสมาธินะให้จิตสงบค่ะและอีกนิดเดียวค่ะใกล้อันนี้อันนี้ก็ทําบ่อยคะ่ะมีเวลาว่างหนูทำบ่อยเลย ค่ะค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะประวัติการคะดีใจด้วยนะสาธุค่ะสาธุค่ะอ่าไปที่คุณจ้าปอดแนดยังอยู่ปอดแลนด์นะบ้านนี้ใช่ค่ะรัตการค่ะพระอาจารย์อธิษฐานหนูจะบินกลับและข่าวันพุธอ่าบิน แล้วก็หนูตั้งใจว่าจะไปอยู่ว่าตอนแรกอาทิตย์ที่แล้วหนูกราบเรียนว่าจะไปลองวัดป่าสุขใจแต่ว่าหนูเปลี่ยนใจแล้วค่ะตอนนี้คิดว่าน่าจะไปอยู่อ่วัดยานเดี๋ยวหนูจะขอข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มันต้องเออหนูขอคําถามหนึ่งว่าหนูว่ากลัวจิ้นจกแล้วหนูมั่นใจว่ามันจะมีเยอะมากหนูควรจะพิจารณายังไงคะเพื่อที่จะให้ เหมือนเป็นการเตรียมตัวก่อนเนี่ยว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปดูมันเส็จวันน่ะก็พิจารณาว่าเข้ากับเราตัวตัวใครใหญ่กว่ากันนะเขาทำอะไรเราได้หรือเปล่าทําไม่ได้เหรออันนี้ก็หายกลัวแล้วอืใช่ไหมใครทําใครกันน่เรานักน่าจะไปทําร้ายเขามากกว่าเขามาทําร้ายเราคือเขาทําร้ายเราแต่เขาทําเขาการดิ้นของเขาหรือการแบบ ขยับของเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูเหมือนจิตหนูว่าคิดไปของหนูอะคือถ้าหนูใช้วิธีเหมือนเหมือนประมาณที่คนเขากลัวผีแล้วเขาพิจาจรณาสมอะไรอย่างเงี้ยพาจารย์จะช่วยได้ไหมคะถ้าถ้าหนูแบบไปดู y o u t u ู e จิงจบเยอะๆหรือแบบอะไรแบบเนี้ยต่น่าตน่าแต่หนูต้องใช้อุบายต้องปัญญาของหนูต้องคิดคนน้อยเองว่าจะหาวิธีไงที่จ ะ, ท, จะที่จะอยู่กับมันให้ได้ ก็มองความจริงเสร็มันมันกัดเราแล้วมันกัดเราได้หรือเปามันก็กัดเราไม่ได้ไหมมันอยากจะกัดเราหรวอเปล่ามันก็ไม่อยากจะกัดเราเราไม่ได้เป็นอาหารของมันทั้น่อยก็ปล่อยมันอยู่ไปตามเรื่องของมันไปต่างฝ่ายต่างอยู่กันอาศัยบ้านเดียวกันอยู่ท่านนี้เป็นเพื่อนบ้านกันโอเคมันทำอะไรเราได้หรือมันกัดเราได้คปะใครได้ยินเขาจริงจ่กัดคนตายมันไม่มีหรอใช่ไหม ใช่เหตุใช่ผลอยู่เนี่ยใครใหญ่กว่าใครใครจะใครใครจะ่าใครกันแน่นได้ค่ะมระาจารย์เอาไปผิดซรเลถ้ามาถ้ายัามาภาคที่วัดยานก็วัดยานก็มีที่พัก ท, ที่ที่ที่อยู่ในวัดก็อยู่แบบทําวัดเช้าวัดเย็นร่วมส่วนมนต์ทำพิธีกับคนอื่นก่อนแต่ถ้าอยากจะไปแ ย, ยกไปอยู่บนเขาอันนี้ต้องเป็นแบบ ไปบปฏิบัติคนเดียวตามลําพังคซึ่งอาจจะไม่ใช่เวลาที่คุณต้องการเนาะใช่ไหมตอนนี้อยากจะปฏิบัติร่วมกับผู้อื่นก่อนจริงๆหนูอยากปฏิบัติคนเดียวมากกว่าค่ะพอดีวัด ท, ที่หนูตั้งใจว่าจะเปลี่ยนจากวัดป่าสุขใจเป็นวัดยานเพราะว่าที่ฟังจากคนอื่นคือวัดป่าสุขใจจะเป็นลักษณะอะ่มีปฏิบัติร่วมกับผู้อื่นมากกว่าแล้วก็ ถ้าทํางานปฏิบัติบนเขาก็ต้องติดต่อคุณลาแล้วกันขอขอ้อมูลได้ค่ะครับอาจารย์นี้เท่านี้ค่ะวันนี้สาธุค่ะขอบพระคุณมากค่ะคสาธุจ้ะก็คุคลาต่อเลยคาถามกรับนมหกรรมครับอาจารย์มีทั้งหมดสามคำถามเจ้าคะ่ะคําถามแรกถ้าเรามีความกังวลใจเวลาเรานั่งภาวนาควรใช้ปัญญาอบรมให้ใจสงบลงบ้าง กอนที่จะภาวนาหรือควรภาวนามุ่งตรงไปที่กรรมฐานเลยครับกราบขอบพระคุณครับก็ได้ทั้งสองอย่างถ้าเราภาวนาด้วยกรรมฐานได้ดูลมได้พุทโธได้ก็ไม่ต้องไปแล้วคํามกังวลหายไปได้ก็กก็กกก็ไม่เป็นปัญหาเลยแต่ถ้าเราดูลมไม่ได้พุทโธไม่ได้ยัางกังวลกับเรื่อง น, งนงี้อยู่ก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าเรากังวลกับอะไรกังวลกับร่างกายเราหรือ ไม่อยากให้มันเจ็บเลยแล้วเราพิจารณาด้วยปัญญาแล้วมันห้ามมันได้หรือเปล่ามันก็ต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาพอเราเห็นว่านอมันจะทไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามไม่ได้ความกังวลก็อาจจะหายไปได้ น, นี่ก็ต้องใช้ปัญญาอบรมสมาธิแต่ถ้าเราสามารถใช้สมาธิใช้สติอบรมสมาธิได้ก็ไม่ต้องใช้ปัญญาพุทโธพุทโธไปนิยหายใจไป คำถามต่อไปจากคุณอ้อนกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะคุณพ่ออายุ85มีโรคประจงตัวเหมือนคนสูงอายุทั่วไปยังช่วยเหลือตัวเองได้เดินได้ไม่ต้องใช้ไม้เท้าทานอาหารได้เองแต่บ่นเบื่อชีวิตบ่อยมากอยากตายคนเป็นลูกควรพูดหรือทำอย่างไรดีคะกราบขอบพระคุณคะ่ะ ก็บอกว่าขอให่พ่ออยู่เป็นอยู่กับหนูเป็นนา น, านอยู่เป็นที่พึ่งของหนูให้กำลังใจหนูพูดให้ต่านมีความมีความสำคัญบางทีเขากคนแจกแล้วแล้วก็ลู ก, ล ก, กหลานก็ไม่ค่อยแยแสไม่ค่อยให้ความสำคัญเขาเ้าก็เลยไม่รู้จะอยู่ไป็นทำไมแล้วก็ตั้งอาณาธนารา์พ่อให้อยู่เป็นานา น, า น, านพ่ออย่าเพิ่งไปนะพ่ออยู่กันอยู่กับพวกหนูเป็นที่ เปนที่ล่มโผล่ล่มใจของพวกหนูวอะไรพูดไให้ท่านมีกำลังใจเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่ไม่เรียกร้องให้ท่านอยู่ให้เขาพรากพวะมางคูอยากจะแช่ให้เราตายนั่นก็อาจจะไม่รู้จะอยู่ไปทำไมต้องเราขอใจท่านขอยดูแลท่านให้กำลังใจท่านเออชิดเชิดชูท่านแล้วก็ ขอให้ท่านอยู่ให้เป็นเป็นน้อมโพน้อมใสของพวกเราต่อไปให้กำลังใจงพวกเราลูกหลานจะได้อยู่ยังมีความสุขต้องต้องคอยพูดบ่อยๆเขาจะได้มีมีเหตุเพาะว่าทำไมเขาถึงจะอยากจะอยู่ก็เหมือนี้กับพระพุทธเจ้าที่สอนพระที่บอกว่าอนุนวนา่าอนุนเราจะอยู่ถึงร้อยยี่สิบปีก็อยู่ได้นะแต่อนุนก็ไม่เคยขอลาธนารูเจ้าเราเลยคิดว่าโอ้มันคนงจะไม่อยากจะเลี้ยงเรานะ้ อยเราเอาแค่แปดสิบก็พ อ, อนี่นลูกหลานถ้าอยากจะให้ปุ๋ยย่าตายายพ่อแม่เราอยู่กับเราไป็นนานๆต้องคอยขอขอให้อยู่ไปเขาจะได้มีกําลังใจที่จะอยู่เพื่อพวกเราเพราะเขาว่าวั น, วนๆนึ่ยเขาไต้องจะอยู่เพื่อใครแล้วเนี่ยแล้วถ้าพวกเราไม่ไปสนใจเขาไม่แยแสเขาไปเขาอยู่ตามกำแพงเนี้ยแล้วก็ยิ่งอยากจะไปเร็วๆขึ้นเนี่ยนะต้องให้ความสําคัญกับพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ เชิทชูท่านายกย่องท่านพูดให้กำลังใจท่านอย่างนี้แล้วท่านก็จะมีกำลังใจที่จะอยู่ต่อไปเพื่อลูกหว <คำ S 1> านนะกาถามสุดท้ายจากคุณกอล์ฟคะช่วงนี้ภาวนาสบายโล่งโปร่งว่างตลอดเวลาอารมณ์ไม่กินใจไม่ได้มีเงินมากมีเงินน้อยลงแต่มีความสุขเพิ่มขึ้น ต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับปฏิบัติให้มีความสุขมากขึ้นปฏิบัติเพิมากขึ้นไปเรื่อยๆโอเคนะถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคว่าพอสมควรแก่เวลาสําหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขการดำนินก้าวหน้าในธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปแทอ